บทที่ยสิจ็สิ่งแรกที่เห็นก็คือตาสีฟ้าสายเบิกช่องอยู่ก่อนแล้วระยะห่างเพียงแค่เพื่อเจตนั้นเจ้าของดวงตาดูเหมือนจะาห่างออกไปเล็กน้อยก็ตกใจกับเสียงของเขาแล้วเป็นไพวันกับตาทีทีแล้วจ้องอีกครั้งขณะนั้นแสงสว่างนางราของยามอารุณสาดไปทั่วแนวป่าอันเป็นที่พักพอจะทําให้มองเห็นอะไรได้ขนัดในระยะใกล้เขางอหลังนิ้วขยี้ตาและเบิกกว้างขึ้นอีกอย่างงุนงง พยายามจะยันกายลุกขึ้นแต่ฝ่ามือของเจ้าของโนูสาร น, นั้นแตะยันที่อกทำให้ต้องนอนงายลงพาดต้นคอไว้กับถุงข้าวสารตามเดิมเลี่ยวแรงมันดูอ่อนเกลี้ยไปหมดคริสลำพยักหน้าแนนน้อยยิ้มให้ใช่ใช่เองเอ๊ะทานใหญ่อุทานพยายามจะลุกขึ้นอีกแต่ก็ต้องชะงักอยู่เช่นนั้นเพราะแม่ผมทองกดไหลก็ไว้สภาพรุนแรเดี๋ยวมองไปรอบด้าน เขารู้สึกตัวกระจ่างชัดเดี๋ยวนี้เองว่ามันเป็นเวลาเช้าตรู่และตัวเองก็เพิ่งตื่นขึ้นมาคุณไม่สบายมากนะจับไข้แม่รู้สึกตัวมาหลายชั่วโมงอย่าเพิ่งลุกพวดพลาดขึ้นมาก่อนนอนนิ่งๆอี ก, อกสักพักหนึ่งเถอะนี่เวลาเท่าไหร่แล้วเขาถามออกมาแฮบๆยามจะเหลียวมองแต่ ม, มุมของวิวรอบด้านมันจํากัดเนื่องจากถูกขวามือของอิกฝ่ายหนึ่งบังคับกึ่งของร้องให้นอนราบ6โมง7นาที ต อ, ตอบเสียงเบานิ่มอยู่เช่นเดิมขณะที่เหลือบดูนาฬิกาข้อมือจอมทานคลาออกมาว่าโอ้แล้วเอามือทั้งสองตบที่ขมับตัวเองพึมพําออกมาตายละผมไม่เคยนอนตื่นสายแบบนี้มาก่อนเลยคุณไม่ได้นอนตื่นสายหรอกแต่คุณไม่สบายชนิดดับเครื่องไปเลยไม่ได้สติไม่รู้สึกตัวเพิ่งจะมาสางไข้ลืมตาขึ้นมาเดี๋ยวนี้เองและเมื่อก่อนที่จะลืมตาพลุกทล่านขึ้นมาคุณก็ยังละเมอ หรือมิฉนั้นก็เพอ้อเรียกชื่อของใครคนหนึ่งอย่างชุนเฉียวเขาชื่ออะไรนะแงซายหรือยังไงเนี่ยเพนซอยเปิดต า, าอีกครั้งขณะที่จ้องหน้าหล่อนนอกจากคุณที่อยู่ใกล้ๆผมตรงนี้เขาพูดตะกุตกักงุนงงมีใครเข้ามาใกล้ๆผมก่อนที่ผมจะตื่นขึ้นมาอีกหรือเปล่ามันมาจากทิปที่ข้างๆหูผมพิสเอียงคอพินิษเขาอย่างค้นหาไม่มีใครสักคนหนึงอยู่ใกล้ๆตัวคุณก่อนที่คุณจะลืมตาขึ้นมานอกจากฉันเอ๊ะยังไงกันนี่ ก็ผมได้ยินเสียงมันอยู่หยกๆยกก่อนที่ผมจะลืมตาขึ้นมาเสียงของใครเสียงทำนองไหนเขาอึ้องพยายามปรับประสาทให้คืนที่โดยเร็วที่สุดแต่รู้สึกท่วงหนักในสมองเหลือประมาณสะบัดหน้าอยู่เร่าๆเพื่อขับไล่ความมึนงงแล้วฝืนยิ้มพลาพลาดข่างเถอะผมคงจะฝันไปหนะจริงสินะผมจับไข้เมื่อกลางตึกคืนนี้ก็เลยฝันอะไรเลอะเทอะ เ, เพื่อนไปใหญ่แล้วก็นึกไม่ถึงว่าจะนอนตื่นสาย คุณเป็นฝ่ายตื่นก่อนแล้วมาปลกุกแม่นักเคมีฟิศกษาประจำคณะผู้มีเส้นผม ง, งามประดดใ ย, ยไหมสีทองสายหน้าช้าช้าฉันไม่ได้มาปลุกคุณหรอกนะแต่ฉันเฝ้าสังเกตอาการของคุณต่างหากรู้สึกเป็นยังไงบ้างระพินอย่าเพิ่งบอกนะว่าคุณเป็นปกติดีแล้วพอฉันรู้ว่ามันไม่ใช่เช่นนั้นตะพินสูดลมหายใจเข้าปอดแรงแรงรู้สึกดวงตาแสบผ้าหูทงสองลั่นเล็ก เอาละผมเองก็ยอมรับว่าไม่ใช่มนุษย์เด็กไหลอะไรที่ไหนตอนนี้มึนเหลือเกินเครียรแล้วก็คอยแห้งผากขีวน้ําเขาเห็นหลอดเอี้ยวตัวไปด้านหลังครูทกเดียวก็หันกลับมาพร้อมกับสิ่งที่ดูเหมือนจะจรเตรียมไว้ให้ก่อนแล้วมันเป็นกระป๋องของเครื่องดื่มสําเร็จรูปทําด้วยอลูมิเนียมเจาะรูเรียบร้อยมีหลอดพลาสติ ก, กเล็กๆสอดอยู่ตรงรูที่เจาะบอกว่าดื่มเสียมันจะช่วยให้คุณดีขึ้นอย่างอาการของคนที่ยังไม่สามารถจะ จับต้นชนปลายได้ถูกแต่ก็สํานึกบอกตนเองแน่ชัดว่าไม่ควรจะขัดขืนคําสั่งอันเปรียบน้นไปด้วยเจตนาดีของหลอนตะพินลักกระป๋องนั้นฉันคล้องขึ้นคริสช่วยประคองกระป๋องบรรจุของเหลวสําเร็จรูปนั้นให้เขาจูดจากหลอดสัมผัสในความเย็นซามีรสกึ่งหวานกึ่งเปรี้ยวและกลมฤิ์นิดของมันความรู้สึกบอกได้ทันทีว่ามันคงจะเป็นเครื่องดื่มประเภทช่วยกระตุ้นประสาทชนิดหนึ่ง ความกระหายทําให้เขาดูจนเกลี้ยงฉานทั้งกระป๋องพร้อมทั้งถอนใจเสื่อมไงต้นคอลงไปพิงกับกระสอบเข้าสารตามเดิมหลับตา ล, ลงทีแล้วเสียงเบาเหมือนกระสิบแจงแววมาอีกพร้อมกับใช้มืออ่อนโยนมาปิดไว้ที่ดวงตางของเขานอนพักหลับตาอย่างนั้นก่อนอย่างน้อยก็อีกสักสี่ห้านาทีก็ยังดียังไม่ต้องห่วงกับหมดอะไรทั้งสิ้นพวกเราทุกคนตื่นกันหมดแล้วหรือเขาถามเบาๆผู้ ท, ที่ยังหลับตาอยู่อย่างอ่อนเพลียอือฮื ถืงแล้วทุกคนไม่ต้องห่วงหรอกผมแย่เอามากๆเลยเมื่อคืนนี้ฝันร้ายอะไรต่ออะไรจุ้งเยอะไปหมดเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างเรียบร้อยดีหรือคริสไม่ตอบตรงคำถามแต่กลับเป็นฝ่ายย้อนถามว่าคุณยังไม่ได้บอกฉันเลยว่าก่อนที่คุณจะลืมตามีมใครปกซิอะไรอยู่ข้างหูของคุณ่านใหญ่บบกมือปัดหน้าผ่านตัวเองขมวดคิ้วนิดหนึ่ง อย่าไปสนใจอะไรเลยผมบอกแล้วไงเราฝันไปฝันถึงใครคนหนึ่งที่ชื่อแงซายอย่างนั้นนะหรือเพื่อนเก่าของผมเองเคยลำบากยากแค้นด้วยกันมาในปา่าถ้าหูฉันฟังไม่ผิดรู้สึกว่าคุณจะหงุดหงิดฉุนเฉียวกับเขามากนะทําไมเข้ามากระซิบอะไรกับคุณไม่มีอะไรหรอกครับไอ้คนคนนั้นนะ่ะมันมักจะมีทีท่า ย, ยวนควร โ, โสดผมอยู่เสมอตลอดเวลาสมัยที่เรายังอยู่ร่วมกันทุกถ้อยคำวาจาของมันก็ล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยความเหน็บแนมเยาะหย้ยผมผมเคยเกลียดที่หน้ามันที่สุดแต่แล้วผมก็ต้องรักมันมากที่สุดเหมือนกันผมเห็นมันเกือบจะตลอดทั้งคืนทีเดียวเมื่อคือนนี้เดี๋ยวก็โผล่ามาพูดจั่วนุ่นจั่วนี้ประเดี๋ยวก็หายไปเหมือนผีป่ามาหลอกหล่ออย่างนั้นแหละผมคิดว่ามันคงจะเป็นอนุสติของผมเพราะความคิดถึงมันมากเกินไปโดยผมเองก็ไม่รู้สึกตัว แล้วเขาก็ขอคือคือออกมากับตนเองเพื่อความต่อมาถูกแล้วมันคือเจ้าแห่งอาณาจักรไทยผู้ยิ่งใหญ่ไม่ได้ด้อยไปกว่าผมแม้แต่นิดเดียวจนบางขณะผมเคยคิดว่าฟ้าให้ดพินมาเกิดแล้วทําไมถึงให้แง่ทายมาเกิดอีกความคิดนี้เกิดจากนิจฉาทิฏฐิเพราะในส่วนลึกแล้วผมก็มักจะคิดเข้าข้างตัวเองอยู่เสมอว่าในถิ่นนี้หรือในโรคนี้ไม่ควรจะมีใครยิ่งใหญ่ในเชิงพาณิหรือมกุเทศนําทางเหนือไปกว่าผม แต่ไอ้คนคนนั้นมันดูเหมือนจะเหนือกับผมเสียอีกด้วยซ้ําไปผมเคยเกลียดที่หน้ามันแล้วก็พานพาโลหาเรื่องมันอยู่เรื่อยๆเพราะฐานะของผมในขณะนั้นเป็นหัวหน้าของมันเอ๊ะคริสที่ผมรู้สึกว่าคุณจะสะกดจิตให้ผมพูดถึงแก่นลึกของหัวใจจริงออกมาอนุญาตให้ผมลืมตาแล้วลุกขึ้นได้เสียทีหรือยังผมรู้สึกดีขึ้นมากแล้วยังก่อนนอนหลับตาต่อไปสักสองนาทีเท่านั้นระหว่างนี้คุณอยากจะพูดอะไรก็พูดออกมาเถอะ คนของผมไปไหนกันหมดบุนคำจันเกิดเสยเขาก็อยู่กันครบขณะนี้แยกย้ายกันทํางานตามหน้าที่อันเป็นปกติของเวลาเช้านั่นแหละตอนบอกเสียงเรียบเหมือนไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยขยับตัวอ้อมไปนั่งทางด้านขวาของเขาด้านซึ่งเห็นการเคลื่อนไหวกลางแคมป์ได้ถนัดไม่หนาซ้ำํำยังเอาผ้ากรอสสะอาดพื้นหนึ่งจับด้วยโอดีโครโรนกลิ่นหอมอ่อนๆวางปิดไว้ที่บริเวณดวงตาของเขาเพินนอนนิ่งตามคําสั่ง แต่ปากยังพูดและพวกคุณล่ะอาจารย์กับคีธและเชิดวุศอยู่ที่ประโจมพักดูเหมือนกำลังพู้เชวติดต่อกับพอบรรทับการแบลไปดูอาการของเกรี่ยงคนนั้นเช้านี้เขาค่าอยยังชั่วขึ้นมากแล้วน้ำเกลืองคงจะไม่ต้องให้อีกแล้วตัวคุณเองล่ะหมายความว่ายังไงทำไมถึงมาอยู่ใกล้ผมเดี๋ยวนี้พวกเขาฝากให้ฉันคอยดูแลคุณไว้ความจริงเราทั้งหมดก็มาเฝ้าดูอาการของคุณตั้งแต่ห้านาฬิกาแล้ว อาจารย์เป็นกังวลมากในอาการป่วยของคุณเพิ่งจะแยกย้ายกันไปเมื่อสักไม่เกิน15นาทีมานี้เองคุณคงไม่รู้ตัวหรอกว่าคุณถูกฉีดยาลดไข้เมื่อชั่วโมงที่แล้วโดยเบลขณะที่พวกเรามาพบไข้ของคุณสูงมากจนหมดสติพวกคุณรู้ได้ยังไงว่าผมจับไข้จันกับคุณคำไปปลุกบอกพวกฉันหล่อนอำพรางความจริงไว้ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเรีบผลผันลุกขึ้นมาก่อนในขณะนี้เพราะต้องการถ่วงเวลาให้ได้พักอีกเล็กน้อยตามคำสั่งของหมอเบล อย่าไปตำหนิสองคนนั่นเลยแม้ว่าคุณจะสั่งกำชับแม่เขาไปบอกพวกเราให้พวกเราทราบก็ตามแต่สองคนนั้นทำถูกต้องแล้วเพราะคนจะเห็นอาการไข้ของคุณอยู่ในเกณฑ์หนักมากคนดูอยู่ไม่ไหวก็เลยต้องไปบอกะเสพนเป่าลมออกจากปากกลิ่นโอเดิ โ, โรลนจากผ้าคลอสที่คริสวางท่าปิดตาเขาชวยกลิ่นมาช่วยทําให้แช่มชื้นกระปีก่กระเป๋าขึ้นผสมกับเครื่องเตือมประเภทกระต้นประสาทซึ่งเริ่มจะออกเลือสั้นเลือดลมชักกระช่องเป็นปกติขึ้น ก้อควานมือทั้งสองควานไปรอบๆตัวด้วยสัญชาติญาณเพื่อจะค้ำหาอะไรพ้นประจําตัวแต่มือข้างหนึ่งที่ควานไปเปล่ปาไปนั้นวางลงไปบนหน้าตักของผู้ที่นั่งอยู่ใกล้ๆพอดีจึงรีบขดมือมาประสานวางไว้ที่ซวงอกเครื่องคอมพิวเตอร์ของพวกคุณที่ดีชื่อของผมออกมาโดยระบุให้เป็นมรดเทศนาทานในครั้งนี้อาจจะให้รายงานผิดนะผมเป็นคนมีจุดอ่อนมีโรคประจําตัวและอาจจะไม่เข้มแข็งแข็ง แ, งแรงพอที่จะทํางานให้พวกคุณลุล่วงไปได้ตลอด ไม่ผิดหรอกเครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างถูกต้องที่สุดแล้วโรคประจําตัวของคุณเราแก้ไขหรือสกัดกั้นได้ขอเพียงอย่างเดียวน่ะเปิดโอกาสให้เราได้รับรู้บ้างเท่านั้นไม่ใช่มานอนจับไข้สั่นอยู่คนเดียวและปิดเงียบซึ่งนั่นมันมีแต่ผลเสียคุณไม่น่าจะถือเป็นเรื่องปมได้อของคุณที่ต้องปิดตามพวกเราไว้เลยมนุษย์เราในโลกนี้ต่อให้เก่งกาศขนาดไหนก็ไม่มีใครสมบูรณ์แบบพร้อมไปหมดหรอกไม่ใช่เรื่องที่น่าอายสักนิดในการที่คุณรู้จักเจ็บป่วย แล้วบอกให้พวกเราทราบเพื่อช่วยเหลือเสียก่อนที่อาการมันจะกําเริบมากขึ้นซึ่งอาจจะสายไปก็ได้ตู้นข้ามคุณยิ่งปิดไว้มากเท่าไหร่พวกเรากลับเห็นเป็นจุดด้อยของคุณมากขึ้นเท่านั้นคือเป็นคนขาดไม่กล้ายอมรับความจริงโดยอยากจะแสดงให้พวกเราเห็นว่าคุณเก่งตลอดการเสียงพูดเนิบเิบช้าช้านั้นเต็มไปด้วยเหตุผลและความการรุและพินฟังนิ่งโดยไม่อาจจะโต้เสียงใดๆได้ ไ, ดไลฟ์เฟิร์นของผมอยู่ไหนอย่าห่วงมันเลยมันอยู่ใกล้ๆแถวนี้แหละ ไม่ได้สูญหายไปไหนหรอกและมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรด้วยในขณะที่คุณจับไข้หนักอย่างเมื่อคือนนี้ฉันเห็นคุณนอนสั่นกอดไลเฟินอยู่เหมือนคนตายไปแล้วกว่าเจ็สิห้าเปอร์เซ็นตถ้าเวลาจับไข้สั่นสะท้านแบบนี้แทนที่จะนอนกอดไลเฟินอันเป็นเหล็กทั้งดุน้นคุณนอนกอดหมอเบลยังมีเหตุผลว่าคุณจะมีโอกาสหายไข้ได้มากกว่านี้ในผิวปากอันแห้งผางนั้นยิบออกมาได้นิดหนึ่งแล้วคุณหมอเบลนลั่นล่ะจะยอมให้ผมนอนกอดในตอนจับไข้ มีเสียงที่ก้มลงมากระซิบที่ข้างหูก็ไม่แน่นะถ้าคุณหมอเขารู้เราอย่างน้อยเขาก็คงไม่อยากจะให้คุณตายเสียก่อนระหว่างทางหรอกแล้วคุณหมอคริสละ่ะฉันไม่ใช่หมอหรอกคิวเลอร์เสียมากกว่าพิชคาดยังไงละ่ะแล้วคุณจะ้าผมไหมนี่ไม่หรอกจนกว่างานของฉันจะสำเร็จเ้อไหนคุณว่าคุณหรือพวกของคุณจะไม่หักหลังผมยังไงละ่ะ ก็คุณอยากจะระแวงพวกฉันเสียหนักหนาทําไมละ่ะซึ่งก็ถูกแล้วคิดในทางที่ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าจะเสียใจภายหลังอย่าไว้วางใจอะไรพวกเรานักโดยเฉพอย่างยิ่งชันผมไม่วางใจคุณหรอกไม่ต้องประชดถูกต้องนั่นเป็นการดีสําหรับตัวคุณถึงแม้นมันจะไม่ดีสําหรับฝ่ายฉันก็ตามฟิ อ, อสองนาทีแล้วหรือ ย, อยังละ่ะผมอยากจะลุกขึ้นเต็มทีแล้วนะนี่ไม่ใช่เตียงในโรงพยาบาลและคุณก็ไม่ใช่น้ำพยาบาลพิเศษของผม มันเป็นเวลาแห่งภาระและหน้าที่ของผมไม่ใช่มาสับอ่อยแต่ บ, บอยนอนอยู่อย่างนี้รู้ลองหน้าว่าคุณเก่งเสมอแต่มันยังไม่ถึงเวลาที่เซนกำหนดไว้ให้คุณต้องนอนพักนิ่งนิ่งอยู่ก่อนเหลืออีกหนึ่งนาทีกับสิบสองวินาทีผมลำคาญตัวเองที่ตื่นแล้วรู้สึกสบายดีแล้วยังต้องมานอนแซวอยู่อีกในขณะที่คนอื่นกาลังวุ่นอยู่กับงาน ก็ให้เขาทางานกันไปก่อนจนกว่าคุณจะสบายกว่า น, นี้ถ้าแม้นไม่คิดว่าเป็นความปรารถนาดีก็ ค, คิดเสีย ว, ว่ามันเป็นผลประโยชน์ของฝ่ายฉันก็แล้วกันผลประโยชน์ยังไงผมเป็นลูกจ้างของพวกคุณมันถึงเวลาที่ผมจะต้องลุกขึ้นมาทํางานแล้วก็ใช่สิคุณเป็นลูกจ้างของพวกฉันแต่เราไม่ต้องการให้ลูกจ้างที่อยากอ่อนแอไม่มีสมรรถภาพเราต้องการรอให้เขาแข็งแรงดีก่อนจึงจะใช้งานได้ผลและไม่ต้องกังวลไปหรอกฉันคิดว่าวันนี้คุณมีงานหนักมากทีเดียว ปเดี๋ยวผมก็จะแกล้งนอนหลับอีกสักสองามชั่วโมงเท่านั้นยิ่งเพลียๆอยู่ด้วยอนุญาตถ้าคุณจะหลับได้จริงๆแล้วเราก็ต้องการอย่างนั้นด้วยแต่รู้เร่วงหน้าแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้คนอย่างคุณพอรู้สึกตัวตื่นขึ้นคุณก็จะพูดพลาดลุกขึ้นมาอยู่แล้วแค่ให้นอนอีกสักสองสามนาทีก็ยังต้องอ้อนวอนกันเลยอาการของแกรงสะเอินเป็นอย่างไรบ้างตลอดเมื่อคืนนี้มันนอนอยู่ในเต็นท์ของพวกคุณไม่ใช่หรือ ได้เห็นหมอเบลบอกว่าเช้าวันนี้เราจะให้อาหารเร็วๆกับมันได้แล้วห่วงตัวของคุณเองดีกว่าอย่าพูดไปห่วงคนอื่นเขาเลยพร้อมกับคำพูดนั้นปลายจมูกของเขาถูกขีบและแผนเบาๆผมเป็นห่วงคนในรับผิดชอบก่อนที่จะห่วงตัวเองเสมอนั่นเป็นลักษณะของหัวหน้าหรือผู้นำที่ดีแต่ก็ควรจะมีการะเทษะบ้างผมเป็นหนักหรือเบลบอกว่าถ้าให้ยาคุณไม่ทันวันนี้ทั้งวันคุณจะทาอะไรไม่ได้เลย นอกจากนอนสอมอยู่กับที่หรือมีฉะนั้นก็อาจจะตายไปเลยขอบคุณที่ช่วยผมยังไม่อยากตายคุณพูดตรงดีมากนะสุภาพบุรุษไทยวันเราขอร้องอะไรคุณอยากได้ไหมอะไรตั้งแต่นี้เป็นต้นไปถ้าคุณเกิดอาการไม่ดีจะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นขอให้คุณบอกพวกเราทันทีไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนแม้นจะเป็นเวลากลางคืนที่พวกเรานอนหลับกันไปแล้วอย่าคิดว่าเป็นประโยชน์ของพวกคุณแต่คิดว่าเป็นประโยชน์ของพวกเราก็แล้วกัน เพราะเราไม่ชอบให้มประเทศนำทางต้องเส็บปรียระวังนําเราเดินป่ามันเสียหายหลายอย่างเหลือเกินคุณก็พูดตรงดีมากนะมิสกรูบินตกลงรู้สึกว่าแขนข้างขวาของเขาถูกจับขึ้นมีอะไรลักษณะคล้ายๆผ้าหรือยางแถบกว้างพันรัดหลายรอบแล้วอื่ดใจต่อมาก็รู้สึกว่าส่วนที่รัดพันไว้นั้นเขมนรัดแน่นขึ้นมาที่แขนเป็นลำดับเอ๊ะนั่นคุณทำอะไรผมนะคริสมามัดแขนผมไว้ทําไมเอ่อเฉยๆน่ะ ฉันต้องการฟรังกระแสเลือดของคุณเต้นคู่เดียวสายพันธ์นั้นก็ถูกกดออกเป็นยังไงกระแสเลือดของผมมันเต้นว่ายังไงบ้างก็ประหลาดดีนะหูฉันจะขาดไปหรือเปล่าก็ไม่รู้มันตุบตุของมันทีเสียงมันข้ามรวนออกมาว่าดารินดารินและดารินทาภินภัยวันดึงกายขึ้นลุกนั่งในฉับพลันนั้นพร้อมกับสะบัดผ้าคลอสิีบตาออกดึงตาจอง คริสติน้ามีอาการเรียบเฉยปกติกำลังม้วนเครื่องวัดความดันโลหิตลงกล่องแล้วปลดไมทิยุประจำตัวออกมากดสัญญาณเรียกพยังภนะพวกพร้อมกับรายงานว่าประพินตื่นและรู้สึกตัวแล้วอาการเกือบจะอยู่ในเกณฑ์ปกติความดันโลหิตหนึ่ง้อยถึงร้อยามสิบอุณหภูมิประมาณเ8 5สิบแปดจุดห้าขอให้ทุกคนมาพบเขาได้แล้วเฮ้คริสเขารู้เรื่องหาเหี่ยวที่มันเกิดขึ้นหรือยัง ดกเตอรเซลลี่ล้องถามลั่นเครื่องวิทยุจิ๋วที่หล่อนถืออยู่ขอให้อาจารย์มาเป็นผู้เล่าให้ฟังดีกว่าค่ะอย่าลืมเรียกพานเพื่อนเมืองของเขาสีคนและหัวหน้านลูกหาบก็มาพร้อมๆกันด้วยเพราะฉันไม่ราบจะเริ่มต้นบอกเขาว่าอย่างไรดีพานใหญ่จะคงจ้องหน้าหล่อนตามให้ความรีบอยู่ฉะนั้นเขาไม่ได้สนใจฟังเลยว่าครสพูดวิทยุกับพรรคพวกว่าอย่างไรแต่เพ่งดูราที่กำลังเก็บเครื่องมือเครื่องไม้เกี่ยวกับวิชพันวุ่นอยู่โดยไม่เหลือบตาสบมองเขาเลย ทุกซีน่าเขาอุทานเรียกชื่อเต็มของหล่อนเมื่อกี้นี้คุณพูดว่ายัางไงนะหลอนยักหลายนิดหนึ่งก็คุณได้ยินอยู่แล้วนี่ว่าฉันพูดประชื่กับพวกของฉันว่ายังไงผมไม่ได้ยินหลอกว่าคุณพูดประชื่กับพวกของคุณว่ายังไงแต่ผมดูเหมือนจะได้ยินที่คุณพูดกับผมก่อนจะส่งชุเรียกไปอย่างพวกนั้นทุกซีน่าจบตาทำหน้าฉ ง, งนใสได้อย่างสนิทที่สุดเอ๊ะฉันพูดอะไรยังไม่ได้พูดอะไรสักคํานึงกาลังตรวจวัด ด p ของคุณอยู่ก็บอกแค่คุณเงียบเงียบเฉยเฉยเท่านั้นหรือคุณได้ยินว่าฉันพูดอะไรมากกว่านั้นแะ่ผิดอึง้งคอแข็งพยายามจะอ่านสายตาแต่คริสเมินหลบไปเสียเห็นแต่แววยิ้มยิมที่มุมปากบางรูปสวยนั้นเท่านั้นระหว่างที่ทานใหญ่ยังนั่งชื่อบลืออยู่คณะอเมริกันทั้งหมดและเชิกุดรวมทั้งทานพืมืงองเขาทั้งสีก็พาแฟนคลัเข้ามาเป็นกลุ่มใหญ่ ลงเข้ามารายล้อมคนป่วยที่เพิ่งจะฟื้นไข้และเพิ่งจะลุกขึ้นมานั่งได้โดยยังไม่รู้อิโนอินเนอะไรทั้งสิ้นคนเหล่านั้นร้องเรียกนามเขาแทดเป็นเสียงเดียวโดยเฉพาะเซรีและมอเบลเข้ามาจับตัวเขาไว้ส่วนลูกน้องทั้งสี่ของเขารวมทั้งนายตาบหัวหน้าลูกหาบที่ติดตามเข้ามาด้วยพากันยืนนิ่งกันอยู่ทางหนึ่งเป็นยังไงบ้างลพินรู้สึกสบายดีแล้วหรือยัง เมื่อ น, นัคณะค้นหาระเบิดนิวเคลีย์ลองถามอย่างกระตือรืร้ น, นจอผ่านมองนทุกคนที่เข้ามารมรอมเขาอยู่ในขณะนี้ด้วยกงงันงงงท่านติยานวางหยางกระตุ้นเตือนให้เกิดสัมผัสที่หกในทันทีว่ามันน่าจะเกิดเพื่ออันไม่ปกติขึ้นกับคณะทั้งหมดเีแล้วผมเป็นปกติดีแล้ะครับดเรเขาตอบดับด่งน้ำเสียงมองหน้าเชดวุฒเห็นดูรอยยุ่งยากใจที่ยังไม่สามารถอ่านออกท่านจ้องไปทางทันเอกคริส ก็เห็นเอามือทช้ยี่ฉัหมุกอันแดงกล่ำุมทำอะไรอุบอิบอยู่ในลาคออิสราเอลกำลังหันไปซุบซิบถามอะไรอยู่กับเริสเดี่ยวกับอาการของเขาโดยมืออีกข้างหนึ่งของหล่อนเอื้อมักฟ้าข้อมือของเขาไว้กดจับทิ่ปจัจจอโดยเทียบดูกับนาฬิกาข้อมือผมไม่คิดว่าการเจ็บป่วยของผมเมื่อคืนนี้จะทําให้เกิดความนุ่งยากเดินเส้นมากมายอะไรให้แกพวกท่านทั้งหลายเหมือนอย่างที่ผมรู้สึกในขณะนี้เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับระหว่างที่ผมสลบสลายไปด้วยพิษไข้ ประโยกหลังเข้าประกาศขึ้นดังๆกับทุกคนพีทเธอยังไม่ได้บอกอะไรแกเขาเลยหรือเซรี่หันไปถามลูกน้องผู้ถนัดในทางเคมีที่สีของเขาแม่ผมท้องสันสัสนิดหนึ่งเขาเพิ่งจะได้สิรู้สึกตัวแน่ชัดเอาเดี๋ยวนี้เองค่ะอาจารย์แต่ก็ยังติดโรยอยู่มากทเดียวจึงยังไม่อยากจะบอกอะไรทั้งสิ้นรอให้พวกเรามาพร้อมๆกันก่อนดีกว่าพันคณะคลางหือในลำคอและเอามือขยี้ปลายคางขณะที่มองหน้ามกุฎเทพนำทางเหมือนจะสำรวจตัอาการ เสียงเบลหันไปร้องสังคิีดกับเชิดบุษให้จัดการฐาน ม, มสดกระป๋องจากเรเชนเพื่อให้มาเป็นเครื่องรองท้องของละพินก่อนระหว่างที่ทั้งสองสารวนอยู่กับเสียงเรเชนเพื่อจัดการตามคําสั่งของมอเบลละพินได้ยินอยาน่างขนาดจึงร้องบอกมาว่าโปรดอย่า ก, กังวลในเรื่องนั้นเลยครับถ้าจะ ก, กรุณาแล้วก็ขอบาลันดีผมสัอกสองอึกแล้วกรุณาบอกความจริงที่ผมทราบได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเคลดส่งกระติกบาลันดีให้เขาทันที พอจะเปิด้าออกตื่มระพินฐันไปมองอย่างคนของเขายิ่งชง ม, มนปราดใจเหลือที่จะกล่าวบุญคำจันเกิดนักเสยยืนหน้าเสียวครับกันไปหมดเหมือนป้าใบ้ได้แต่กระพริบตาเปิดๆมองหน้าเขาอยู่เช่นนั้นจอมทานมองละผ่านใบหน้าทีละคนแล้วมาหยุดนิ่งอยู่ที่บุญคำคนเดียวใช้สายตาถามในขณะที่กรอกบลันดีเขา้าปากตาพรานท้าสมบมืขอของเขาไม่เอืยอะไรได้แต่ทาปากมบแลวกรอกหน้า ลพินเดืด่มบรัชดีเข้าไปอีกใหญ่จนเลือดร้อนชาและเขาก็ลุกขึ้นยืนในทันทีนั้นแต่ส่วนเซเล็กน้อยเชิดวดตกะโดดเข้าไปประคองไว้นั่งลงก่อนคุณละพินโปรดเถอะผมขอร้องนั่งลงอีกครั้งหนึ่งอย่าเพิ่งเคลื่อนไหวไปไหนเลยรอให้เลือดลมประสานของคนดีกว่านี้อีกสักนิดแล้วเราจะเล่าอะไรคุณฟังยิ้ดเข้ามาประคองขนาบข้างอีกด้านหนึ่งกดไหล่ของเขาพร้อมกับบอกห้องห้าวว่าถึงแกพระเจ้านั่งลงก่อนเพื่อนยาก คือภาพโรดไยหย่อนไกลนมกระแทกตามเดิมเบ ล, ลส่งนมกระป๋องมาให้บอกเฉียบขาดว่าถ้าคุณยังไม่ยอมดื่มนมกระป๋องนี้และไม่ยอมให้ฉันฉีดยาคุณอีกหนึ่งเข็มเราจะบังคับทุกคุณนั่งเฉยๆอยู่ตรงนี้และจะไม่เล่าอะไรฟังเลยนรกนี่มันเกิดอะไรขึ้นหวา่าเขาคำรามออกมาเป็นสาวไทยแต่แล้วก็ต้องยอมปฏิบัติตามคำสั่งนั้นโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ยกนมขึ้นดื่มทั้งกระป๋องยื่นแขนให้หมอเบลซึ่งมีเข็มฉีดยาเตรียมพร้อมจีก่อนแล้ว บรันดีทำให้หัวใจเริ่มสูบฉีดแรงนมช่วยให้กระเพาะที่ว่างเปล่าลงเหลงเริ่มมีสิ่งเคลือบบรรเทาความอ่อนระหวยแม้แว่ามันจะเกิดภูมิแทบจะทำให้อาเจียนออกมายาฉีดของหมอเบลที่เดินเข้าเส้นเลือดอย่างน้มัดระวังทั้งแรกมันมวูบวาบร้อนซ่าตั้งแต่เส้นผมจนปลายเท้าและต่อมาอีกคือใจเดียวพละกำลังก็ดูเหมือนจะกลับคืนมาตาเริ่มสว่างใสประสาาตืต่นช้อมแล้วง่วงเหงาสลายไปในทันที ลมหายใจคล่องสะดวกขึ้นแล้วทุกคนของฝ่ายในเจ้งจับสังเกตดูอาการของเขาอยู่ที่คณ น, นพอหมอเบลหันมาพยักหน้าให้ด็เอร์สเตอรลี่เหมือนจะเป็นสัญญาณอเมริการผู้อาวโุโสที่สุดในคณะก็เอื้อมือมาตบไหล่เขาหนักๆระพินเรามีข่าวร้ายมากนะแต่คุณต้องสัญญาก่อนว่าระหว่างที่ผมเล่าอะไรคุณฟังคุณอย่าเพิ่งลุกขึ้นก่อนไปดังขาจนความผมจะเล่าให้ฟังจบสิ้นหมดทุกอย่างเดียวก่อน ตกลงครับ Doctor, ด็อกเตอร์ขณะนี้ผมใจร้อนแทบจะเป็นบ้าอยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นหรอครับระหว่างที่ผมนอนจับไข้ไม่รู้สึกตั ว, วอยู่เขากราขึ้นน้าเสียงที่ราบเรียบเป็นปกติม่านตาเบิกสว่างโพรงยืดจุดที่ก้าขึ้นมาตัวหนึ่งยื่นส่งให้ทําตัวให้สบายๆเพื่อนยากอย่าเพิ่งตื่นเต้อะไรนักทุกคนกําลังรอการตื่นของคุณเพื่อแก้ไขคลี่คลายเหตุการณ์เมื่อคืนนี้พวกเราแทบจะเป็นบ้ากันไปหมดทั้งคณะทุกคนทีเดียว เ่อขาดคุณเสียคนเดียวเท่านั้นเรื่องร้ายแรงมันถือว่าการเกิดขึ้นในขณะที่คุณนอนสลบกใจอยู่นั่นแหละเล้วอดีตคู่ปับที่เคยฟาดปากเขาเข้ามาแล้วแต่บัด น, นี้กลายเป็นมิสที่ดีที่สุดคนหนึ่งของเขาก็หันไปทำโรสเจร์เจอรี่ทยักหน้า บ, บอกว่าบ๊อบแกล่าให้เขาฟังได้แล้วว่าไปเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ละเอียดในทุกสิ่งทุกอย่างนับตั้งแต่แกเป่นขึ้นมาพบเหตุเหตุการณ์ทีเดียว ด e, รเซลลี่ลดตัวลงจากท่าที่นั่งคุกเข่าอยู่มาเป็นนั่งขัดสมารตรงหน้าของจอมพนแล้วพยักหน้าเรียกคุณคาเกิดจันทเสยและนายสาวดวหน้าลูกหาบล้องมวงเข้ามาแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาก็ถูกลาดับภาพออกมาและพิมพ์ฟังตามลําดับขั้นตอนโดยไม่ตกหลน่นตลอดเวลาพลันไทยนั่งเบิกตาฟังโดยไม่กระพิบแล้วยังไม่เอ่ยปากถามคําใดทั้งสิ้นจีกระช่าสเซลลี่ e ได้เล่าจบลงโดยไม่ตกหล่นแม้แต่รายละเอียดปิดย่อยทั้งหมด ทุกคนภายในแคมป์ของเรายกเว้นจากคุณผู้นอนไม่ได้สติอยู่กับเกรเลียงเจอิญผู้บาดเจ็บทนั้นที่ไม่รู้เห็นอะไรของเหตุการณ์ตามที่เล่าไมา้ฟวามทั้งหมดนี้นอกนั้นพวกเราทุกคนเผชิญหน้ากับเหตุการณ์พร้อมกันทั้งหมดพระคณะกล่าวสรุปในตอนท้ายระหว่างที่เขายัางนั่งนิ่งเงียบเกิดอยู่ทาพินไพร์วันอัดควันทุก้าลึกแล้วมองไปที่บุญคําที่มือของเขาน่าเผือดค้ําหลบตาก็น่าลงอุกอิบบอกมาว่านายนายยดาบุญคานะ บุญคำเตือนนายแล้วพยายามหาทางกันอย่างดีที่สุดแล้วแต่มันก็เกินความสามารถของบุญคำที่จะคุ้คมครองป้องกันไม่ได้สภาพรถอดภัยป้ายแขนเสื้อเช็ดปลายจมูกซึ่งบัดนี้เหงื่อไม่ติดแน ก, ก, กเริ่มขุดซึมเขาไม่กล่าวอะไรกับบุญคำทั้งสิ้นหันไปหยิบไรเฟ่ลพร้อมกับลุกขึ้นยืนช้าๆบอกกับคณะนายจ้างเสียงต่ําลึกว่าขอให้ผมไปดูศพลูกหักสองคนนั่นก่อนเถอะครับหล่าวจบก็ออกเดินตัดกลางบริเวณแคมป์ไปในทันทีนั้น ตรงไปยังศพทั้งสองซึ่งยังวางเรียงรายกันอยู่หลังแคมป์ของกลุ่มนายจ้างซึ่งบัดนี้มีลูกหับเกือบทั้งหมดนั่งเฝ้ารายล้อมอยู่ทุกคนเดินตามมาทั้งขบวนพอถึงก็ก้มลงตรวจพิจารณาศพอย่างถีดข่วกลัดลิบิปกนิ่งจีนหน่าเย็นกระด้างจนไม่มีใครสามารถอ่านความรู้สึกภายในได้ถูกแล้วตาเตรียมกล้าวคู่นั้นหลีลงทุกคนเงียบเริดระหว่างที่พานใหญ่ตรวจสอบคนของเขาแล้วเคลื่อนไปพิจารณารอยตีนประหลาดที่ยังปรากฏอยู่ อันนื่อจับพื้นดินแหกขนาดนั้นรังแสงของตะวัน ล, ลุ่งเริ่มจะสาดลงมายังบริเวณป่าไผ่อันเปพิพักเป็นจุดเรืองรองอยู่ทั่วไปทําให้เห็นทุกสิ่ยางได้กระจ่างชัดขึ้นใครเป็นคนตามไปพบศพเขาถามเบาๆทําลายความเงียบขึ้นจันเป็นคนตอบว่าที่คำกับผมมีในห้างบ๊อในห้างคิดและนายทหารเชือดฟุตตามไปด้วยพาดูบริเวณที่มันลากศพไปทิ้งไว้ก่อนซีเขาสั่งจันนําหน้าเร็วไปก่อนทันทีโดยทิศทางที่จํา ได้เป็นอย่างดีแล้วนพินหันมากรชากไหลบุญคำให้เดินเคียงคู่ไปด้วยส่วนเบื้องหลังคณะในเจ้าทั้งหมดรวมทั้งคริสแลดเบลเดินตามไปด้วยพร้อมทั้งนายตาบ่วนเกิดและเซยคฟลูมพวกลูกหาบดอื่นให้รอคอยอยู่ที่แคมป์พอมาถึงตำแหน่งที่ค้นพบศพซึ่งถูกลากมาทิ้งไว้จากหลักฐานที่มีรอยลากมาเป็นทางเจนก็จี้ให้ดู ระพินพิจารณาสภาพป่ารอบด้านของบริเวณนั้นตรวจหารอยตามพื้นด้านหลังโพงไม้ออกไปแต่ก็ไม่พบอะไรจึงวกมาหยุดยืนอยู่ตรงที่ตำแหน่งพบศพอีกครั้งยังไม่มีใครในกลุ่มนายจ้างกล้าปิปากถามคําใดแก่เขานอกจากสุชิตพูดกันเองใครคนหนึ่งเข้ามายืนเบียดชิดอยู่ข้างกายเขาตายหางตาดูก็เห็นว่าเป็นตาเท่าบนคำมันลนายไม่ผิดไปหรอกคุณคำเตือนนายแล้วแต่นายก็หมดใจเย็นอยู่ ในที่สุดมันก็ดอยเข้ามาเล่นงานเราจริงๆแกกระิบเป็นภาษากะเหรี่ยงเฟรชเคลื่อนตัวอย่างเบากรึดเข้ามาประกอบชิดหลังทั้งสองคนโดยที่ทั้งระพินและบุญคํายังไม่ทันสังเกตเห็นบุญคํายอมรับมาเสียตามตรงดีกว่าว่าตัวเองหลับในระหว่งที่ฉันจับไข้ไม่สบายอยู่บุญคํานอนเฝ้านายอยู่บอกกับตัวเองตลอดเวลาว่าหลับไม่ได้ แต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันพ่อยหลับไปตอนไหนคล้ายๆถูกสปกดอย่างนั้นแหละมาสะดุ้งตื่นก็ตอนที่พวกนายพลหลังเขายิงกันเปรี้ยงปร้างสนั่นปางพักมันแหละแกะอุบอิบแทบจะไม่ได้ยินเสียงเจ้าวงกับเจ้าม้วนซึ่งนั่งยามอยู่หนังกระจมในแจ้งก็ต้องนั่งหลับด้วยไม่อย่างไงคงไม่ถูกมันย่องเข้ามาคึ้นุ่มกั้นคอขี่มาทิ้งไว้ที่นี่โดยที่ไม่ทันต่อสู้หรือเอะเอะส่งเสียงขึ้น เป็นการย่อนเข้ามาเก็บยามของเราก่อนอย่างเงียบกัอบที่สุดก่อนที่จะย้อนกลับไปที่กะจจจะโฉบพักของพวกนั้นอีกครั้งและเป็นพูดแผ่วเบาลูกการมันก็เป็นอย่างนั้นละนายนั่นแหละลักษณะของมันเหมือนไอ้ผีดิบมันใจไม่มีผิดร้ายยิ่งไปกว่านั้นไอ้มันใจนั่นไม่เคยฆ่าพวกเราเลยนะในครั้งนั้นแต่ไอ้ผีตายซาก พ, พันปีตัวนี้เล่นงานพวกเราพร้อมกันทีเดียวสองศพด้วยมือของมันเองแล้วมันก็จะต้องมีอะไรเกี่ยวโยงกับโขลงช้าง ของไอ้งาดําแน่ๆเพราะรอยตีนตอนที่มันหนีไปนั้นคุณคําก็จังตามไปพบว่ามันเดินหายเข้าไปกลางโขงช้างที่เข้ามารายร้อมเงียบๆอยู่คุณคําบอกพวกนั้นหรือเปล่าว่าเราไปพบอะไรเข้าก่อนแล้วเมื่อบ่ายวานนี้ยังยังไม่ได้บอกใครเลยทั้งนั้นแม้แต่อาจารย์ไอ้เกิดหรือไอ้เสยคุณคํายังไม่แน่ใจว่านายมีเจตนาจะบอกพวกนั้นยังไงเลยไม่กล้าพูดอะไรก่อนเราให้นายตื่นขึ้นมาแล้วตัดสินใจเอาเองดีกว่า ละพินกัดลิ้นพิปากแน่นตาจับอยู่ที่โพรงไม้อันมีรอยหักรูปเนื่องจากสองศบสุกลากมาทิ้งไว้ขณะนั้นเองก็มีเสียงเบาต่ําของคริสแทกมาจากเบื้องหลังสัญญา ก, กันไว้หลายครั้งแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าหากจะมีการศึกษาหาหรืออะไรกันก็ควรจะใช้ภาษาที่ฝ่ายชั้นฟังเข้าใจด้วยทําไมต้องสุบซิบกันเป็นภาษากระอย่างบนคําเงียบ <c oughs> ละพินเองก็ไม่สนใจกับคําพูดของแหม่มผมทองชูมือขึ้นสูงแล้วดีดแรงแรงเป็นสัญญาณ พักพวกทุกคนที่ร่วมทางมาดูสถานที่อันกระจกจายกันอยู่อย่างตำแหน่งต่างๆนั้นพากันหันพับมาที่เขาเป็นตาเดียวชานใหญ่บบกมือเป็นความหมายให้เดินกลับความอึดอัดใจของฝ่ายนายจ้างก็คือการไม่ยอมพูดอะไรเลยของเขานี่แหละในเที่ยวเดินกลับดรอเตอรี่จึงเข้าประกบตัวเคียงคู่มือด้วยคุณคิดยังไงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดรวมทั้งหลักฐานที่เห็นอยู่นี่มาเดี๋ยวครับขณะนี้ผมยังคาดคณีอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง มันเป็นความลี้ลับขอให้ผมกลับไปตรวจดูบริเวณแวดล้อมอื่นๆให้ละเอียดกว่านี้อีกหน่อยระหว่างที่เกิดเหตุขึ้นสุดๆร้อนๆผมก็ไม่ได้ตื่นขึ้นมาเห็นการเหตุการณ์ด้วยตนเองได้รับฟังแต่เฉพาะคำบอกเล่าและพยานหลักฐานเท่าที่พอจะเหลือทิ้งไว้เท่านั้นและผมเองก็ยังไม่ได้สอบถามพวกท่านเลยในสินที่ต่างฝ่ายต่างเล่าในแต่ละมุมที่ต่างพบเห็นเชิญมาลักษณะเดินของเขาในขณะนี้ก็คือรพินไพล์วันนั่นแหละคือก้าวยาวๆตัวเปรีวเหมือนเดิม ชนิดไม่น่าเชื่อเลยว่าเพิ่งจะฟื้นจากไข้และไม่หยุดรอใครทั้งสิ้นบายหน้าจ้ำเพื่อขวดกลับมาถึงบริเวณหลังกระจกพักของฝ่ายในเจ้าอีกครั้งทุกคนวิ่งบ้างเดินวะบ้างไล้หลังเข้ามาอย่างกระชั้นชิดพรอมไม้ใหญ่ลิมกองไฟที่เขาและคริสยืนสนทนากันอยู่เมื่อหัวค่ําของคืนที่ผ่านมานั่นเองคือตำแหน่งที่ลูกหับเกาะรายสองคนที่นั่งเฝ้ายานอยู่เโดยคาสั่งของบุญคํา พลันใหญ่บอกมือไล่พวกลุงหาบและผ่านเพื่นเมืองที่ยิงเกะบางทิศทางอยู่ให้กระจายออกไปเพ่วว่าเขาจะได้ตรวจทิศทางได้อย่างละเอียดคนเหล่านั้นเข้าใจในอาการดีต่างหลบไปยืนอรวมกลุ่มมาอยู่สองฝักโดยไม่มีใครยืนบังและพ่านใหญ่ก็กวากมือเรียกคนนักขนะกับบุญคำให้เข้ามายีนอยู่ใกล้ๆตรงนี้ใช่ไหมบุญคำที่เห็นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะพลอยหลับไปเห็นม้วนกับวงนั่งยามอยู่เขาถามขึ้นเป็นภาษาไทยเพื่อให้ทุกคนของฝ่ายในเจ้าเข้าใจ ตาเท่าพยักหน้าอาการาแก่ซึมเศร้าเงื่องหน้อยผิดไปกว่าสักวันบทดแววตลกขนองอันเป็นผุ้นิสัยตามปกติใช่านายคุญคำเห็นสองคนนั่นนั่งเอากระสอบป่านคุมตัวอยู่ตรงขอนมานี่แหละก็หันมาทำโรเอร์สเตอรลี่คนข้อร้ายนั่งหันหลังให้ลาวป่าหันหน้าเข้าหากระเชิงของพวกคุณและคงจะนั่งหลับไฟที่ก่อไว้ด้านหลังพงพอดหมดไอ้ผีนั่นโผล่ออกมาจากป่าด้านหลังย่องกลับเข้ามาโดยที่ทั้งสองคนไม่ทันรู้สึกตัว มือซ้ายขยุ่งการคอของคนนั่งทางด้านซ้ายมือขวาขยุ่งคนที่นั่งทางด้านขวาบีบเข้นจนกระดูกคอหัมในทันทีเหมือนเราบีบคอลูกไก่แล้วเดินถอยหลังลากเอาศพทั้งสองไปทิ้งไว้อย่างผงรกที่เราไปดูกันเมื่อกี้นี้หั <c oughs> วหน้าคณะพงศ์ศิษะลงนิดหนึ่งพวกผมก็เข้าใจกันอย่างนั้นแหละจากพยานหลักฐานสิ่งแวดล้อมที่เราพบเห็น ลักษณะของมันถ้าจะพูดกันในแง่ของการดูโจมทางจวสายก็คือเก็บยามเสียก่อนแล้วหวนกลับเข้ามาอีกครั้งภายหลังเอาเอาศพยามไปแอบไว้แล้วที่น่าประหลาดใจที่สุดก็คือมันเป็นใครหมายประสงค์ร้ายเช่นไรกับเราเพื่ออะไรเอาเลี่ยวแรงอย่างมหาศาลจิตธรรมชาติสามัญของมนุษย์ปุุชนธรรมดามาจากไหนซึงขณะที่สามารถขยุ่มลำคอจากด้านหลังของคนของเรา คิดเดียวพร้อมๆกันสองมือแล้วเข็นจนกระดูกคอหักได้ในพิษตาพร้อมทั้งลากไปพร้อมๆกันจากมือของแต่ละข้างที่ยังหิ้วคออยู่ตะพินกระดูกปลาลิ้นออกมาจากลิปตากเนกะวัดทิศทางจากควอนไม้ตำแหน่งนั้นไปยังกระโจมด้านหัวนอนของฝ่ายนายจ้างมันจะเป็นใครหรืออะไรและหมายประสงค์ร้ายกับเราเพื่ออะไรในสิ่งที่ผมยังตอบไม่ได้แต่แน่ใจว่ามันไม่ใช่มนุษย์สุ่ยธรรมดาแน่นอนจากกําลังอันมากมายผิดปกติไป ที่เราได้เห็นโดยพยาหนหลักฐานเหล่านี้ในขณะนี้เราตั้งสมมติฐานไว้ก่อนว่ามันคือมอนสเตอร์หรืออะมนุษย์มิฉะนั้นก็สัตว์ประหลาดที่เรายัางค้นพบความจริง อ, ออกมาไม่ได้ในเวลานี้เต็มไปด้วยเล่กลเทพบายประสงค์ร้ายและมีอำนาจลึกลับพิเศษอยู่ในตัวมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวพันอยู่กับโคลงช้างร้ายที่ไองาดาเป็นจ่าของอยู่ด้วย ปรเดี๋ยวพวกเราทั้งหมดจะเดินตามตัวรอยของมันที่บุญคําปักจันอ้างว่าได้เดินหายเข้าไปกลางของช้างที่แอบเข้ามาร้อมเงียบอยู่คนที่เห็นมันชัดกับตามีอยู่เพียงสามคนใช่ไหมครับคนแรกคือเบวซึ่งเห็นจากเงาที่มันปรากฏภาพแสงไฟในกองมาปรากฏที่ม่านกั้นกระโจมด้านหัวนอนและและเลิกผ้ากระโจมออกมาดูคนต่อไปก็คือคุณเองจากการเคลื่อนไหวผิดปกติของหมอเบลและตามออกมา รวบขามหมอเบลไว้ก่อนที่จะเดินเข้าไปถึงตัวมันและคนที่สามก็คือคริสซึ่งเป็นคนยิงมันใช่คริสกับเชอร์รดนั้นออกมาที่หลังแล้วเป็นตอนที่มันเดินหนีเกือบจะรักหายเข้าไปในป่าทึบสองคนนั่นเห็นเพียงแวบเดียวแต่ผมเบลและคริสเห็นอย่างสนัตชัดเจนที่สุดสูงใหญ่มากลักษณะเหมือนสบอาบยาของมรุษยรานใช่ไหมครับใช่ส่วนสูงของมันผมว่ากว่าเจ็ดฟิตสูงมากเสเดียวหนังพุมกระดูก แต่ทุกส่วนสัตว์ของร่างกายบริบูรณ์เรียบร้อยดีไม่มีส่วนใจชำรุคุณดูที่รอยจิ่งของมันนั่นก็พูดจะกนี้ได้ว่ารูปร่างมันควรจะขนาดไหนทั้งสามท่านสามารถจะจําหน้าของมันได้ไหมครับ ถ, รนนา ถ, า i, ถ้าเห็นอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เขาถามท่านด็เตรเซอรี่เบล์รัสคิสถ้าเห็นอีกทีแล้วก็จำได้แน่นอนมันเหมือนคนธรรมดาทั่วๆไปเสียเมื่อไรละ่ะมัมมี่ชัดๆเลยทั้งสามตอบเป็นเสียงเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งดวงตาของมันเรลลบอก กลั้นเกินอะไรชนิดหนึ่งลงลำคออย่างยากเย็นเมื่อหวนึกไปถึงภาพที่ห่อนพบเจอเป็นดวงตาที่มีอํานาจประหลาดที่สุดเหมืนตาของพ่อมดเขาเลิกผ้ากระจมขึ้นมาฉันก็มองไปเห็นดวงตาของมันพอดีต่อจากนั้นฉันก็ลืมตัวไปชั่วขณะด้วยอํานาจที่กดจินอาจารย์มาได้ฟังภายหลังว่าฉันเดินเข้าไปหามันแต่เขาแท็กฉันลมลงเสียก่อนมันยืนอยู่ตรงนี้ดรเตรรี่บอกความกลับกล้าไปหยุดยืนอยู่ทางด้านขวาของขอนไม้ริมกองไฟ ทำนักษณะให้ดูโดยหันหน้าไปทางด้านหัวหนอยของกระโจมพักมือทั้งสองข้างของมันยกขึ้นบอกเรียกเดียวโดยการยกจากข้างล่างขึ้นข้างบนปอนเหมือนคนวิทย์น้ำช้าๆระหว่างนั้นเบวเดินเหมือนคนไร้สติปราชาการควบคุมตัวเองทรงเข้าไปหามันขนาดผมสปอนเรียกจนสุดเสียงแบวก็ยังไม่ได้ยินผมตัดสินใจพุ่งเข้ารวบขาเบวไว้เป็นเวลาเดียวกับที่คริส ซึ่งโผล่ออกมาติเต็ดก็ยิงขึ้นเมื่อ น, นั้นแหละมันจิ้มหันหลังกลับก้าวอย่างเร็วหนีไปในทันทีก่อนที่มันจะรับตายหายไปครึ่กินตามหลังมันไปอีกนัดหนึ่งเ่อนบุญคำกับจันทร์วิ่งมาถึงพวกเราในเวลาประมาณไม่เกินสิบวินาทีให้หลังและบุญคำกับจันท์ก็ออกสาวเท้ารอยตามมันไปในทันทีในขณะที่พวกเราทั้งหมดยังอยู่ในแคมป์ต่อมาอีกจุดใจใหญ่ที่พวกเรารอกันอยู่ทางนี้ก็ได้ยินเสียงไลเฟิล เสียงช้างร้องดั่นไปหมดทั้งป่าอย่างที่เล่าให้ฟังเรานึกว่าเมื่อคืนนี้เราคงแหลกกันทั้งหมดถ้าพวกช้างบุกเข้ามาก็ได้แต่กระจายกันออกจยูที่มั่นกันเป็นตามีตามเกิดและช่วยกันหิ้ขึ้นฟ้าพวกมันทําเสียงโหร้องคำรามอยู่ผักกิ่งไม้ปั่นป่วนไปหมดคื้นเทือนยังกระเกิดแผ่นดินไหวพอมาเสียงของพวกมันนับร้อยเหล่านั้นก็ห่างไกลออกไปแล้วคนคํากับกันก็วิ่งกลับเข้ามาโดยบอกว่าได้ตามรอยจริงของไอ้มอนสเตอร์ตัวนั้น เข้ไปจนกระทั่งแทบจะชนเอากับขาช้างที่ยินเข้าแถวรายร้อมขวางหน้าอยู่ก่อนแล้วปัตดนิรพินไทรวันพอจะระดับภาพติดต่อกันได้หมดแล้วสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เขานอนจับไข้ไม่รู้สึกตัวอยู่เบลล์ตืนขึ้นเนื่องจากนอนไม่หลับและต้องการจะหายากินจึงมองเห็นภาพเงาที่ปรากฏภาพอยู่บนผนัง ก, ก, กระจกโผลหน้าออกไปดูก็เลยถูสกสะกดดอตอร์เซรี่ตื่นทันเหตุการณ์เพราะผ้าหมที่อาศัยหม่มร่วมกันทั้งห้าคนนั้น ถูกลากดึงผิดปกติเนื่องจากเบลล์ลุกขึ้นบดด้อยกระจกออกไปคริตื่นขึ้นมาเพราะการไหวตัวของดรเตอร์เซรีพูดนอนอยู่ข้างข้างพร้อมทั้งได้ยินเสียสะกดเอะอะของหัวหน้าคณะด้านหล่อนเป็นคนยิงปืนขึ้นเชิดวุฒกับคริสนอนที้สาวด้วยกันทั้งคู่ตกใจตื่นด้วยเสียงปืนที่คริสยิงและเพื่อาดออกมาล้าหลังสุดมองเห็นเหตุการณ์น้อยที่สุดบุญคากับจันลั่นเข้าไปจนเหตุการณ์ภายหลังเสียงปืนลั่นแล้วและชวนกันสาวเท้ารอย มอนเตอร์ Monster, ตามไปจนกระทั่งปัญจน้ากับโครงช้าที่ล้อมเงียบอยู่เหตุการณ์ใดทั้งหมดมันถือโอกัดเข้าราน ง, งานคณะในขณะที่เขาดับเครื่องไปเสียคนเดียวเท่านั้นและกว่าจะตื่นขึ้นมารับรู้เหตุการณ์มันก็สายเกินไปเสียแล้วด้วยการขังเวยวิตลูกหาไปสองศพะเป็นไพรวันยืนนิ่งหนักอึ้องไปหมดทั้งสมองบัดนี้ทุกสายตาไม่ว่าจะเป็นของฝ่ายในเจ้าทั้งหมดทนคู่ใจของเขาพวกลูกหาทั้งหมดรวมทั้งกเรียนอีกสองคน พุ่งจักมาที่เขาเป็นเป้าเดียวกันหมดเหมือนจะถามว่านี่มันคืออะไรและเขาจะดำเนินการอย่างไรต่อไปในฐานะหลักประกันที่จะต้องรับผิดชอบต่อทุกชีวิตของคนเหล่านี้แต่ไม่ได้ความกัางขาประวัติข่านพึง่งและยึดเขาเป็นที่พึ่งอยู่แต่เทียงคู่เดียวระหว่างที่เขายังยืนมองดูรอยเท้าที่ตาขุดอยู่บนพื้นยินเปียกแฉะนั้นเจลลี่กล่าวสำต่ำว่าพวกเรายังไม่ได้ตามไปดูรอยเท้าและทิศทางเดินหายเข้าไปในโขงช้าของมันเลยก็ร้อยคนตื่ขึ้นมาเสร็จก่อนนี่แหละ ดีครับนั่นเป็นวิธีการที่ถูกต้องที่สุดตอนที่พวกคุณจะขยับเคลื่อนไปไหนควรจให้ผมได้รู้เห็นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติช่นนี้ขึ้นประเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันพร้อมๆให้รู้แจ้งเห็นจริงพร้อมๆกันพอเหลือบตาไปยังคริสเทน่าทริคุณยิงนัดแรกขณะที่มันยังยืนอยู่ในตำแหน่งที่ด็อเตอรเซรี่ยืนให้ดูเป็นตัวอย่างนี่ใช่ไหมแม่ผมพอพยหน้าโดยเร็วมินําซ้ัมยังล่วงปืนจากซองอกเสือ้อเปิดมอสออก เ็บลอกกระสุนที่ยิงไปแล้วสามปลอกยื่นส่งมาให้เขานี่ยังไงล่ะรอกกระสุนยังช้างอยู่ในช่องโม่นี่ฉันยังไม่ได้บรรจุใหม่เลยกระสุนที่ยิงเป็นแบบหัวรวยฝาชีสำหรับเจาะโลหะชานใหญ่รับปลอกทั้งสามมาดดในมืออย่างไม่สนใจอะไรนะักแต่คำนวณระยะจากตำแหน่งที่คริสพอออกมายิงมันห่างจากบริเวณที่ด็อตเตอร์สเียยังยืนอยู่เป็นตัวอย่างแค่ไม่เกินหกเมตรเท่านั้น ซึงเขาเชื่อแน่แนว่าระยะขนาดนี้มืออย่างคริสจะไม่มีวันยิงพลาดเป็นอันขาดแม้จะตกใจตื่นเต้นขนาดไหนก็ตามแต่ก็แกล้งย้อนถามมาว่าคุณแน่ใจหรือว่าคุณยิงถูกและสมมุติว่าถูกคุณแน่ใจหมายว่าควรจะถูกอวัยวะส่วนไหนของมันคุณเล็งหรือเปล่าตำแหน่งที่แน่นอนในร่างกายของมันอะคริสมีสีนหน้าลำบากใจแต่ยืนยันว่าฉันแน่ใจว่านัดแรกและนั้ที ส, สองนะัดควรจะต้องถูกอย่างจังที่สุดเลยยอมรับว่าไม่ได้เล็ง ระยะคอมแบกใกล้ๆแค่นี้เองเช่นจับสองมือยิงเป้าหมายควรจะเป็นบริเวณหน้าอกของมันแต่นับที่สามถ้ายิงไล่หลังไปิเวนั้นอาจจะผิดก็ได้ไม่มีรล้ารอยอะไรที่แสดงให้เห็นว่ามันถูกลูกปืนชนเลยอย่างน้อยๆมันควรจะมีรอยเลือดสักหยดสองหยดไม่ใช่หรือถ้าคุณยิงถูกเขาชี้ไปที่พื้นบริเวณนั้นและใกล้เคียงทุกคนพยายามค้นหาแต่ก็ไม่พบพี่แววอะไรทั้งสิน้นนอกจากรอยเท้าของมันเท่านั้นแต่พินเองก็แกลงพูดไปเช่นนั้นเองมันจะเอาเลือดที่ไหนมาหยดให้เห็น สำหรับไอ้ผีดิบที่เขาพบเห็นมัมาก่อนแล้วเมื่อตอนบ่ายวานนี้โดยไม่ปล่อยคณะในจ้างซากาเพราะมันเป็นแต่เพียงซากเท่านั้นซากซึ่งแต่แรกนั้นเขาคิดว่าเป็นเพียงศพโบราณตึกตำบัธรรมดาขณะที่พบก็เกิดสังขรณระแวงบ้างเล็กน้อยท่านั้นว่าถ้ามันเคลื่อนไหวได้ก็เห็นจะไม่เข้าทีแน่และปัดนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าข้อระแวงของเขาเป็นความจริงไม่เพียงแต่มันจะเคลื่อนย้ายตัวเองไปเสียก่อนที่บุญคําและเขาจะย้อนกลับไปดูอีกครั้งเท่านั้นตกตึก มันยังเข้ามาได้งานคณะเดินทางทั้งหมดนี้อีกโดยช่วยโอกาสตอนที่เขาไม่สบายมรสิติอยู่ต่อให้คริสยิงถูกร่างกายสุดใดส่วนหนของมันก็ตามอย่าหวังเลยว่าจะได้พบเห็นรอยเลือดหรือหยุดมันได้ตาบใดก็ตามที่ยังไม่สามารถจะค้นพบความจริงออกไปได้ว่ามันสามารถจะลุกขึ้นมาเดินเหินเคลื่อนไหวหรือปฏิบัติการใดๆได้ด้วยอํานาจมัจันลีรับเช่นไรซึ่งสิ่งนี้เขาก็ยังไม่อาจจะตัดสินใจถูกว่าจะอธิบายคณะในจ้างอเมริกันชุดนี้เข้าใจได้อย่างไรหรือไม่ ถ้าตัวเองก็ยังเผชิญปัญหาที่มืดมนไปหมดอยู่เช่นนี้คาพูดที่ไม่ตรงกับความรู้สึกภายในของเขาประโยคนั้นทําให้ฝ่ายอเมริกันอึง้งโดยเฉพาะคริสติน่าซึ่งเป็นคนยิงด้วยมือตนเองสีงน้าของหล่อนบั้นยากที่สุดดูเหมือนจะอยากจะร้องไห้ฉันกล้าสาบานเลยนะว่าฉันยิงถูกมันแน่ๆ แ, แต่ทําไมมันถึงไม่ได้แสดงอาการว่าถูกลูกปืนหรือมีรอยเลือดจุดอยู่ให้เห็นบ้างฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน มันเป็นความลี้ลับที่น่าขนฟองสอยองกล้าวเหลือเกินแต่อย่างน้อยการหิงของฉันก็ทําให้มันผ่าหนีไปได้ผมไม่คิดว่าการผ่าหนีไปของมันจะมาจากรูบปืนของคุณหลอกคริสแต่มันน่าจะมาจากข้อที่ว่ามันเห็นว่าพวกเราส่วนใหญ่ตื่นขึ้นมาและเห็นมันแล้วก็ได้และหมดโอกาสที่ทําอะไรต่อไปอีกจึงหนีไปก่อนลูกปืนของคุณนะ่ะแม้จะยิงถูกก็ไม่ได้ทําให้มันบาดเจ็บหรือตกสะพานอะไรเลยและร่างกายของมันก็ไม่มีเลือดด้วย ภาพของมันเหมือนขุนยนที่ปราศจากชีวิตหากแต่เคลื่อนไหวหรือปฏิบัติการลงไปด้วยการบังคับของเครื่องวิทยุนั่นเราพูดกันในแง่ของวิทยาศาสตร์แต่ถ้าทางศิษย์ศาสตร์มดมืดการเคลื่อนไหวของไอ้ซากนี่จะต้องถูกบังคับด้วยปรติยามน์หรืออิทธิฤทธิอำนาจชั่วร้ายที่มืกลับซึ่งกำลังเจ้าจะได้งานพวกเราอยู่ว h a คุณพูดว่าอะไรนะอเมริกันทั้งสี่ร้องร่ำออกมาเป็นเสียงเดียวกันด้วยความบุ่นงงปราใจสุดขีด ลพินไพรวันเริ่มยุ่งยากใจเขาเผอตัวบอกความจริงอะไรบางอย่า ง, างแก่พวกนั้นไปแล้วบัดนี้ปัญหามันก็เกิดขึ้นซึ่งจะต้องอธิบายต่อไปในสิ่งที่เขาพูดและตัวเขาเองก็หมดปัญญาที่จะอธิบายให้แก่คนเหล่านั้นเข้าใจได้แน่ละเหตุการณ์ที่จะเผชิญกับมันต่อไปในข้างหน้านี้จะทําให้กลุ่มชนที่มาจากแหล่งเจริญขีดสุดแล้วเชื่อถือเคารพเพราะทิษฎีทางทยศาศาสตร์ได้รู้เห็นเข้าใจสุนทราไปทีละน้อยเอง คนเหล่านี้ไม่เคยรับรู้ความลิ้ลับที่เหนือกฎเกณฑ์ธรรมชาติสามัญมาก่อนไม่เคยประสบพบเห็นถ้าคืนพูดอะไรออกไปมากเขาจะถูกพิจารณาเป็นตัวสลกไปเสียเปล่า เ, าเอาว่าให้เหตุการณ์มันสอนเองจะดีกว่าเอาละครับอย่าเพิ่งสนใจอะไรที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้เลยผมจะตามไปดูรอยของมันทางด้านที่ฟึ่งคำบอกว่าหายเข้าไปในโขลงช้าหวังว่าพวกฟึ่งคงอยากจะไปดูด้วยแน่นอนเราอยากจะไปเห็นพร้อมกับคุณนั่นแหละ ที่ยังรีรอกันอยู่ก็เพราะอยากให้คุณตื่นขึ้นมารับรู้เหตุการณ์จะก่อนเท่านั้นคิดบอกมาในทันทีพระพธินสั่งให้เกิดและเสย อ, อยู่เฝ้าแคมป์ตามเดิมพร้อมกับลูกหับทั้งหลายรวมทังสั่งให้เตรียมขุดหลุมได้เลยเพื่อจัดการฝังศพลูกหับตัวแายทั้งสองคนเพื่อไม่ให้เสียเวลาจากนั้นเขาก็ออกเดินโดยไม่รอช้าแกะรอยตีนปลา น, นั้นไปด้วยประสาทสัมผัสและความสุนายของตนเองโดยไม่ต้องอาศัยให้บุญคำหรือใจเป็นปผู้นําสมุนซ้ายขวาของเขาเร่งวิ้าตามมาอยากระชั้นชิด ส่วนกลุ่มนายจ้าทุกคนกับเชือดบุธก็ตามมาติดติดรอยติงขนาดใหญ่และก้าวยาวๆนั้นปรากฏชัดเจนบ้างเงินลางไปบ้างสุดแล้วแต่ว่าพื้นดินจะแข็งหรือนุ่มคนที่ตกหลักเมื่อบ่ายวานนี้ช่วยสร้างรอยให้เกิดขึ้นอย่างดีที่สุดมันเดินไปตามทางดาระหว่างป่าไผนะ่หนาเร็วรัดไปมาราวกับใครแกล้งเอาเท้าจําลองที่หล่อไว้ในปูนปั้กเตอร์ซึ่งมีขนาดใหญ่คือพนธธรรมดามาติ้งไว้ให้เห็นแต่รอยที่ปรากฏอยู่นั้นที่ดิตด้วยสุดชดาดเนาทางทุ่เจนไฟเช่นเขา ข้อสนักได้ในทันทีว่ามันเป็นการเดินของเจ้าของร่างประหลาดนั้นอย่างแน่นอนจะเดินด้วยลักษณะที่รีบเร่งเพราะบางแห่งที่ดินอ่อนมากนั้นจะเห็นส่วนของปลายเท้าจิกอึกแทบจะสังเกตเห็นนิ้วได้ทั้งหานิ้วทีเดียวสิ่งที่เขายังกังขาอย่างขณะนี้ก็คือมันจะเป็นเจ้าของร่างโปรตีนร่างเดียวกับที่เขาได้เห็นพกซากประดุดท่อนไม้เมื่อบ่ายวานนี้หรือเปล่าหลับใดก็ตามที่เขาไม่ได้เห็นมันด้วยตาตนเองเมื่อคือนนี้ แต่สําหรับวลคํานั้นเชื่อแน่รอยตัเส็จว่ามันจะต้องเป็นรอยติ่ของไอ้ซาประหาดนั้นระหว่างที่เดินสาวรอยกันไปบุลคําพยายามเดินเคียงใกล้ชิดตลอดเวลาเพื่อหาโอกาสทุด่ด้วยเพราะถึงอย่างไรกลุ่มนายจ้างก็เว้นระยะห่างพอส่วขนขณะที่เดินตามมาเบื้องหลังลัฐพิงก็เคลื่อนหน้าไปอย่างเร็วมากโดยไม่หยุดรอระหว่างได้ตามหลังมันมาบุลคํากระจันเห็นด้านหลังมันบ้างหรือเปล่าท่านเห็นตัวมันไหมข้าวกระซิบถาม ไม่ทันได้เห็นมันหลอกนายรู้สึกว่ามันจะเดินเร็วมากแล้วคุญคำก็มัวแต่คอยดูรอยตีนของมันตามพื้นเพราะกลัวจะตามไปผิดทางมาเงยหน้าขึ้นใหม่อีกทีหนึ่งก็ปัดหน้ากับไอ้กองทัพจมูกยาวเข้าแถวรอรับอยู่ก่อนแล้วสองคนไกด์จันวิดแบนซัดแตกไปแล้วคุณคำแน่ใจไหมว่ามันจะเป็นตัวเดียวกับที่เราครเห็นมาแล้ว ท่านายตาเท่ากลา ม, มันจะเป็นไอตัวอื่นไปได้ยังไงนะรูปกามมันก็บอกอย่างชัดๆเมื่อวัยเมื่อบ่ายวานนี้พอบุญคำกับนายย่อมไปที่มันอีกครั้งหนึ่งจะเอาสายสินไปรอมันไว้มันก็นกรู้รีบย้ายตัวเองหายไปอย่างลึกลัดบุญคําก็บอกนายแล้วว่ามันเอาเราแน่แต่ก็ยังใจขคืนอยู่ว่านายอยู่ทั้งคนเราให้มันแสดงฤทธิ์เดชยังไงเมื่อคืนนี้ถ้านายอยู่ก็คงมันจะรับมือมันได้ บังเอิญสิ้นดีนายก็มาเป็นไข้ไม่รู้สึกตัวเสียความจริงก่อนนอนเมื่อคืนบุนคําก็เอาสายอาคมไปร้อมๆไว้รอบ ป, ปากคาของเราหมดแล้วแต่อาคมของบุนคําก็ยังสู้มันไม่ได้เอาไว้ไม่อยู่นายไม่ต้องสงสัยไปหรอกว่ามันจะเป็นตัวอื่นกล้ยตัวที่เราเห็นมั่งแง่แก่อยู่ตรงซอกโรงกินเหนือรําั้วยนั่นแหละถึงบุนคําจะไม่ทันได้เห็นตัวมันตอนที่มันดอดเข้ามามาคืนนี้แต่ฟังจากรูปร่างลักษณะ ข, ของมันตามที่พวกนายห้ากับแหนมเล่าให้ฟัง มันใกล้ตัวเดียวกันชัดๆแน่ๆจะพิงกับริบิปากคำรามออกมาเราเสียท่ามันเสียแล้วนะบุญคำเจ็บใจตัวเองจริงๆที่เมื่อคืนนี้ฉันอุตสาไม่สบายเสียในที่สุดคนของเราก็ตายลงไปจนได้ความกังวลของคนฉันไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนอายฝรั่งพวกนั้นเหลือเกินในฐานะที่ฉันเป็นผู้รับผิดชอบในชีวิตของทุกคนบุญคําว่ามันเสตนาจะได้งานรองดีกับนายแน่ๆลงมาอีกรูปนี้เหมือนจะอาฆาตแค้นอะไรนายมาอย่างนั้นอย่างนั้นแหละ แต่นายอย่าเสียใจยไปเลยคนเรามันก็ต้องมีทีเผลอทีพลาดกันมากเหมือนกันต่อให้ระวังกันสักแค่ไหนเมื่อวานนี้ตอนที่นายพบมันนั่งเป็นซ่าแข็งชื่ออยู่ถ้าเราไหวทันจัดการเผามันซะก่อนก็สิ้นเรื่องไปเส็ยแล้วคุณคําคิดว่าจะเตือนนายอย่างนั้นเหมือนกันแต่ไม่รู้มีอะไรมาปิดปากไว้มาสังขหารได้อีกทีหนึ่งก็ตอนที่คุณคาไปชวนนายย้อนกลับไปดูมันอีกนั่นแหละเพราะก็พอดีกับที่ เราไปถึงข่าวหลังมันก็ลุกหนีขึ้นไปเจยๆแล้วยังการจะ อ, าจ อ, อ, อ่านใจละอ่อนงั้นแหละฉันยอมรับนะว่าฉันประมาทไปหน่อยและมองข้ามประสบการณ์ที่เราเคยพบกันมาก่อนแล้วลักษณะของมันไม่ผิดอะไรกันเลยกับไอ้ผีดิบมันใจที่เร า, าเผชิญมาในครั้งนั้นและก็น่าจะมีอะไรเกี่ยวพันกันด้วยเพราะมันเป็นซากของสพอาบยาในมีนาครนนั่นเองถึงแม้ว่าคํามผิวบาทน่าจะถูกเราลักอาถรรพ์ทำลายคุ้นไปแล้วถึงแม้นเราจะกําจัดซากของมัน ไรและไอ้โครงดำนั่นย่อยยับไปแล้วจนพระทั่งปราสาทพันชูวดีก็ถูกนายใหญ่เชษฐาระเบิดที่หน้าไปพร้อมกันแต่เราก็ลืมนึกขขถึงความจริงข้อหนึ่งสุดส้ายของนิทรนครอันเป็นภูเขาทั้งลูกที่นายทหารชา ย, ยันกับนายแหมมมาเดินเข้าไปถูกขังติดอยู่ในนั้นในครั้งนั้นเรายังไม่ได้ทําลายสุดสารเหล่านั้นหรือเสจ็บายกับมันอย่างไรลงไปเลยไอ้พวกผีติดตายสร้างเหล่านี้มันยังมีอยู่เต็มสุดสารภายใต้ภูเขาทั้งลูกทีเดียว บุญคำเบิกซาโตะมองหน้าเขานายนายคิดยังไงมันไตรไม่มีร่างเดิมของมันแล้วเสลือโครงนําที่เกิดจากอํานาจเวทมนต์ของมันก็พินาศไปแล้วเพราะนายทหารชัยยันวางกับดักระเบิดไว้ทุกวิญญาณที่ถูกสาดแช่ด้วยอํานาจคําคิวบาทของมันก็ถูกปลปล่อยเป็นอิสระไปหมดแล้วก็จริงอยู่แต่บุญคำํำคิดบ้างไหมวิญญาณของมันไตรเป็นวิญญาณที่เต็มไปด้วยอํานาจเวทมนต์ชั่วร้ายมันไปอยู่ที่ไหน ฉันไม่คิดว่ามันจะเสื่อมสลายไปหมดแต่ยังพองวนเวียนอยู่แน่นอนและก็พร้อมเสมอที่จะเข้าไปสิงอยู่ในศพหนึ่งศพใดภายในสุสานของวิช า, าคนครแห่งนั้นเพื่อกลับคืนมาจองเวงกับเราอีกโดยเฉพาะฉันซึ่งเป็นต้นเหตุทําลายล้วงสายเวทอาถรรพ์ของมันให้เสืส่มขึ้นไปในครั้งนั้นสะพานเท่าตกเขาตัวเองโดยแรงถ้างั้นนายก็คิดเหมนคุณคุณคำคิดไม่มีผิดเลยคุณคำคิดมาก่อนแล้วแต่ไม่กล้าพูด จันผู้เดินฟังอยู่ใกล้ๆด้วยได้ยินแว่วๆจากความไม่สนั tn ักก็กระซิบถามแท็กมาว่านายกับพี่คามีอะไรให้จันนับรู้บ้างสิคุณคํากอบไหลลูกน้องแล้วเอียงหน้าเขาเ้าไปกระซิบทิ่หูบอกว่าเอ็งเฉยๆไว้ก่อ น, นเถอะไอ้จันแล้วข้าจะเล่าให้เองฟังว่าอะไรมันเป็นอะไรเรื่องชิบหายบะไรัยจากมันจะเกิดขึ้นกับเราอีกแล้วเหมือนเหมือนกับตอนที่เดินผ่านก็ไปในนิชานครไม่มีผิดอย่าให้กรูพเมืองนั่งโดเป็นทอดไม้อยู่ที่ไหนอีกนะข้าจะเอายันอีแปะ หน้ามึงเดียวเจ็บใจนักน้อยแนบบางอาจข้ามั้วอาคมของปูเข้ามาได้ประโยคหลังแกสวดสบานขบเคี้ยวเคี้ยวฟันอย่างเหยือดแขนช่วไม่กี่อึดใจต่อมาเท่านั้นทั้งจันรและบุญคําก็ชี้ให้ดูโดมไข่ทุ่งเลื่มจับโรงบางตาไม่ห่างออกไปข้างหน้านักและบอกให้เขาทราบว่าตําหนังนั้นแหละที่ตามเดินมาประทะหน้าโถงช้างที่ยืนเรียงรายเป็นหน้ากระดานดักอยู่ ตะพินมองเห็นได้ทันทีจะกอรอยเท้าช้างที่ย่างเป็นอยู่สับสนเต็มไปหมดและพยานหลักฐานที่ซ้อนกันก็คือหยดเลือดกองโตโ ต, โตที่หยดอยู่เรี่ยราดนั่นเป็นเลือดของช้างที่ปืน ท, ทากับแผ่นสายกระสุนไร้ควงเข้าใส่ก่อนที่จะเพ่นหีเข้าไปกำ บ, บังตัวอยู่ในกอไผ่ด้านหนึ่งด้วยสัญชาตญาณเอาตัวรอดของพานทุกนานใจมีแต่รอยเลือดเท่านั้นแสดงว่าตัวหนึ่งหรือสองตัวถูกยินบาทเทดเจ็บไปแต่ไม่ปรากฏว่ามีากช้างล้มอยู่เลย หรืมิฉะนั้นไอ้ตัวอื่นคงจะช่วยกันพยุงตัวที่บาดเจ็บหรือตายไปให้คนจับบริเวณนั้นเสียงกลุ่มนายจ้างที่ตามมาเบื้องหลังอุทานกันให้ได้ยินแทบไปหมดเพรากระจายกันออกตรวจรอยช้างและรอยเลือดเหล่านั้นจารพินยังคงแกะรอยเท้าของไอผีติบต่อไปความเบียดแฉะของเครื้นงินอ่อนๆบริเวณนั้นทําให้ยิ่งมองเห็นชัดเจนที่สุดแล้วเขาก็มาหยุดยืนนิ่งอยู่ตรงรอยสุดท้ายซึ่งอยู่ไม่อยู่ก้อนทางหายไปเฉยๆราวกับว่ามันหอบไปในอากาศเท่านั้น มองไม่เห็นวิแววเลยว่ามันจะเดินไปทางไหนอีกและนอกเหนือจากรอยเท้าของมันที่มันสะดุดหายไปเฉยๆแล้วก็มีรอยเท้าช้างขนาดใหญ่ผิดปกติเป็นรอยเท้าขนาดที่คนร่างใหญ่ๆเช่นคิดแค่จะลงไปนั่งกับมมาได้อย่างสบายคนทำกับจันก็ตามมาที่รอยนี้เมื่อคืนนี้ก็เพิ่งจะเห็นเอาเดี๋ยวนี้เหมือนกันเพราะขนาดที่ตามรอยของมันมาเมื่อคืนนี้ยังไม่ทันที่จะถึงตำแหน่งที่ราพินค้นพบนี่ ปรากฏว่าต้องประจันหน้ากับโครงช้างเสีก่อนต่างคนต่างลงเอาเอาตัวรอดจึงไม่สามารถจะทราบได้ว่ารอยของอธีปสิ้นสุดลงตรงไหนสรุปรู้ได้แต่เพียงว่ามันเดินฝ่าหายเข้าไปในโครงช้างเท่านั้นจอมพันควักซิปโปออกมาจุดลบนกับพิก้าซึ่งดับไปครึ่งตัวเข้าสู่พิชางหนึ่งขณะที่หลีตาเหมือนจะเข้าชานเพ่งอยู่ที่รอยเท้าตำแหน่งสท้ายนั้นุดต่อมาโขงของนายจ้างที่กดที่กระจายไปอยู่รอบๆบริเวณก็ถูกมาที่เขา ก่อนที่ใครจะเอ่ยปากพานเช่นไรและพิมใช้ปากกระ บ, บอกไรเฟินในมือชี้ลงไปให้ดูตำแหน่งของรอยท้าสุดท้ายนั่นทั้งหมดเรามงจ้องดูแล้วหันมามองหน้ากันเองเล็กๆเชิญวุพยายามที่จะเหลี่ยวคนหาไปรอบๆเผื่อจะพบรอยองมันเดินไปทางไหนอีกแต่ไม่เห็นคิสอิสเบลคริสเตนาและดอเตอร์สเตลลี่ตามเมียากันงเป็นไก่ตาแตกมเคิลเนสเทานลัน การของหลังสันเทิมรอยเท้าของมันหายไปไหนเสียแล้วมาหยุดชะงักอยู่แค่นี้เอ ง, ท, ง, ท, งทั้งๆที่พื้นบริเวณนี้ก็เปียกอ่อนเพอที่จะรับรอยเท้าของมันได้ถ้ามันยังเดินต่อไปช่วยกันค้นหาให้รอบๆบริบรเวณซิมันอาจจะเดินกลับไปทางอื่นก็ได้นักคณะร้องเดิวปรือกว่าสายตาไปรอบๆอีกครั้งหนึ่งอย่าไปค้นหายเสียเวลาเลยครับไม่มีประโยชน์หรอกผมแกะรอยมันมาทุกเก้าทีเดียวเท้าสุดท้ายมันมาสิ้นสุดเอาตรงนี้ ระพิน บ, บอกทุกคนขึ้นด้วยเสียงต่ำเล็กของเขาแล้วมองไปอย่างภูมิประเทศรอบ ด, ด้านซึ่งเป็นพงไม้หักระเนรนาศอัเกิดจากโครงช้างวิ่งเข้ามาชนประทะรอยช้างที่อยู่ใกล้ใกรอยตีนของไอ้มอนสเตอร์ตัวนั้นมันใหญ่ละเกินใหญ่กว่าช้างแอฟริกันทั้งตั้งเข้าตัวทีเดียวยิ้มล่างโวยวายทาตาเหลือกสําหรั บ, บระพินเขามองดูรอยตีนช้างใหญ่กว่ารอยตีนช้างทั้งหลายที่ย่ากันอยู่อย่างสับสนอย่างไม่ตื่นเต้นใดๆนักเพราะความใหญ่โต หน้ากลัวของมันก็ยังไม่ได้เป็นเพียงเซี่ยวส่วนของสิงมาัศจรรย์ของสัตว์ใหญ่ในดงอาถรรพ์ที่เขาเคยผ่านพบมาก่อนแล้วมันก็เป็นช้างป่าธรรมดาที่มีขนาดใหญ่กว่าช้างป่าสามมันทท่าๆไ ป, ไ ป, ไ ป, ไปบ้านเท่านั้นเทียบกับช้างไดโนเทเลียมที่ผจญภัยกันมาแล้วกับคณะของผู้ชายเชี่ยวาญเมื่อคราวผมเสื่อเขาประจิวะไอ้ตัวนี้ก็เป็นเพียงแค่ลูกช้างเท่านั้นนม่นมีความรู้สึกเฉพาะส่วนตัวของเขา สำหรับเชิดวุ้และฝาในจ้างบริกันทั้งหมดเพียงแค่เห็นรอยตีนช้าที่หยาดพิเศษออกไปบ้างเท่านั้นทุกคนก็มีอาการเหมือนจะข่าอ่อนหน้าซีกกันไปหมดอย่างน้อยที่สุดไอ้ตัวนี้จะต้องหนักไม่ต่ากว่าสิบปันขึ้นไปดรเจอร์รี่ทำปากขอมุกหยิบแทบจะไม่มีเสียงผ่านรอดลายฟันออกมาจากโครงของขามันแน่ๆครับและผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นไอ้ตัวที่มีงาสีดําอย่างที่กรียงีพวกนั้นบอกเรา นี่เรายังไม่ได้เห็นตัวจริงของมันกับตาแต่ก็ได้เห็นรอยเท้าของมันแล้วเข้าใจว่าไม่ผิดหลอกแต่นี่ก็ไม่น่าจะแปลกประหลาดอะไรทั้งสิ้นที่แปลกประหลาดซึ่งเราควรจะต้องคบคิดกันก็คือเขายักไหล่คือคือในลําคอขณะที่มองหน้าทุกคนรอยตีนของมอนสเตอร์ตัวนั้นหายสาบซูลไปไหนพวกท่านสืบกับปัญหาข้อนี้บ้างหรือเปล่าทั้งหมดพากันยืนตัวแข็งไปหมดมองที่รอยตีนของอัมนุษและรอยตีนของเช้าสลับกันกัะพิน Have, เสียงแหบเผือดแผวโวยของคริสดังขึ้นมาอย่างยากเย็นคุณคงไม่บอกเรานะว่าเจียงของลอนขาดหายไปเพียงแค่นั้นมือข้างหนึ่งวางภูมอยู่ที่หน้าอกและทุกคนก็แทบงงงะเมื่อสุาภาพบุรุษไพยเ อ, อ่ยขึ้นช้าช้าชัดเจนแต่เบาเรียบว่าไม่บอกไม่ได้หรอกครับเพราะมันเป็นความจริงอย่างที่คุณคิดนั่นแหละนั่นก็คือไ อ, อ้อัมนท์ที่เดินผ่านนี้มาภายหลังจากยิงยากที่คุณยิงได้เดินมาอย่างโขลงช้างซึ่งรอรับอยู่ที่นี่แล้ว แล้วมันก็ก้าวขึ้นไปอยู่บนคอช้างตัวนั้นช้างใหญ่อันเป็นจา่าโขงทําหน้าที่เป็นพาหนะนํามันหนีไปพร้อมกับลูกโขงทั้งหลายเพราะฉะนั้นรอยเท้าของมันจึงมาหยุดยืนหายอยู่ตรงเพียงแค่นี้มีแต่รอยตีนช้าให้เราเห็นแทนนิถ้าฝนไม่ตกไว้ก่อนดินไม่เปียกแฉะเราก็จะไม่มีวันรู้ได้เลยว่ามันหายไปจากที่นี่ได้อย่างไรโดวยวิธีไหนมันไปกับช้างโขงนั้นครับขึ้นนั่งขี่คอช้างไปไม่ผิดอะไรกับควานช้าง เบลผู้เป็นหมอด้วยตนเองขณะนี้มีอาการเหมือนจะเป็นลมตัวลงไปนัําแพะ ก, กับหินก้อนหนึ่งที่โผล่เหนือพื้นดิงขึ้นมาเล็กน้อยคิดนั้นล้องจั๊กอะไรออกมาคําหนึ่งแค่จะกระโดดตัวรอยเชื่อดุทําปากขมุกมิดเหมือนจะสวดมนต์คริสหยุดหายใจไปชั่วขณะพง ม, มีแต่ดรเซอรี่เท่านั้นที่มีอาการสงบกว่าเพื่อนขณะนี้มองสบตาเขาแน่นนิ่งดวงตาสีฟ้าของอเมริกันอวสโธเต็มด้วยปัญหานานานประการที่ต้องการคำอธิบายและต่อให้ประสาทแข็งมั่นคงสักเพียงไหน ปัตน n หัวหน้าคณะก็ถึงกับต้องกรอกบาลันดีในกระติกที่สภาติดมาด้วยเข้าไปราวกับดื่มน้ำเ ป, เปล่าเพื่อกระตุ้นเลือดทุกหยดในร่างกายที่มีอาการเหมือนจะจับเป็นก้อนแข็งประพินที่สุดอเมริกันอวบโสก็หล่นค่อยคำออกมาจากปากดูเขาเครียดถึงจริงจังผิดไปกว่าทุกครั้งความลำบากใจและอะไรต่อมีอะไรอีกสารพัดเปิดเผยออกมาจากสีหน้าและเห็นชัด คุณลงความเห็นว่ามันไปกับโครงช้างนั้นโดยขี่คอของไ อ, จอง้จ่าโขงตัวที่เราเห็นรอยตีขนาดใหญ่ที่สุดนี่คุณอธิบายได้ไหมว่ามันไปได้ยังไงและไอมอนสเตอร์ตัวนั้นมีความเกี่ยวพันอย่างไรกับโรงช้างของไ อ, องาดําในขณะนี้นะผมอธิบายอะไรชัดเจนออกไปไม่ได้หรอกครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะตอบราบเรียบยากที่ใครจะอ่านความรู้สึกภายในได้เหมือนเคยแต่จากพยานหลักฐาและล่องลอยที่ผมเห็นนี่ผมเชื่อเช่นนั้น เว้ไว้เสียแต่ว่าพวกท่านจะไม่เชื่อในการอ่านลอยของผมตอบคําถามให้ตรงตรงชัดๆสักคําเถอะเพื่อนให้ลอยตีนที่เข้าไปเด่นงานพวกเราในปางพักตายไปสองคนและเดินฝาเข้ามาในของชามนี่นะมันเป็นอะไรเป็นคําถามจากพันเอกคิดคไม่ใช่สัตว์และไม่ใช่คนแต่จะเป็นอะไรแน่นอนนั้นก็ยังลงความเห็นไม่ได้แน่นอนชัดเหมือนกันขอให้เราตั้งสมมติฐานเอาไว้แค่นี้ก่อนขอเขแล้วกัน ว่ามันเป็นสิ่งที่ลี้ลับมาสจรย์นเนื้อกดเกณฑ์ธรรมชาติวิทยาศาสตชนิดหนึ่งซึ่งจอะต่อเจตนาร้ายเป็นภัยกับคณะของพวกเราทุกคนเรียกง่ายๆว่าผีดิบไปพังพางก่อนไม่ใช่ผีดิบเฉยๆหากแต่ยังเต็มไปด้วยภาถาอาคมปรัชญามนต์อันเล่นลับเต็มไปด้วยอิทธิฤทธิอำนาจมืดพวกท่านไม่จําเป็นต้องเชื่อหรือคอยตามในคําพูดของผมนี่แต่รับฟังไว้ก่อนก็แล้วกันเพราะผมเองก็ไม่สามารถจะอธิบายอะไรได้มากไปกว่านี้ แล้วมันมาแสดงตัวเป็นศัตรูมุ่งร้ายกับเราถึงเพียงนี้เพื่ออะไรกันพลัสอุทานออกมาเบาๆยอมพลานเอานิ้วคีบสันจมูกหลับตาลงชั่วขณะใครจะรู้ได้เขาพูดคำภัยมือจากป่ามรณะแถบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในรูปแบบต่างๆเสมอโดยหาเหตุผลที่มาของมันยากหรืออาจจะหาได้ก็ต่อเมื่อเราค้นควา้าติดตามออกไปภายหลังผมได้กล่าวเตือนพวกท่านทั้งหลายไว้แล้วเมื่อก่อนจะออกเดินทางมาในครั้งนี้ว่า เข่าปลาดงดิบดำโดยทิศทางที่เราจะมุ่งไปนี้มันเต็มไปด้วยทัพ์อันตรายสารพัดที่ผมไม่อาจจะบอกได้ว่ามันมีอะไรบ้างและมันจะมาในรูปแบบไหนบัดนี้พวกท่านก็ได้ประจักษ์กับตาตนเองแล้วถูกแล้ครับมันเต็มไปด้วยปริศนาเต็มไปด้วยคําถามว่ามันคืออะไรและทําไมจะต้องเกิดขึ้นด้วยเวลาเท่านั้นครับจะเป็นเครื่องคลี่คลายคำถามเหล่านี้หากเราไม่ตายเสียก่อน สำหรับผมเสียใจมากกว่าทุกท่านเพราะคนของผมสึงแก่ชีวิตไปแล้วสองคนพร้อมกันมันหมายถึงว่าผมไม่สามารถจับปกป้องคุ้มครองเขาไว้ได้พระมวแต่นอนจับไข้เสียแต่ก็ยังดีใจที่ฝ่ายในเจ้าของผมปลอดภัยสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาตอนนี้เราจะต้องเตรียมพร้อมระมัดระวังตัวให้มากกว่าเดิมคิดไปไม่ถึงจริงๆรประโยคสุดท้ายเขาพึมพำกับตนเองอย่างขมขื่น เมื่อนึกไปถึงศพของวงและม้วนซึ่งถึงแก่มรณการไปอย่างพารณ น, น่าทุเรศที่สุดทั้งสองเด็กหนุ่มก็คือคนใกล้ชิดในหมู่บ้านที่เขาปกครองอยู่นั่นเองและบรรยายว่ากําลังของลูกสาบเต็มตาสิบคนบัดนี้เหลือแค่แปดคนเท่านั้นปัญหาอื่นๆมันควจะตามมาอีกมากทุกคนเริ่มเงียบงนันเป็นครั้งหนึ่งด็อร์เซอรี่เข้ามาจับแขนเขาไว้ปีบหลักหน่วงน้ําเสียงปลอบโยนเราทั้งหมดเข้าใจความรู้สึกของคุณในขณะนี้ดีที่สุดเลยลพิน แต่แ ล, ะและเราก็ไม่ได้โทษว่าเป็นความผิดของคุณเลยที่เกิดเหตุร้ายจนถึงแก่ชีวิตของคนสองคนในคณะของเราเมื่อคืนนี้มันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆต่อไปนี้เรามาร่วมหาหรือกันอย่างใกล้ชิดถว่าจะเตรียมแก้ไขข้อตกร่องหรือเผชิญหน้ากับมันอย่างไรต่อไปทางด้านฝ่ายผมนั้นขอรับรองว่าขวัญและกําลังใจยังดีอยู่และพร้อมที่จะร่วมมือกับคุณในทุกทิีทางยอมรับว่าที่เรามาพบเห็นอยู่นี้เราไม่คาดขวัญมาก่อนมันลี้ลับน่าสพรึงกลัวสุดสยองเสียเหลือเกิน แต่มันก็ท้าทายความอยากรู้อยากเห็นของเราเหมือนกันครับท่านเป็นบุคคลที่เข้มแข็งและมีกำลังใจดีมากเหมาะสมแล้วที่จะเป็นหัวหน้าคณะผมต้องการร่วมทางกับบุคคลประเภทนี้แหละถ้าหากคุณเสียขวัญเสียอย่างเดียวผมก็ยิ่งระมัดใจลงไปมากกว่านี้ดีไม่ดีการเดินทางอาจจะล่มเหลวกลางคันสำหรับผมไม่ต้องเป็นห่วงลงได้จากใจรับนาทางมาแล้วก็ถึงไหนถึงกันจนกว่าพวกคุณจะสั่งให้กลับเอง บ๊อบเรามีความรู้สึกว่าเราได้เย็บย่างเข้ามาเนี่ยสู่เขตของโลกมาัศจรรย์เสร็จแล้วนะคิดพูดดังๆว่าแต่ว่าเราจะรายงานให้หอบังคับการเขาทราบความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี่ได้อย่างไรไอ้พวกที่ลอยฟ้าอยู่เหนือเราขณะนี้มันคงจะหัวเราะขบขันเห็นว่าพวกเราบ้า ก, กันไปหมดแล้วเสียแน่ๆยังไม่ต้องรายงานอะไรในขณะนี้เพราะเราเองก็ยังไม่สามารถจะร่วงรู้เข้าใจได้ รายงานตามปกติธรรมดาก็แล้วกันถึงตำแหน่งที่เราอยู่และทิศทางที่จะบ่ายหน้าไปฉันก็ไม่อยากจะให้หน่วยเหนือเข้าใจว่าพวกเราวิปริตกันไปหมดทั้งคณะเหมือนกันดเตอร์สเตลลี่บอกคขุ่มๆเชอร์วูดนั้นไม่พูดอะไรกับกลุ่มนั้นหาแต่เลี่ยงไปแอบซุบซิบคุยอยู่กับจันและบุ่นคาทางหนึ่งเบลยังนั่งอยู่อย่างหมดเรี่ยวหมดแรงตรงก้อนหินเสี้ยที่เดิมข้าทางหล่อนอกสันไฟกระเจิงกับเพื่อนคริสเข้าไปจุดแขนเพื่อนสาวขึ้นมาประทองให้เย็นขึ้น อย่าทำท่าเหมือนคนจะตายอย่างนั้นเลยเบลถึงอย่างไรเธอก็ไม่มีโอกาสจะถอนตัวกลับออกไปได้อีกแล้วฉันไม่เคยกลัวสัตว์ไม่เคยกลัวคนไม่ว่าจะไร้สารขนาดไหนแม่หมอผมแดงประจําพนะกพูดอย่างยากเย็นแต่ฉันไม่สู้สนุกนักที่จะมาพบเห็นกับเรื่องพิลึกเลือกเกือแบบนี้เมื่อคือนนี้มันกวักมือเรียกฉันเสร็จด้วยถ้าอาจารย์กับเธอตื่นขึ้นมาไม่ทันในตอนนั้นยังทายไม่ถูกเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นถามจริงๆเธอร์พินคุณเคยพบกับเหตุการณ์ประเภทเดียวกันกันกบเกิดกับเรา อย่างเมื่อคืนนี้มาก่อนบ้างหรือเปล่าคิดลองถามออกมาเคยครับยิ่งกว่านั้นสับินเท่าด้วยซ้ำไปทุกปัญหาที่เกิดขึ้นผมค่อยๆแสวงหาต้นเหตุและแก้ปมไปทีละเปราะซึ่งมันก็รู้ร่วงไปด้วยดีแม้บางขณะจะยากเย็นแทบจะเอาชีวิตไม่รอดก็ตามขอทุกอย่างในโลกนี้นะ่ะมันมีของแก้กันได้ทั้งนั้นะครับถ้าเรารู้ทันและเข้าใจวิธีอำนาจของน้ากรดจะหมดสิ้นไปในทันทีถ้าเราแก้ด้วยด่าง นั่นคือวิทยาศาสตร์เคมีในทางไยาไน์ก็มีหลักการคล้ายๆกันมันใช้มน์มืดมายาเล่นงานเราเราก็ต้องตอบโต้มันด้วยไซยเวตเช่นเดียวกันผมแน่ใจว่าผมพอจะรับมือกับมันได้ขอให้รู้ตัวแน่นอนชัดๆออกไปเท่านั้นทางฝ่ายข่้นท่างนถ้าจะให้การร่วมมือกับผมก็แท่จะไม่ต้องทำอะไรมากเลยแค่ทำอยู่ในขอบเขตที่ผมสั่งหรือว่าแนะนาอย่าออกนอกลู่นอกทางเท่านั้นก็จะปลอดภัย ดูเหมือนเมื่อตอนหัวข้ามวานนี้ผมได้เตือนท่านทุกคนแล้วให้ระมัดระวังตัวเตรียมพร้อมทุกทุกขณะถ้าได้ยินหรือได้เห็นอะไรผิดปกติก็อย่าเพิ่งโชวออกมาดูเพียงคนเดียวแต่ให้ปรุกพักพวกขึ้นมาร่วมรับตูดด้วยฉันรู้สึกว่าคุณจะมีการสังหอรร้ายอะไรร่วงหน้าแล้วสำหรับหัวข้ามเมื่อคือนนี้แต่คุณไม่ยอมบอกเราตามตรงรสเอ่อยขึ้น ผมไม่ทราบจะบอกตามตรงได้ยังไงเหมือนกันเพราะไม่ทราบในพฤติ ก, การว่ามันจะเกิดในทํานองไหนก็ได้แต่เตือนทุกทรังไปว่านับตั้งแต่ออกจากหนอง น, น้ําแห้งเราทุกคนอยู่ในเขตอันตรายทั้งสิ้นคนของผมทั้งสองก็รวนแล้วแต่เป็นลูกไพยชํานานป่าอย่างดีแล้วเขาก็ยังเผลอพลาดเสียชีวิตลงจนได้นัาประสาอะไรกับพวกคุณซึ่งไม่รู้ความเป็นไปของป่าแทยนี้เลยซึ่งจะตกเป็นเหยื่อภัยได้ง่ายที่สุดผันป่าธรรมดานันเรื่องเล็กครับหลีกหลบป้องกันตัวได้ ไม่ยากอะไรนักหรอกแต่อารย์ลิลลับของป่านี่สีมันร้ายกาบนักและทําให้นักเดินป่าต้องสาบสูญหรือเสียชีวิตลงนับไม่ถ้วนมาแล้ว <ST> S> <S จะอธิบายกันอย่างไรฝ่ายที่ไม่เคยรู้มาก่อนก็สุดที่จะเข้าใจหรือยอมรับฟังได้นอกจากจะได้ประส บ, บขอ้อผิดกับตัวเองเท่านั้นผมไม่อยากทําตัวเป็นนักเล่าดิทานโกหกให้พวกท่านฟังเพราะถ้าไม่เป็นเรื่อ ง, องสาคัญสําหรับท่านก็จะเป็นการข่มรู่ทำลายขวัญอย่างที่ผมพูด ถือถูกตำหนิมาอย่างบ่อยๆเราให้พ่เห็นกับตาคุณเองดีกว่าเทรซจ้องเขาเหมือนจะค้นหาอะไรบางอย่างตามที่ใส่อันเชียบไว้ายละเอียดอ่อนของหล่อนไพวันจะรู้สึกว่าคุณจะรู้และเข้าใจอะไรบางอย่างในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมากกว่าที่บอกให้เราฟังนี่นะเท่แต่คุณยังไม่ยอมเปิดเผยพูดตรงไปตรงมากับเราเท่านั้นตลเวลาชันสังเกตเห็นสุขศึกษาหารืองซุบซิบอะไรกับบุญคำและพยายามใช้ภาษาที่เราฟังไม่เข้าใจพอถามเขาก็มักจะกบเกรนทุกครั้ง สิ่ปกตินี้มันเริ่มมาตั้งแต่ตอนที่คุณพูดเรื่อยวกับมุลคาเมื่อบ่ายวานนี้แล้วกระถิ่นคงมีสีหน้าเ ย, ย็กนกรร้างอยู่เช่นนั้นตัาบทว่าเราทําอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้แล้วครับสําหรับเช้าวันนี้ผมคิดว่ารีบกลับที่พักกันดีกว่าผมจะได้จัด ก, การฝังสพลูกหาคออะไรสองคนนั้นให้เรียบร้อยและเมื่อทานอาหารเช้าเสร็จก็จะเคลื่อนย้ายออกเดินทางกันต่อไปในทันทีจุดหมายเดิมก็คือหมู่บ้านกาะเหลียงที่ตะเคียนทอง จบคำเขาก็หันหลังกลับออกเดินดุ่มนำหน้ามุ่งไปยังที่พักทันทีโดยไม่สนใจว่าฝ่ายในจ้างจะตามมาด้วยหรือไม่ซึ่งก็็เปนการบังคับโ่ษ น, นั้นต้องรีบตามกลับไปในตัวลุ้มฝังศพได้ถูกพวรลูกหาและพวกพนเมืองอันเป็นเด็กหนุ่มสองคนของเขาที่ให้อยู่เข้าแคมป์ขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วณนะตำแหน่งที่ไม่ห่างไกลจากที่ตั้งกระจมพักของนายจ้างมากนัก เป็นหลุมเดียวมีขนาดกว้างพอที่จะยอนศพทั้งสองลงไปได้และลึกพอที่จะแน่ใจว่าไม่มีสัตว์ใดขุดขึ้นมาได้บรรยากาศภายในบริเวณแคมป์เงียบเหนาซึมเซาและพินและลูกน้องทุกคนลบทั้งขวัญได้จ้างมายืนราย้อมกันอยู่ที่หลุมนั้นเมื่อร่างทั้งสองถูกจอนลงไปนอนสงบนิ่งเคียงคู่กันยอมทานถอดปลวกออกยืนสงบนิ่งเป็นการคารวะศพอยู่อึดใจหนึ่งเล็บปากของเขาขมุบขมิบเหมือนจะสวดบริกรรมอะไรอยู่ต่อมาจึงหยิบก้อนดิน หย่อนลงไปเป็นคนแรกต่อจากนั้นคนอื่น ๆ, ๆทั้งหมดก็หย่อนก้อนดินตามลงไปเพื่อเป็นการร่วมกันฝังดรอร์สเตลลี่ทำพิธีส่งวิญญาณของผู้ตายตามหลักศาสน า, าของตนโดยมีคริสเบลล์และคิดร่วมอยู่ด้วยพอเสร็จพิธีง่ายๆนั้นดินที่ถูกขุดขึ้นมาก็ถูกปล่อยลงกบอย่างรวดเร็วสมบัติส่วนตัวงผู้ตายถูกฝังพร้อมศพด้วยยกเป็นปืนประจมือเท่านั้น กระพินไม่ได้รอดูการฝวางศพต่อไปแต่กระติกนิ้วเรียกพายคู้ใจของเขาทั้งสี่รวมทั้งเกรียงอูทะและพโตให้เข้ามารวมกลุ่มบุยใบยให้ไปประชุมรอกันอยู่ยังบริเวณที่พักนอนของเขาโดยบอกว่าอีกสักพูดหนึ่งเขาจะตามไปแล้วก็หันมาบอกนายจ้างผมให้เวลาต่อจากนี้อีกชั่วโมงครับสําหรับการรับาอาหารเช้าจากนั้นเราจะเดินทางโปรดเตรียมตัวเก็บของตรวนที่สุดด้วยคุณแน่ใจหรือว่าคุณแข็งแรงดีแล้วสําหรับเชา้าวันนี้หมอเบลถามเจ้าหน้าเขาเหมือนจะสำรวจอาการรับพินยิ้มให้นิดนึง ผมแข็งแรงดีแล้วครับไม่ต้องห่วงและขอขอบคุณที่กรลณาเยียวยาให้เมื่อคืนนี้ถ้ า, มาไมิยาจากคุณผมคงจะแย่ทำไมไม่กินอาหารเชา้าร่วมกับเรารับเสเตเล่จับแขนถามผมขอตัวก่อนครับสำหรับมื้อ น, นี้ถ้ามีเรื่องต้องปรึกษาหารือกับคุณของผมอีกมากเชิญตามสบายเดี๋ยวผมจะค่อยมาพบใหม่อย่างน้อยคุณจะไม่แวะเยี่ยมเกเหลีกระเอิญเสียนหน่อยหรือคุณยังไม่ได้เห็นเขาเลยนี่ต้อง ต, ตื่นขึ้นมาเช้านี้ พุชเอ่ยขึ้น เ, าเบาๆทาให้พานใหญ่ผู้กำลังจะเก้าออกไปชิงักนิดหนึ่งทักผมลืมเสียสนิทพอเหตุร้ายจะเกิดขึ้นขอแวะดูสักหยก็ดีเหมือนกันวันนี้เรามีภาราที่ต้องนําคนเจ็บกลับไปยาพาพวกของเขาที่หมู่บ้านตะเคียนทองด้วยประโจมพักอันคึงด้วยผ้าพลาสติกปั๊มนี้ถูกตลบโลงขึ้นสูงหมดทุกด้านาเกลี่ยผู้บาดเจ็บลุกขึ้นมานั่งได้แล้วสีหน้าการพอมองเห็นละพินก็ใจชื้นเชื่อมันว่าเจ้านี้รอดตายแน่ ด้วยการดูแลอย่างดีเกือบตลอด24ชั่วโมงของฝ่ายในจเจ้ามาริกันโดยเฉพาหมอเบลเขาเดินเข้าไปตบศีรษะมันเบาๆพร้อมกับส่งยิ้มให้เปนเวลาเดียวกัที่เบลและคริสเข้ามายืนอยู่ด้วยใกล้ๆได้ยินมกะกเทศนําทางส่งบรรษาอะไรกับคนเจ็บอย่พหนึ่งเจ้านั่นก็ตอบมาด้วยน้ำเสียงจับใสแล้วหันไปมองดูแมวสาวผมแดงกับผมทองด้วยสายตาอ่อนโยนแสดงในความขอบคุณอย่างสูง เ, เชื่อมั่นตัวเองว่าเขาจะไม่เป็นอะไรแล้วครับและผมก็ขอขอบคุณหมอเบลและคริสตลอดจนเจ้าหนายทุกคนอย่างสูงสุดที่ได้ช่วยชีวิตไว้ด้วยเบลยิ้มเอามือวางบนไหล่คนเจ็บแต่พูดกับดรพินว่าบอกกับเธอะว่าเขาปลอดภัยแน่และพอจะลุกขึ้นนั่งเคลื่อนไหวได้บ้างแล้วแต่อย่ารุนแรงนะและประเดี๋ยวเราจะให้อาหารเหลวแก่เขาเป็นมื้อแรกเขายังอยู่กับพวกเราไปอีกระยะหนึ่งซึ่งจะยิ่งทําให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นทุกขณะจนกว่าจะออกจากหมูบ่บ้านตะเคียนทอง จำพันหันไปแ ป, แปลข้อความให้เสือนฟังเจ้านั่นก็ไปยังหน้ารับทราและพูดอะไรงีมบงำกับพันใหญ่นี่เจ้าตัวเขาเองรู้หรือเปล่าว่าเพื่อนของเขาอีกสองคนเปลี่ยนแผนที่จะลงไปยังหมู่บ้านส บ, บอนย้อยกลับไปยังตะเกียบทองพร้อมกับพวกเราด้วยชื่อถามเบาๆ เ, เขารู้แล้วครับปรยินดีมากที่จะกลับไปยังหมู่บ้านเดิมแต่เป็นทุกเรื่องโถงของไอ้งาดําแต่ผมบอกเขาแล้วว่าไม่ต้องกลัวอะไรเราจะหาทางเปจัดการให้เรียบร้อยเอาละครับฝากเรื่องการดูแลและจัด การให้อาหารสําหรับคุเจ็บรายนี้แก่คุณหมอเบลล์และคริสด้วยผมขอแยกไปก่อนปเดี๋ยวจะมาใหม่อเฉลินนผูดภาษาไทยไม่ได้เลยนะครับถ้าพวกคุณจะสั่งหรือพูดอะไรกับข้อในตอนนี้ก็เรียกผู้บังคับคนใดคนหนึ่งเข้ามาก็ได้จะได้เป็นล่ามแทนให้เป็นพพางก่อนแล้วคนนำสกุลไพวันก็เอามือแตะอีกหมวกให้แกแหม่มสาวทั้งสองเดินผาไปยังกลุ่มองเขาทันทีทานด้วยเมือทั้งสี่และกระเหี่ยงอุทกับพัโตนั่งรอหวงรองคอยเขาอยู่ก่อนแล้วตามคําสั่ง ท่านใหญ่นั่งลงกลางวงของคนเหล่านั้นซึ่งบัดนี้ทั้งกลุมมองจับอยู่ที่เข้าเป็นตาเดียวพี่คำเล่าแล้วคำหมดแล้วล่ะครับนายว่าเมื่อตอนบ่ายวานันนี้นายกับพี่คําไปพบกับไอ้พีดิบตายซากนั่นนั่งอยู่ในซอกหินเหนือฝั่งห้วยตอนที่นายตามโขงช้างไปอาจาดุเพิ่พูดขึ้นมาแผ่วเบาสีหน้าของพานเพื่อเหมือนเขาทั้งสี่และกะเหรี่ยงอีกสองคนที่นั่งอยู่ด้วยเต็มเรื่องเราเครียดขลอ่มดูกันหมดแล้วแบบนี้ก็ดีแล้วละ่ะมันเป็นความผิดของฉันเองที่ไม่ได้จัดการทํำลายซากนักเสียก่อน พอบุญคำเฉลียวใจคิดช่วยกลับไปดูอีกทีหนึ่งมันก็ลุกขึ้นเดินหนีไปเฉยเฉยแล้วเหมือนครั้งไอ้ผีดิบมันไกลไม่มีผิดเลยเราพลาดท่ า, าเสียทีมันจริงๆจอมพานกัดฟันพูดอย่างเดือดดานใจหันกลับไปที่ย่ามหลังส่วนตัวเลือกคนอะไรอยู่ครูก็หยิบไท้ตีย้อนวาดเหมือนจีวรพระตุ ด, ดงออกมาค่อยๆแกะออกแล้วล้วงเอาสิ่งหนึ่งในจานวนหลายหลายสิ่ง ที่ป่าปนกันอยู่ในนั้นออกมาลักษณะของมันเป็นเส้นวายเก่าแก่ยาวประมาณสามนิ้วเศษเอามีดพับเล็กๆสะอาดที่เก็บไว้ในอกเสื้อเดินป่าชั้นในจางส่วนคมออกสะกดรมปราณบริกรรมนิ่งอยู่อุดใจใหญ่ท่ามกลางความสงบเงียบของลูกน้องแล้วค่อยๆบรรจงตัดเส้นวายนั้นออกเป็นท่อเล็กๆประมาณเจ็ดแปดข้อส่งแจกไปให้บริวารทุกคนรวมทั้งเกรียง สองคนคนละชิ้นยกเป็นบุญคาคนเดียวพร้อมกับบอกว่าเก็บไว้คนละชิ้นขอให้ดีที่สุดผูกค่อยคอไว้อย่าให้หลุดหายเป็นอันขาดจันเกิดและเสรยรับไปถนมไว้ในมือยกขึ้นจบเนื้อศีรษะคนลุกเปลวขึ้นมาตั้งกายในทันทีนั้นสําหรับพระโตกับอุทะกระพริบตาปิบๆยังไม่รู้เรื่องเข้าใจอะไรทั้งสิน้นบุญคตาตบฉาดมาให้ที่ท้ายทอยคนละทีตะหวาดมาเบา ว, าวา่า สำหรับเองสองคนไอ้อุฐาพระโตถ้าไม่มีปัญญาจะหาอะไรมาแขนคอไว้ได้ก็อมใส่ปากไว้ตลอดเวลาไม่งั้นเองอาจจะคอหักตายเหมือนอย่างไอ้วงกับไอ้ม้วนบูไม่เคยเห็นทางไหนนายจะงัดเอาของดีประจำตัวออกมาแจกจ่ายพวกนี้มาก่อนเลยแล้วก็แจกเฉพาะพวกเองเท่านั้นที่ไอ้คําไม่เห็นนายแจกให้มั่งเลย ประโยคลังแกมบนอย่างน้อยใจแล้วเอื้อมือไปสะ ก, กิดเขาลูกพี่แบมือมั่หี่มั่งหี่าหนายไอ้คำก็กลัวคอบิดประอยู่ข้างหลังเหมือนกันนี่เจ้านายของเราคือคื อ, อแต่สารวิสระเรามันพ่อมดหมอผีมีวิชาดีอยู่แล้วไม่ต้องก็ได้บนคำเอาไว้ให้คนอื่นที่เขาจําเป็นดีกว่าอ้าวแล้วกันซวยเลยกูไอ้คำนายก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้คำหนะมันเป็นหมอผีประเภทลูกหัวเท่านั้นเอาจริงเอาจงังข้าวก็เพ่นป่าร่าไปเหมือนกัน ตาพานเข้าจอมสปดลคลางอ๋อยละคินหันไปมองหน้าอย่างเขม็นเขม่นบุญคําก็จิตมีครูนะแล้วครูแรงด้วยแต่ยวเวศอาคมก็แก่กล้าคอตัวผิดกับไอ้พวกนี้มากเพราะตัวเองนะเอาตัวรอดได้อย่างสบายจะมาแย่งอะไรจากไอ้พวกนี้มันหลักบุญคําทําหน้ามุยเกาหัวรรกราดกราดพ่อบุญคําถือว่านายเป็นอาจารย์ของบุญคําคนหนึ่งเหมือนกันนี่นาฝนตกไม่ทั่วฟ้านี่หว่าแบบนี้ไม่ยอมรับไปคําเป็นศิษย์หรือ ย, ยังไง ่านใหญ่เอานิ้วเคาะมาที่หน้าผากของแกคาถาอาคมของเรานะ่ะมีตั้งกรุ่ขนาดผีตายทั้งกรมก็ยังเรียกขึ้นมาเอาไฟรนเอาน้ํามันได้ไอ้มันไร ก, กับแม่มดนางวชิกานั่นอะไม่เป็นขี้เท่าไปก็ไม่ใช่เพราะฝีมือของบุญคําหรอกหรืแต่ตอนนี้หนะ่ะใจมันไม่ค่อยจะดีเลยนะจริงๆน้า น, นายจําเป็นขึ้นมาจริงๆคาถาอาคมที่ร่ําเรียนมาก็ลืมเสียหมดไม่รู้จะงัดกฎไหนขึ้นมาใช้ หัวใจอิตธิปิโสท่องได้หรือเปล่าก็พอได้อยู่หรอกนายแล้วหัวใจพระเจ้าห้าพระองค์ก็ยังไหวสองบทนั่นนะเหลือพอแล้วบุญคําใช้เพียงสองบทนั่นสั้นๆก็พออิตธิปิโสกับพระเจ้าห้าพระองค์มันทําอะไรบุญคําไม่ได้หรอกน้อยแน่ตอนนี้ทําเป็นกลัวขึ้นมาแล้วที่เมื่อบ่ายวานนี้จะเอาสายสินไปวงร้อมมันไว้ก็เมื่อวานนี้น่ะบุญคําม่รู้ว่ามันจะลุกขึ้นมาเดินได้จริงๆนี่นานายก็แกอุบอิบนะลำคอยยิ้มแย่ เออไม่ให้ก็ไม่เอาวะแต่เดี๋ยวจะหาทางขโมยกุงเกงในแหม่มคนใดคนหนึ่งจักคนหนึ่งมาเป็นยันก็พอจะไหวหรอกเอากุงเกงในแหม่มแขวนคอเลยเหลือลุงคําเสดทามายมพ้าซื่อลุณคําร้องวกักถีบขุนเข้าให้เจ้าทานเด็กหนุ่มปากเปล่าตะแคงเค้เก้ไปพระพุททุกคนยกเว้นละพินหัวระงอหายชิบหายนี่ไอ้เสยกูขืนเอากุงเกงในแหม่มมาคล้องคออย่ามึงว่าวิชากูก็บินกลับไปหาอาจารย์หมดเท่านั้นนะสิตัวบรรัยเลย กูจะเอาไว้ลงเลขจันท์อักขระชั้นต่ำแทนทงอีเพอร์เจอหน้าผีนรกนั่นอีกทีแล้วก็กูจะเอาไอ้นี่ดัดแปะหัวมันรับรองนั่งโดเป็นท่อนไม่ตรงไหนก็ตรงนั้นไม่มีวันลุกขึ้นมาแผงริบได้อีกหรอกแต่ไม่รู้จะขโมยได้อีท่าไหนต้องเอาตัวที่เพิ่งถอดให ม, ม่ๆยังไม่ได้ซักซะด้วยสิใครจะรับอาสาขโมยขอให้กูมั่งฮะก็จะแยกอะไรเล่าลุงคำเข้าไปขอแหนมสักตัวหนึ่งแหนมคงจะให้แน่ๆเกิดบอกมาทางหัวเราาครางคุณนคำตาเขียว พอเอ้ยไอลูกอีเห็นเสือกไปบอกขอกุ้มเกงในตัวที่แหม่มกลาลังใส่อยู่กูก็ถูกดิบออกมากระเด็นเท่านั้นเองะสิเห็นมีอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละที่จะไปเอามาให้กูได้ลายนี้ไม่ต้องขอก็ให้เสีย ด, ด้วยสิถอดออกเฉยเฉยก็ยังไหวใครละพิคคำจันถามก็นายกูสิวะนายละพินนั่นแหละสําคัญว่านายจะไม่ยอมถอดให้กูเท่านั้นเองคงจะถอดเอาไว้เองนั่นแหละฮิ๊ฮิ ทานใหญ่สบดอะไรออกมาคําหนึ่งเอามือผลักหน้าผากคุณคําถาไปชาวนี้ประเดี๋ยวตัวเองก็ถูกขีดเข้าบ้างหรอกตาคําเมื่อกี้นี้เห็นหน้าซี่เป็นผีมาตอนนี้เธอล่งโลนได้อีกแล้วหรือเสียแรงไว้ใจเห็นว่าเป็นผู้ใหญ่อยู่ทั้งคนไอเราเองลึกก็เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ฝากให้ช่วยดูแลเป็นหูเป็นตาให้การเสือกนอนหลับเจนนี่ฉันเผลอตัวเสียคืนเดียวเท่านั้นคนของเราตายไปสองคนหวังซึ่งอะไรไม่ได้เลยดีแต่ตลกโลนหน้ า, าเธล่นเป็นเรื่อง คุณทำหน้าจ้อยไปไดทันทีนั้นและหุบปากเงียบ ท, ทันทีเมื่อนึกถึงภาพการตายของมวลวงซึ่งเป็นความเตือนใจของทุกคน <c oughs> ทางด้านนายจ้างอเมริกันทั้งหมดขณะนี้ปฏิบัติภารากิจในตอนเช้าอย่างเร่งรีบแข่งกับเวลาที่สุดเพื่อสำหรับเปลี่ยนเครื่อง ย, า ย, องอย้ายกรณีผู้บาดเจ็บคือสะเอิญได้รับอาหารเหลวมื้อแรกจากเครื่องเลชั่นขอ ง, ของฝ่ายนายจ้างลักษณะของมันกระชุ่มกระชวย แ, และอาการดีจนพอที่จะแน่ใจได้ว่าภายในทีศเดียวของการพักพ่อทุสิทุกอย่างก็จะเป็นปกติเรียบร้อย และสำหรับวันนี้ก็ยังคงร่วมเดินทางไปขนาะได้โดยการต่อแค่และให้สหายของมันสองคนช่วยกันแบกหามไประหว่างเตรียมเก็บของไปพรางและกินอาหารกระบองไปพรางฝ่ายนายจ้าสังเกตไปยังดับพินและลูกน้องของเขาที่ร้องวงกันอยู่อีกด้านหนึ่งตลอดเวลาเห็นคนเหล่านั้นอยู่ในลักษณะหาหรือกันอย่างเคร่งเครียดคิดไปจากปกติทุกครั้งที่เคยเห็นทํำยังไงเราถึงจะรู้ได้ว่าอะไรเป็นความคิดของพวกเขาเหล่านี้ในขณะนี้ เฟลลี่พึมพำออกมาเบาๆกับลูกน้องฝ่ายตนและเชื้อวดผู้ร่วมกลุ่มอยู่ด้วยสังเกตดูไอเสือนั่นสะเทือนใจไม่น้อยทีเดียวนะในการตายของลูกหาสองคนเพียนแต่เก็บซ่อนทุกสิ่งอย่างไว้เมื่อเราเห็นเท่านั้นถ้าทางหุดหงิดหัวเสียมากแต่ซ่อนความรู้สึกเกิข็ญเกินคิดว่าฉันไม่เชื่อว่าเขาจะเผยความจริงจากเรื่องที่เกิดให้เราฟังทั้งหมดจะต้องมีอะไรที่ยังซ่อนเร้นปิดบังเราอยู่แน่ๆคริสเตนา่ากระชิบตาหล่อนจอับคมเมนไปยังกลุ่มนั้นอย่างไข้ครวน แต่แล้วพอหันกลับไปสังเกคณะอย่างบางเอิญก็เห็นดรสเตอรี่มันลอนอยู่ก่อนแล้วสบตากันแวบเดียวหล่อนอ่านความในของคนหน้าออกจันทร์ศิษยปฏิเสธโนอาจารย์อย่าให้ฉันเข้าไปยุ่งยากอะไรากับเขาในขณะนี้เลยค่ะบรรยากาศมันไม่ให้เสียแล้วฉันรู้ดีว่าเวลาไหนบ้างที่ฉันพอจะเรียบเรียงเข้าไปใกล้เขาได้แต่คงไม่ใช่ตอนนี้แน่ๆถ้างั้นเดียวจะมีเหตุผลที่จะเฉดเข้าไปใกล้เขามากกว่าอย่างน้อยก็เรื่องของกรงะเหลวเอิญเป็นเครื่องบางหน้า ลองเข้าไปร่วมวงกับเขาหน่อยสิเอสเบลพ อ, อไรปฏิเสธอีกคนไม่เหมาะหรอกคะ่ะอาจารย์สําหรับฉันยิ่งมีภาษีเลวกว่าคริสเอีซีเมตีหมอนั่นอาจจะจะเพื่อไล่ฉันออกมาไม่ทันเขายิ่งอารมณ์ขุนมัวอยู่ด้วยถ้างั้นก็มีอยู่อีกคนเดียวเท่านั้นที่จะเข้าไปได้ในขณะนี้เซลลี abel, ่กล่าวหาทางเชิดวุฒิวุฒิคุณนั่นแหละลองเข้าไปฟังทางเสียงดูสิผมเชื่อว่าเขาคงจะไม่มีอะไรปิดบางคุณหรอกเพราะคุณเป็นคนไทยพูกเดียวกับเขา และสังเกต ด, ดูเขาให้ความรักความไว้วางใจคุณมากที่สุดตกลงผมเข้าไปเองพันตรีหนุ่มรับคําสั่งง่ายๆพร้อมกับลุกขึ้นยืนภายหลังจากที่ใช้ช้อนตักเนื้อกาปปองใส่ปากเป็นคําสุดท้ายคริสลองบอกมาว่ารอเดี๋ยวพร้อมกันนั้นหล่อนก็หันไปช่วยได้เออารหนึ่งห้าสองก็บอกเก็บนมกกาซีนปัรจุลูกพร้อมยื่นส่งไปใ้เชิวดวัสดอาปืนสองกระบอกนี่แพ้เขาด้วยมันเป็นหน้าที่ของเขานั่นเองแหละที่จะมอบหมายให้พวกเขาคนใดคนหนึ่งคือไปในระหว่างทาง ใช้รดับ m สิบหกแบบคนล่มทั้งสองกระ บ, บอกมาถือไว้พร้อมกับมองหน้าคริสโซล่าหืกหืมคุณทำเสียในความรู้สึกของละพินอะไรอยู่อย่างหนึ่งนัะคริสเกี่ยวกับ m สิบหกสองกระ บ, บอกนี่คุณฉลาดเกินไปแต่บางทีมันก็กลายเป็นความโง่เหมือนกันเมื่อไปใช้ความฉลาดนั้นกับคนที่เขาฉลาดเท่าๆกับคุณแม่อมทองเบิกตาเตื่นงินงงเอ๊ะคุณว่าอะไรฉันไม่เข้าใจเมื่อวานนี้ตอนที่เราประชุมตกลงกันว่าให้นําเอา m สิบหกสองกระ บ, บอกนี้ ออกมาเพื่อจะใช้งานได้ในระหว่างที่พวกเราทั้งหมดยังอยู่ในเขตอันตรายจากโถงช้างทางฝ่ายเราเสนอกับเขาไปเองว่าให้มอบปืนสองกระบอกนี้ไว้กับเขาแต่คุณจําได้ไหมคุณเองเป็นคนตั้งเงื่อนไขไว้ว่าจะมอบให้ฝ่ายเขาไปเฉพาะเวลาออกเดินทางเท่านั้นพูดง่ายๆก็คือขอแรงให้พวกเขาแบกไปแต่เมื่อถึงที่พักหรือในเวลากลางคืนคุณก็สั่งให้เขานํำปืนทั้งสองกระบอกนี้มามอบคืนไว้กับพวกเราคุณคิดบ้างไหมว่าระพินเขาจะรู้สึกยังไง เขาต้องคิดว่าพวกคุณไม่มีความไว้วางใจเขาอยู่ตลอดเวลานั่นแหละซึ่งมันไม่ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นมาเลยตราบใดก็ตามที่พวกเรายังยอมรับว่าในป่านี้เราจะต้องพึ่งเขาทั้งหมดทุกอย่างโอ้คริสรังเบาๆหน้าเสียที่ฉันสั่งไปอย่างนั้นฉันไม่ได้หมายความไกลไปถึงเพียงนั้นเลยมันจะผิดแปลกหรือมีข้อได้เปรียบเสียเปรีย บ, ยบแตกต่างกันอย่างไรสมมติว่าเวลากลางวันระหว่างออกเดินทางปืนสองกระบอกนี่อยู่ในมือของฝ่ายเขาแล้วเวลาหยุดพักนอนฉันเรียกปืน ให้มาเก็บรักษาไว้ที่เราถ้าฉันกลัวว่าปืนทั้งสองกระบอกนี้จะกลับมาเป็นอันตรายใดๆกับพวกเราแล้วก็เรื่องอะไรที่เราจะมอบให้เขายึดถือไว้ในเวลากลางวันผลมันก็ไม่เหจะแตกต่างกันสักนิดที่ฉันสากเอาไว้ว่าตอนกลางคืนถึงตอนที่พักถ้ามาคืนเพราคิด ว, ว่ามันเป็นปืนอัตโนมัติและคงจะไม่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของพวกเขาตลอดเวลาชวงลูกหาดคนใดคนหนึ่งอาจจะไปหยิบถือขึ้นมาดูเล่นโดยที่ไม่รู้กลไกของมันมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ฉันป้องกันในเรื่องนี้ต่างหาก ไม่ใช่จะระแวงไปว่าพวกเขาจะใช้ปืนทั้งสองกระ บ, บอกนี้มาทําการยึดอํานาจอะไรเราระหว่างทางหรอกเพราะถ้าจะทําอย่างนั้นแล้วก็เขาทําได้ตลอดเวลาอยู่แล้วคุณคิดมากไปเองวุฒตัวเ ข, ของนายฮันเตอร์คนนั้นฉันก็ไม่เห็นเขาแสดงอะไรเลยขณะที่ฉันสั่งออกไปนะ่ะคนฉลาดใครเขาจะแสดงความไม่พอใจอย่างใดอย่างหนึ่งให้คุณเห็นแต่ขอให้คุณรู้เถอะว่าการวางกําหนดกฎเกณฑ์ของคุณไว้เช่นนั้นเกี่ยวกับปืน M62 กระ บ, บอกนี้ไม่ได้สร้างความรู้สึกดีให้แก่ตัวเขาเลยนะ โอเคเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เองดอเอรเซรี่บอกมือ้องสัตว์ตรวเบาๆผมอีกคนหนึ่งที่จะยืนยันได้ตามที่พิสว่าเรามันไม่มีเจตนาอะไรทั้งสิ้นวดคุณเอาเปืนสองกระบอกนั่นไปมอบให้ขแข่แกเขาเถอะบอกด้วยว่าขอให้ฝ่ายเขาเก็บรักษาและดูแลรับผิดชอบตลอดไประหว่างการเดินทางไม่ต้องนำมาคืนให้กับเราในเวลาพักวางแคมป์ให้เสียเวลาหรอก ไอ้ที t, ่ผมไม่ได้ส่งปืนสอกระบอกนี่คืนกลับเข้าไปตอนที่เดลคอปเตอร์มาส่งของให้แกเราที่ทุ่งโล่งเหนือซับบอลก่อนน่าจะใส่หน้าถาขึ้นมาก็เพราะคิดสังหอนดูว่าเพราอาจจะเป็นต้องใช้มันก็ได้ไม่อย่างนั้นก็ไม่ขิวมาให้หนักเป็นภาระหรอกผมก็ว่าอย่างนั้นแหละไม่เห็นจําเป็นสําเน็ดที่จะต้องให้ฝ่ายเขาสือปฏิบัติว่าช้ามาเบิกไปแบบเย็นต้องนําคืนมาส่งมอบให้ยุ่งยากบกเ่า เมื่อเห็นว่าจําเป็นจะต้องมอบให้แก่ฝ่ายเข้าไปแล้วก็มอบให้แก่ฝ่ายเข้าไปเลยทํางด้คุณเกิดความจําเป็นต้องใช้งานเมื่อไหร่ก็ค่อยเรียกกลับคืนมาพวกเขาเองก็คงจะไม่คิดจะใช้มันหรอกนอกจากจะพายสํารองไว้ให้พวกคุณวิ่งไปเอามาหยิบถวยได้ง่ายๆดีกว่าแพ็คอยู่ในลังเท่านั้นเองเครื่อวัดพืด้นถึงแต่ซ่อนยิ้มไว้ในสีหน้ามิชชิดเขาต้องการให้ M16 ทั้งสองกระ บ, บอกนี้อยู่ในมือของฝ่ายรับทินมานานแล้วนับตั้งแต่เห็นว่าฝ่ายบริกันไม่ยอมส่งกลับคืนไปในขณะที่ เดดซัพเตอร์ประส่งของให้เมื่อเหตุการณ์อย่างปกติไม่มีอะไรไแรงนักอเมริกันกลุ่มนี้ก็ยังเ ก, ก็บรักษาเหลี่ยมครูอยู่ไม่น้อยเหมือนกันตามทิสัยที่เคยได้รับการอบรมกันมาเกี่ยวกับงานรับโดยถือหลักในข้อที่ว่าฝ่ายของตนเองจะต้องไม่หละหลวมและเหนือกว่าเสมอแต่ใ น, นที่สุดพอวิกฤตการณ์มันเกิดขึ้นชนิดไม่มีทางหรือไม่มีอะไรมาเป็นหลักประ ก, กันได้ว่าแม้ชีวิตของพวกตนเองก็ยังไม่สามารถจะทราบได้ว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปจากภครมืด ที่ไม่เกี่ยวข้องกับคณะซึ่งมาด้วยนี้เลยหากแต่เป็นภัยจากป่าดงดิบระเบียบหรือวินัยต่างๆเพื่อรักษาความปลอดภัยที่เคยได้รับการอบรมฝึกสอนมาก็ใช้ประโยชน์ อ, อะไรไม่ได้ความจริงใจรักใคร่สามาัคคีและความไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันต่างหากละ่ะที่จะช่วยทจ้านรอดพ้นจากภาวะขับขันไปได้วันเวลาที่ผ่านไปตลอดจนเหตุการณ์ร้ายๆที่หมุนเวียนให้เข้ามาผ่านครบทําให้อเมริการทั้งสีคนต้องเปลี่ยนแผนเดิมของตนเองหมดสิน้น ไม่อาจจะวางมาดหรือไว้ชั้นเชิงอย่างใดต่อไปได้อีกหรือถ้ายัางคิดที่จะกระทำก้าวโง่เต็มทีอยู่นั่นเองก่อนที่เขาจะกะตรงไปยังกลุ่มของระพินและคาร์ดินเมืองพวกนั้นคริสก็ก้าวเข้ามาหยุดจิ้มตรงหน้าเริ่มมือไปจับแขนของนายทหารหนุ่มไว้สายตาของหน่อนรอนรู่มวิงวอนวุถ้าหากระพินจะเกิดเข้าใจผิดหรือไม่พอใจอะไรชั้นในสิ่งที่ชั้นได้บอกเข้าไปเมื่อวานนี้คุณช่วยกรุณาแก้ไขด้วยนะ ในบรรดาพวกเราทั้งห้าคนนี้ไม่มีใครจะเป็นตัวแทนเพื่อเจรจาทุกสิ่งทุกอย่างกับเขาได้ดีไปกว่าคุณซึ่งเป็นคนชาติเดียวกันและฉันก็สังเกตเห็นว่าเขามีความรู้สึกที่ดีต่อคุณมากทีเดียวตรงข้ามกับฝ่ายฉันซึ่งเขาจะต้องระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะพูดอะไรออกมาสักคำไม่ต้องเป็นห่วงวันนี้เป็นหน้าที่ของผมเองเชิด ว, วุฒิยิ้มให้แล้วช่วยโอกาสจับแก้มพิสเล่นดือด้อพร้อมกับถาไปแต่พินกับลูกน้องใกล้ชิดทุกคนฟากันเงียบเกิดลงทันทีเมื่อเชิด ว, วุฒิเดินเข้ามาหยุดอยู่ที่ทวง นายทหารหนุ่มยิ้มให้กับพานใหญ่ส่งปืนสครามทั้งสองก็ บ, บอกให้เอ้าวคิดไว้เสียเลยเป็นโอกาสของพวกเราแล้วพวกนั้นคุนหัวให้ผมนำมาส่งมอบให้กับคุณไม่ต้องเอาไปส่งขึ้นอีกแล้วด้วยทั้งสองกร บ, บอกลูกเต็มอัตราศึกในแมกกาซีนและถ้าต้องการกระสุนอีกเมื่อไหร่ก็เบิ์เอาได้เต็มที่จากคลังอาวุธกลางลูกเอลสิหกมีเยอะแยะชิเดียวพวะนั้นขนกันมาเรากับจะเปกก็นโรคองใครอย่างนั้นแหละ กระพินรับมาอย่างไม่สนใจอะไรนะักเพียงแต่ชำเนงดูพันบังคับการยิงเห็นว่าทั้งสองกระบอกอยู่ในจังหวะห้ามไกลเรียบร้อยก็วางไว้ข้างๆตัวยังไม่กำหนดชับลงไปในขณะนั้นว่าจะมอบให้ใครคนใดคนหนึ่งของเขาสลายไปแต่พวกพานพื้นเมืองมองปืนกลนแบบล่าสังหารนั้นตาเป็นมันนึกแล้วยังไงยังไงเสียนายทหารก็ต้องหาอุบายเอาปืนสองกระบอกนี่มาให้พวกปนคาจนได้นั่นแหละมีอย่างรึ ตอนที่ไอ้มแมลงปอนั่นมาส่งของให้แทนทีจะส่งปืนสองกระบอกนี่กลับคืนไปไม่ต้องเป็นภาระแบบถาให้หนักเพราะมีปืนล่าสัตว์ใหญ่ส่งมาให้แทนแล้วกลับให้ขอบมาด้วยมีหนำซ้ำํายังให้มัดเข้าหีบพอเสีย อ, อีกเพราะพวกตัวเองก็ไม่มีใครคิดจะสลายปืนสองกระบอกต่อไปบนคําพูดคือมาเปรย์เปย์ อ, อย่างยินดีเชิดวุ้ยขยิบตาให้เชื่อหานาหรือยังไงยังไงพวกนั้นก็ไม่มีทางเหนือเม่ไปกับพวกเราได้หรอกลงอยู่กลางดงดิบแบบนี้ล้วก็ ต่อให้มีวิชูติดต่อกับกองบัญชาการของเขาได้เครื่องนั้นด้วยอีกเครื่องหนึ่งก็ตามเถอะแล้วนายทหารหนุ่มก็แตะไหล่รพินผู้นั่งคัดสมาติอยู่จนกายลงใกล้ๆแถวเสียงลงพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าพวกนั้นหนาก็ส่งผมมาสอบแนมคุณว่ากําลังศึกษาหาเรืออะไรกันหรือมีทีท่ายอย่างไรต่อไปถ้าคิดว่าผมเป็นฝ่ายเดียวกับคุณพอที่จะไว้วางใจได้ก็บอกให้ฟบ้างสิรับรองได้ว่าอะไรที่คุณไม่ต้องการให้อเมริกันพวกนั้นรู้ผมจะกิดไว้ ละพิมสบตาบิดชายของท่านในคนผู้ซึ่งถูกตากับเขากระแสแรกครบเชิววดวุฒิมีดีอยู่อย่างหนึ่งคือตรงไปตรงมาเปิดเผยกันเป็นกันเองกล้าหาญแบบลูกผู้ชายชาติทหารและมีวิญญาณของความเป็นไทยแท้ทำให้เขาเกิดความสนิทใจและรักใคร่เหมือนน้องชายคนหนึ่งแม้นว่าหน่าฉากเบื้องนอกต่อหน้าอเมริกันทั้งสี่เขาจะแสดงว่าไม่สนใจหรือสนิทสนมอะไรจับเชิววดวุฒิเป็นพิเศษก็ตามพวกนั้นสงสัยอะไรผมนะครับความจริงก็ไม่ใช่สงสัยอะไรหรอกนะ หรือว่าไม่ใช่วัไว้วางใจอะไรคุณหรอกเพียงแต่เขารู้สึกกันว่าเรื่องร้ายแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณน่าจะรู้ลึกซื้อหนาบางอะไรมากกว่านี้เพราะที่บอกกับเขาไปแล้วนะพวกเขายังพากันกังวลอยู่และอยากจะรู้ว่าอะไรเป็นความคิดของคุณในขณะนี้รู้สึกว่าพวกนี้จะเป็นพวกที่ขี้สงสัยกันจริง <c oughs> อ้าวก็พวกจาราบุรุษจาราสตรีทั้งนั้นคุณก็รู้อยู่แล้วและแต่ละคนก็ฉลาดรา่ากับกฎไม่เห็นเหรอว่าเดี๋ยวนี้นะ <c oughs> พวกนั้นนเปลี่ยนท่าทีไปเช่นไรบ้าง เขาพยายามจะใกล้ชิดสนิทสนมกับคุณให้มากที่สุดแต่จะจริงใจแค่ไหนผมไม่รับรองนะแล้วเชิญเวิร์ก็พูดเป็นภาษาอเังกฤษด้วยสำเนียงต่ําๆเพื่อไม่ให้พวกพานเพื่อนเมืองรู้เรื่องว่าคุณรู้ตัวแล้วหรือยอย่างขณะนี้นาะยหัวหน้า ง, งานของเขาสั่งลูกน้องสาวสวยทั้งสองคนให้คอยประกบตัวคุณไว้อย่างใกล้ชิดที่สุดทีเดียวผมคิดว่าโดยคําสั่งนั้นแม่ผมแดงกับแม่ผมทองจะต้องคอยเอาใจคุณทุกอย่างแม้นว่าอืมอย่าพูดดีกว่าคุณแล้มันเสียวท้องน้อยผมเอง ถ้าผมเป็นคุณในขณะ น, นี้ก็มองเห็นสวัลิบลิบแล้วจะปลูกเนินหญ้าสีแดงหรือสีทอก็สบายใจเฉยเลยสะดวกทั้งสองทานนั่นแหละและพิ่นขโมดคิวนิดหนึ่งบุญคําสกิทที่ขาวของเชิดวุฒพร้อมกับแกรมนี่นายทหารเชิดวุฒนายเป็นคนไทยนะแล้วก็พูดอยู่กับคนไทยทําไมจะต้องพูดภาษาไอ้ตาน้ําข้าวด้วยพูดให้บุญคําฟังรู้เรื่องมัางทีฟิวชั่นไฟฟังแล้วไอ้คำไม่สบายหูเลยพับปากเชิดวุฒยิมย้มยิม้มเอาข้อสอกกับทุ้งสีข้างตาทานเท่า นักเสือกตอบยอดสั ป, ปดนตัวยงเผยก่อ น, นหน้าบุญคําเดี๋ยวเราค่อยคุยกันให้มีเรื่องที่จะได้ให้ฟังเฉพาะคนอื่นรู้ไม่ได้เรารู้กันสองคนเท่านั้นระหว่างชันกะลงบุญคําเขาจะสนใจทําตาโตมองหน้าแต่เชือดวุดละความสนใจเสียหันไป ม, มองระพินตามเดิมชายใหญ่ถามมันกระซิบเพื่ออะไรกันครับหัวหน้า ง, งานขงเขาวางแผนอะไรกับผมใช้ผู้หญิงล่อเพื่อลวงสู้สิ่งทุกอย่างจากคุณนัสี โดยเฉพาะเมื่อเขารู้อยู่แล้วว่าชีวิตความสำเร็จทุกอย่างในงานของเขามันขึ้นอยู่กับคุณคนเดียวถ้าคุณเบี้ยวเสียอย่างเดียวเท่านั้นพวกเขาก็ลำบากดรสเตลลี่นะกลัวใจคุณมากในกรณีที่คุณไม่ค่อยจะพูดอะไรนี่แหละคุณยิ่งนิ่งเฉยมากเท่าไรเขาก็ยิ่งรู้สึกลำบากใจมากเท่านั้นเลยใช้ให้เบลกับคสคอยทอดเสน้นอ่อยเหยื่อไว้เรื่อยๆจวามพานถอนใจยาวพร้อมกับสายจิ้งจกแทบช้าพวกนี้เข้าใจผมผิดจริงๆเขามาดูแก่นแท้ของผมหรอก ถ้าคุณมีโอกาสจะพูดให้เขาเข้าใจได้ก็โปรด บ, บอกก็สักว่าคนที่ชื่อระพินทร์ไพวันนะ่ะมีเกียรติยศอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือความซื่อสัตย์สจริตต่องานในหน้าที่ไม่จําเป็นที่เขาจะต้องมาวางแผลอะไรกับผมไม่เสียเวลาหรอกแต่การที่จะสแสดงความเป็นมิตรแสดงน้ำใจในตรีด้วยนั้นเป็นสิ่งที่ดีอยู่และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้าแผนงานของเขาเสําเร็จแล้วอยากคิดหักหลังพพผมเท่านั้นพวกเขารู้สึกอึดอัดใจในความเงียบๆเฉยๆของผมผมก็อึดอาดใจที่เขามีวิธยสามาร ถ, ถติดต่อกับเขาบังคับการของเขาได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเคลื่อนไหวไปไหนมาแสดงว่าเราตกอยู่ภายใต้สายตารูกเห็นเขาพวกเขาตลอดเวลาการส่งกําลังมันลงสามารถจะส่งมาเมื่อไหรก็ได้ทั้งสิ้นรวมทั้งคขาสารับลับต่างๆแต่เอาเถอะผมก็อยากจะดูเหมือนกันว่าไอ้เครื่องวิทยุของเขาน่าจะใช้งานไม่ได้สักนานสักแค่ไหนนี่มันก็ยังอุ่ใจอยู่บ้างที่มีคุณเชิดวุฒิแท้ซึมอยู่ในพวกเขาอีกคนหนึ่งถึงอย่างไรเราก็เลื่อยคนไทยด้วยกันไม่อย่างนั้นผมก็หนักใจยิ่งกว่านดิสียอีก ผมแน่ใจว่าโดยน้ำใจจริงๆและความรู้สึกของแต่ละบุคคลแล้วทั้งสีคนนั่นเดี๋ยวนี้ค่ะนิยมนับถือน้ำใจของคุณมากเดียวนะเป็นไว้อย่างเดียวเท่านั้นถ้าหากมีคำสั่งลับจากเบื้องบนสั่งลงมาก็คงจะต้องถือคำสั่งเป็นใหญ่ก็บอกแล้วว่าพวกสายลับเสียอย่างแต่ให้ตายเถอะผมไม่ห่วงเลยสักเม็ดมองเห็นอยู่ชัดๆแล้วว่าทั้งสีคนนั่นลูกไก่ในกำมือของคุณสำหรับกลางป่าแบบนี้เมื่อคืนนี้ขัดคุณไปเสียคนเดียวพวกนั้นตกใจเสียยิ่งกว่าอะไร แต่ละคนเรียกหาคุณเสียงหลวงเส้นเล่าๆไปทีเดียวเชิญวุก็กลับมาพูดสายาไทยอีกครั้งหนึ่งให้ทานเพื่อนเมนทุกคนที่นั่งรำวงอยู่ได้ยินว่าแต่กำลังปรึกษาอะไรกันอยู่ผมรู้สึกว่าคุณจะไม่สบายใจมากทีเดียวและขึนขืนยิ้มผมจะสบายใจได้อย่างไรล่ะครับในเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้แล้วลูกน้องของผมก็ตายไปแล้วสองคนเพิ่งฝังศพไปหยกหยกลูกหาดสิบคนที่ผมคัดตัวมาเหล่านี้ล้วนเป็นเด็กหนองน้ําแห้งใกล้ชิดสนิทสมนมกับผมทั้งนั้นทุกคนฝีมือดีใจถึง ผมไม่คิดเลยว่าเดินทางมายังไม่ทันถึงไหนถึงไรก็เสียเขาไปแล้ว ส, สองคนภายในนเดียวกันนี่ผมก็กาลังปรึกษาหารือกันอยู่ว่าจะรับมือกับเหตุการณ์ข้างหน้าเป็นอย่างไรดี<ว><น>เกี่ยวกับไอ้ผีดิบลึกลับตัวนั้นกับโขงของไอ้งาดําซึ่งมีอะไรเกี่ยวพันกันอยู่ทัพพฤติการของมันไม่ใช่ของการบังเอิญแต่เป็นการส่อเจตนาที่จะเล่นงานเราที่หน้าทั้งคณะเต็มไปด้วยแผนการในเหลี่ยมชั่วร้าย เป็นอุปสรรคทจัดขวางการเดินทางของเราเส็จแล้วเนื่อกว่าอะไรทั้งหมดก็คือเจตนาท้าทายรองดีกับผมโดยตรงเชิญวิจารณหน้าเขาผมยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลี้ลับมาสุดจัง น, น่าขนลุกแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเกินความสามารถของคุณไปได้เรื่องร้ายแรงอย่างเมื่อคืนนี้จะไม่เกิดขึ้นและลูกหาดสองคนน่าคงจะไม่ตายถ้าหากคุณเป็นปกติสภาพดีโดยไม่เจ็ค่ายได้ป่วยเสียยอม่านเอาเมือกุมขมับผมเก็บใจตนเองจริงๆแนะยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดของผมเอง การเจ็บป่วยของคุณไม่ใช่ความผิดพลาดมันเป็นสิ่งที่ทุนิสัยพวกนั้นหารือกันและกันแล้วเหมือนกันลงความเห็นว่าต่อไป น, นี้พวกเขาจะต้องระวังสุขภาพของคุณให้มากที่สุดจะปล่อยให้เกิดเจ็บไข้หมดสติไปไม่ได้อีกคุณเองก็พยายามจะซ่อนจุดอ่อนนี้ไว้โดยไม่ให้เขาเห็นมันก็เลยเกิดเหตุร้ายแรงนี้ขึ้นจนได้สรุปผลของการหารือฝ่ายโนู้นก็คือช่วยกันระวังสุขภาพของคุณเพื่อให้คุณทำหน้าที่ระวังภัยให้แก่พวกเขาความจริงถึงคุณจะป่วยเสียคนหนึ่ง ลูกน้องมือดีๆของคุณก็ยังมีอยู่ที่สี่คนบุญคำจันเกิดและเสยไม่น่าจะได้รอดเข้ามาได้งดพวกเราได้เลยระหว่างเกิดเหตุนะเป็นเวรของบุญคำด้วยครับเขาบอกตามตรงโครงศีรษะอยู่ไปมาก่อนที่ผมจะไม่ได้สติไปผมก็กําชับบุญคำไว้แล้วให้ความระวังแต่ตานี้ก็ดันเขอหลับไปจนได้ บอกว่าเหมือนถูกมนต์สะกดพ่อนายก้อยสองคนที่คอหักไปนั่นแหละมา น, นั่งหลับยาเหมือนกันไม่อย่างนั้นมันก็ไม่ถูกขยุมคอลากไปทิ้งหรอกคุณคําบอกแล้วว่ามันจะต้องเกิดจากอํานาจอะไรสักอย่างหนึ่งที่มาครอบงําไว้ทําให้พวกเราหลับกันเป็นตายไปหมดตามปกติแล้วนายก็รู้ว่าพวกคุณคนะําน่ะต่อให้หลับอยู่แม้แต่มดสักตัวหนึ่งถ้ามันเดินเข้ามามุ่งร้ายพวกเราเราก็ตื่นกันทันแต่นี่ไม่รู้สึกตัวตื่นขึ้นมากันเลยหลับกันหมด ตาพรท่าบนอู้อีแล้วสุโอบานสามแค่ยืนนั่งอฟังไม่ได้สับก่อนที่เชิดวุฒจะซักถามอะไรต่อไปนั่นเองกระพินก็จับแขนไว้จ้องหน้าอย่างเป็นห่วงคุณเชิดวุฒเข้ามาก็ดีแล้วครับผมอยากจะทราบว่าคุณมีพระเครื่องรางติดตัวเข้าป่าปมาคราวนี้ด้วยหรือเปล่าอีกฝ่ายงทำหน้าง ง, งๆงยังไม่เข้าใจอะไรนะักแต่งัดสร้อยเซเลสที่แขร์พระเครื่องไว้องค์เดียวออกมาให้ดู ตะเทยียนชงโงกหน้าเข้าไปใกล้ใช้มือประคองพระเครื่องที่รองกรอบไปด้วยโลหะขาวธรรมดาดูผัดผาดว่าเป็นสิ่งที่พื้นๆปราศจากราคาข้า ง, งวดนั้นขึ้นมาเป็นเจรณ า, าอย่างละเอียดที่ท่วนที่สุดวัตถุนั้นทําด้วยเนื้อว่านสีดําสนิทเป็นรูปทัดทิศชลาภาพอยู่ในลักษณะนั่งสมาธิส่วนสูงเพียงนิ้วเสเท่านั้นลักษณะทั่วทั่วไปเกือบจะไม่มีความน่าสนใจอะไรเลยทั้งสิ้น องค์พระเครื่องนั้นก็เรี่ยมโลหะไว้ในสภาพห ย, ยาบๆคือเรี่ยมเป็นกรอบเฉพาะด้านข้างเปิดส่วนหน้าและส่วนหลังโดยไม่มีวัตถุอื่นใดพุ่มทั้งสิ้นกิ่ของเนื้อว่านอันเป็นองค์พระพิสุชรลา ซ, ซึ่งเสียดสีสัมผัสกันบริเวณช่วงอกของผู้แหวนอยู่ตลอดเวลาจนเกลี้ยงและสึก แค่จะมองไม่เห็นองค์ได้ขนาดนักนอกจากเขาโครงเดิมเท่านั้นภาพของสร้อยเด็ยดและองค์พระเทพที่การใหญ่ที่นิดดูอยู่ในขณะนี้บอดเด่นทันทีถึงความคารพบูชาและสัมผาสเรื่องใสของผู้สวใสชนิดที่ใช้ติดตัวจะตลอดเวลาแทบจะไม่ได้ถอนออกเลยและได้ใช้ติดตัวมานานกวสิบคนทีเดียวก็เหลือบดูหน้าชดวุฒซึ่งก็มองเขาอยู่ก่อนแล้วชันเันคุณคงจะผิดหวังมากใช่ไหม คงนึกว่าอย่างน้อยคุณคงจะเห็นสร้อยคอทองคําหลักหลายๆบา่าและพราที่ผมใช้ประจําตัวก็คงจะหุ้มทองอราราบไปหมดเป็นพระเครื่องที่ได้เจ้ากันในราคาแพงนับแสนแสนถ้าอย่างนั้นเราก็ขอให้คุณรู้ไว้เสียด้วยว่าคนอย่างผมถึงแม้จะนับถือศาสนาแต่ผมก็ไม่ใช่พวกบ้าหละเครื่องโดยสนใจนมาก่อนทั้งสิ้น นินนำซ้ําสมัยก่อนๆ น, นี้ก็ไม่เคยเชื่อถือเลยด้วยซ้ําจนกระทั่งมาประสบเหตุการณ์ด้วยตนเองเข้าหลายๆครั้งจากอภิิหารที่ท่านสำแดงให้เห็นชัดๆกับตาผมก็เลยต้องยึดถือท่านเป็นสรณะที่พึ่งในทุกสถานการณ์ที่เข้าตาร้ายและก็เลยนิมนุนท่านติดตัวไว้องค์เดียวเท่านั้นไม่เคยให้ห่างตัวเลยวิบว่าผมจะอยู่ที่ไหน ตามปกติโดยทั่วๆไปแล้วต่อให้คนใกล้ชิดผมสักเพียงไหนก็จะไม่รู้ว่าผมมีพระอยู่องค์เดียวที่ผมเชื่อในพุทธคุณมากที่สุดและในมนท่านไว้กับตัวเสมอดูผัดผ่านคนทั่วไปจะคิดว่าผมไม่สนใจอยู่กับเรื่องชนิดนี้ผมก็นึกแปลกใจเหมือนกันที่คุณมาถามผมวันนี้เลยเอาออกมาให้ดู ผมมีท่านอยู่องค์เดียวนี่เท่านั้นแหละคุณลพิงและถึงไหนก็ถึงกันผมไม่เคยหวัน่นว่าแต่คุณชำนาญในพระเครื่องและดูออกหรือเปล่าว่าพระอะไรละพิงสันทิสาชาๆผมไม่ชำนาญในเรื่องพระเครื่องเป็นพิเศษเหรอกครับแต่ก็พอจะดูออกว่าเป็นพระอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ที่คุณแขวนอยู่นี่และคิดว่าคุณใช้ไม่ผิดแล้วด้วยว่าแต่ไดมาจากไหนครับองค์นี้เช่ามาคุณพ่อหรือใครให้ เชิญผู้ถวเาเบาเบผมนะ่ะไม่เคยเช่าพระหรอกนะและคุณพ่อเองก็มีพระเครื่องดีๆอยู่มากจะมอบให้ผมอยู่หลายองค์หลายครั้งแต่ผมก็ขอฝากท่านไว้ก่อนองค์นี้นะ่ะผมได้มาจากมือของท่านอาจารย์คิมเองก่อนที่ท่านจะมรณาภาพไม่กี่เดือนเรื่องมีอยู่ว่าระหว่างไปราชการภาคใต้ผมแวะเข้าไปกราบหลวงพ่อทวดที่วัดช้างให้ แล้วก็เลยแวะเข้าไปกราบเยี่ยนท่านอาจารย์พิมที่เป็นเจ้าวาดอยู่ในขณะนั้นคุยกันได้แค่ไม่กี่คำผมเห็นท่านอาจารย์จ้องหน้าผมอยู่ครู่หนึ่งแล้วถามว่าไปนมัส ก, การหลวงพ่อทวดแล้วหรือยังผมผมก็ว่าผมไปกราบปูชามาแล้วท่านก็หยิบหลวงพ่อทวดเนื้อวาดองค์นี้แหละส่งให้ผมโดยไม่พูดอะไรอีกทั้งสิ้น ตอที่ผมได้รับมากับมือท่านเองนั้นผมก็รับมาโดยที่ไม่ได้สักทธาอะไรนักคิดแต่เพียงว่าเมื่อได้รับพระจากมือของท่านอาจารย์พิมพ์ก็ถือว่าเป็นเรื่องมงคลสําหรับตัวเองท้ากลับออกจากวัดผมขับรถจิบเลี้ยวคง้งคว่มสีตลกรถพังหมดทั้งคันโชคดีที่ผมขับไปคนเดียวไม่มีใครอื่นนั่งอยู่ด้วยตัวผมนั้นไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่รอยขูดขีดนอกจากตัวดํามิดหนีเพราะกระเด็นตกลงไปในปลักควายเท่านั้น หลวงพ่อทวดหอ่อผ้าชนหน้าอยู่ในกระเป๋าเสื้อของผมในขณะนั้นองค์เดียวถึงงั้นผมก็ยังงงงสับสนคิดว่าเป็นคราวเคราะดีของผมเองเสียมากกว่าอีกตอนที่ผมคนหัวรุกหัวช่างไปหมดและสัตยาบูชาท่านไว้เหนือหัวเป็นสาระประจำาตัวสูงสุดนี่แหละครับคุณรู้ไหมเล่าแล้วเหมือนโกหกลองไล่ผมฟังสิครับ ในสมอรัภูมิเวียดนามครับระหว่งางลาดตะเวนอยู่ในปากก่าเขตสู้รบตัวผมเองเหยียบกับระเบิดเท่าเต็มเปล่าแต่มันไม่ระเบิดพอผมค้อยหลังรับก้อนหินใหญ่ไปห่างแค่สี่หวาเท่านั้นไอ้มืดกับไอ้ขาว GI อีก4คนเดินตามหลังผมมาและเหยียบลงไปที่เดียวกันกับที่ผมเหยียบไว้ก่อนแล้วไอ้4คนนั่นเป็นหมูบะชอบไปเลยชุดลาดตะเวนชุดนั้นผมรอดมาได้คนเดียวต่อมาอีก3วันในเขตนามปินทหารหน่วย แทปเปอร์รอบชุ่มเข้าโจมตีระหว่างการยิงกันนั้นไอคนหนึ่งโผล่เข้ามาทางด้านหลังผมห่างไปไม่เกินห้าวา์พอผมเหลียวกลับมามันก็กดพรวดเข้าให้ด้วยเอเคจุดสี่เจ็ดเต็มอกขนาดมือกลางตีงกลางเท้าหลุดจากพื้นกระเด็นไปหงายท้องผมหมดสติไปประมาณชั่วโมงเศษมาฟืด อ, อีกทีอยู่ในโรงพยาบาลท่ามกลางผู้บังคับบัญชาของผมหลายท่านและนายทหารอเมริการอีกกลุ่มใหญ่ที่ยืนร้อมเฝ้าดูอาการอยู่ ผมรู้สึกเจ็บย่อไปหมดทั้งอกมีรอยกระสุนประมาณหกเจ็ดนัดกระแคบเป็นจ้ำจ้ำช้าเขียวพาวไปหมดทั้งอกและหน้าท้องเสื้อเครื่องแบบที่เขาเอามาให้ผมดูกระจุยไม่มีชิ้นดีผมนอนหยุดเจ็ดวันวันแรกๆไอออกมาเป็นเลือดและแทบจะกินอะไรไม่ได้เลยแม้แต่น้ําเพราะเจ็บอกไปหมดแต่พออาทิตย์หลังผมก็เข้าสนามรบได้อีกหลวงพ่อทวดในยุคนั้นผมเพียงแต่หอ่อพราชิ น, น้าใสาก่กระเป๋าเสื้อไว้เท่านั้ น, นครับหลังจากนั้นผมก็เลยอาราธนาขึ้นมาแผนคอไว้ ปาฏิหาริย์ของท่านในด้านพุทธคุณย่างสำแดงผมเห็นชัดๆอีกหลายครั้งหลายคราวนับไม่ถ้วนขณะฐานล้อของเครื่องบินไม่ยอมกลางออกและเกิดอุบัติเหตุขัดข้องจากเครื่องบินตรวจการที่ผมขับนึกว่าตายแน่ๆแล้วน้ำมันก็ใกล้จะหมดเต็มที่แก้ไข ย, ยังไงล้อมันก็ไม่ยอมกลางออกเท่าแล้วเท่ารอดผมก็ได้แต่อาราธนาบอกท่านแล้วร่อนลงทุ่งนาใกล้ๆรันเว เอาท้องเครื่องบินครูดไปกับพื้นคิดว่าระเบิดแงะแงะและตัวเองนก็คงจะไม่เป็นตอตะโกคาเครื่องบินนั้นแล้วเหมือนกันแหละแต่กลับกลายปรากฏว่าเครื่องไม่ระเบิดลูกเป็นไฟแต่ปีกขวากระแทกต้นไม้หักสะบ้านหมุนติว้วผมรอดตายมาได้ตามเคยจนกลายเป็นมนุษย์มาสจรรย์ของไอ้พวกนั้นไปหลวงพ่อทวดองค์นี้องค์เดียวเท่านั้นหละครับผมไม่เคยเล่าให้ฟังเลยนะนอกจากคุณพ่อและเพิ่งจะมาเล่าความจริงให้คุณฟังเดี๋ยวนี้เอง ถ้าผมไม่เชื่อมั่นในหลวงพ่อทวดองค์นี้แล้วก็ผมคงไม่กล้าเสี่ยงตายนำอเมริกันชุดนี้มากับคุณในการเดินทางครั้งนี้หรอกกระพินค่อยค่อ ย, อยบรรจงปล่อยพระเครื่องรางเพียงองค์เดียวที่ชดบุญแขนคอยอยู่คืนให้กลับเข้าไปอยู่ในอกเสื้อของเจ้าของตามเดิมคุณเป็นลูกที่นี่หรือเปล่าครับผามหมายถึงว่ามีพื้นเพลแอนกําเนิด อ, อยู่ในจังหวัดอันเป็นที่สร้างและปลูกเสกหลวงพ่อทวดหรือเปล่า ผมเกิดที่ปัตตานีครับแต่มาโตในกรุงเทพบ้านต้นตระกูลก็อยู่ที่นั่นนานๆผมก็ไปก ล, กลับไปเยี่ยมแหล่งเกิดสักครั้งหนึ่งถ้าฉะนนั้นผมก็วางใจได้แล้วว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตัวเองอย่างดีที่สุดไม่ต้องไปสแสวงหาสิ่งอื่นอีกว่าแต่มีบทอาราธนาพระเครื่ององค์นี้กำกับพระองค์อยู่คุณจาได้หรือเปล่าท่องได้ไหมเชิดวสัสสะมองเขาดูอย่างชงวนนิ ด, นด ผมจําไม่ได้แล้วครับรู้สึกว่าจะมีคาถากํากับมาด้วยเหมือนกันท่านอาจารย์ทิมมอบให้ผมพร้อมกับพระองค์นี้แต่ผมทําหายลืมไปหมดแล้วเหลืออยู่แต่เฉพาะองค์ท่านเท่านั้นผมอาราธนาไม่เป็นหลอกนอกจากคิดภาวนาอยู่ในใจระลึกถึงท่านเท่านั้นเองจอมภาไม่กล่าวอะไรทั้งสิ้นในขณะนั้นร่วมกระเป๋าเสื้อหยิบสมุดพกเล็กๆบางๆสําหรับจดหรือบันทึก อ, อะไรออกมาฉีกออกแผ่นหนึ่ง แล้วใช้ปากการูกเลื่อนเขียนข้อความลงไปประมาณสี่ห้าบรรทัดแล้วส่งไปให้นายทหารหนุ่มนี่คือคถาหรือบทอาราธนาหลวงพ่อทวดของคุณครับคุณเชิดวุธตั้งแต่นี้เป็นต้นไปทุกคืนก่อนเข้านอนหรือรู้สึกว่าจะมีเหตุเทศภัยมาถึงตัวมันภาวนาท่องคถาบทนี้ไว้จะไม่มีอันตรายใดๆมาแพรวพานคุณได้เลยไม่ว่าภัยจากสัตว์จากมานุษย์ด้วยกันหรือจากสยเวทลีลับมนต์มืดทั้งหลาย ขอให้ท่องให้ขึ้นใจไว้เท่านั้นแหละเชิดวุฒ ร, รับไปทําปากขมมยขมิบอันแล้วเหนืยหน้าขึ้นจ้องเขาอย่างประหลาดใจขีดสุดคุณลพินทําไมคุณถึงรู้คาถาบทนี้แปลว่าผมก็ลูกสิทธิ์ลวงพ่อทวดลูกศรริษย์รรของอาจารย์พิมพ์เหมือนกันสมัยเด็กๆผมเคยบวชที่วัดช้างให้ครั้งแรกนะผมหนักใจมากเมื่อมีเหตุอาถรรพ์ลึกลับคอยเจ้องจะเล่นงานเราอยู่เช่นนี้ถึงได้ถามว่าคุณยึดมั่นหรือมีอะไรเป็นเครื่องคุ้มครองตัวบ้างหรือเปล่า เมื่อเห็นว่าคุณศรัทธานักถือและมีหลวงพ่อทวดองค์นี้แขวนคออยู่ผมก็หมดห่วงคุณไม่ต้องสะดุ้งสะเทือนต่อไอ้ผีดิบลึกลักตัวนั้นอีกต่อไปรับรองได้ว่าต่อให้มันมีฤทธิ์เดชสักแค่ไหนมันก็ไม่อาจจะเข้าถึงตัวคุณได้หรอกปรับใดก็ตามที่หลวงพ่อองค์นี้ยังติดคอคุณอยู่ขอเน้นอีกครั้งนะครับอย่าลืมบทอาราธนาบทนั้นเสียนะครับมันภาวนาไว้เสมอๆ ม, มีข้อห้ามอยู่เพียงสองข้อเท่านั้นที่คุณควรจะละเว้นถ้าคุณนับถือท่านจริงๆ หนึ่งอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยไม่จำเป็นเว้นแต่การป้องกันชีวิตตัวเองเท่านั้นสองอย่ามั่วสุมกับการพนันหรืออบัยมุขแล้วเขาก็หัวเราะออมาเบาๆ มีหลวงพ่อทวดติดตัวอยู่ถ้าคุณเล่นการพ น, นันคุณจะแพ้หมดตัวและถ้าคิดจะล่าสัตว์เพื่อหวังเป็นเกมสนุกจะไม่มีสัตว์ตัวใดเข้ามาทางปืนของคุณเลยการให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเกลือคุ้มครองตัวโดยอํานาจของคุณพระคุณผู้นั้นจะต้องรักษาสัจจะให้มั่นคงนิฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่ช่วยอะไรเลย ทันตรีหนุ่มจ้องเขาอย่างสุดพิสวงและทึ่งขีดสุดลอกออกมาเบาๆผมไม่คิดมาก่อนเลยว่าคุณจะรู้อะไรในเรื่องนี้ลึกซึ้งขนาดนี้ลักษณะภายนอกของคุณไม่สอให้เห็นเลยนะบุญ ค, คำสกิดเขาเชิดุดบอกว่าบุญ ค, คำเคยบอกนายทหารแล้วไม่ใช่หรือว่านายระพินนะ่ะบุกป่ามาได้ทุกวันนี้นะไม่ใช่เพราะแกยิงปืนแม่นหรือเดินป่าเก่งอย่างเดียวแกยังมีดีอยู่ในตัวอีกด้วยไม่อย่างนั้นก็เหลือแต่ชื่อไปนานแล้ว เรื่องวิทยาอาคมแล้วพ่อมดหมอผีที่ว่ายเกี้ยวสักขนาดไหนก็ทำอะไรแกไม่ได้หรอกไม่ดีจริงแกก็อยู่ป่า น, นี้ไม่ได้เสียท่าอยู่อย่างเดียวอีตอนจับไข้สันผ ง, งาบงาบทั้งนั้นที่แกไม่รู้จะเอาคาถาบทไหนมาช่วยได้ต้องอาศัยยาฉีดยากินจากหมอทำผู้ของตาท่าบุญคำทำให้ทุกคนในกลุ่มนั้นหัวเราะขึ้นกระพินจุ ป, ปากเบาๆผักหน้าหงายไปแล้วหันไปทางเชิดบุตร คณะของเราทั้งหมดขนาดนี้กำลังตกอยู่ในภัยของมวลมืดนี้ลับพลาดแม้แต่นิดเดียวจะมีการล้มตายกันอีกอันตรายมันจะมาถึงเราในะรูปแปลกๆชนิดที่คิดไปไม่ถึงทางด้านผมนั้นพร้อมแล้วที่จะเผชิญหน้ารับมือกับมันโดยวิธีการของผมแต่เราไม่สามารถที่จะพูดโดยอธิบายอะไรให้อเมริกันทั้งสี่คนนั้นเข้าใจได้ง่ายๆนอกจากจะคอยดูและคอยระมัด ร, ระวังอันตรายแก่พวกเขาเท่านั้น ซึ่งเป็นภาระที่หนักเอาการพวกเขาจะเชื่อเฉพาะกฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์เท่านั้นและนั่นคืออันตรายที่จะเข้าถึงตัวได้ง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นผมขอฝากพวกนั้นไว้ให้อยู่ในการดูแลของคุณด้วยพยายามห้ามปลามเขาอย่าให้ชราใจออกนอกลูก่นอกทางเท่าที่ผมสั่งไว้ เพราะคำสั่งหรือคำขอร้องต่างๆของผมบางขณะเขาอาจจะเห็นว่าเป็นสิ่งเหลวไหลน่าขบขันก็ได้นี่ผมก็ยังอุ่นใจอยู่บ้างที่ตัวคุณเชิดวุฒิเองก็ยอมรับและเชื่อถือในสิ่งเหล่านี้อยู่และทําตัวให้สอดคล้องกับพวกเราได้โดยไม่เห็นเป็นเรื่องไร้สาระสําหรับผมคนละพินไม่ต้องห่วงผมไม่เคยเห็นว่าความอาถรรพ์ลี้ลับมาสจัญที่ไม่สามารถจะพิสูจน์ได้โดยกฎเกณฑ์ของทิยาศาสจะเป็นเรื่องเหลีวไหลไร้สาระเลยก็ถึงอย่างไรผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่ง ถึงแม้จะศึกษาและคลุกครีกับโลกวิทยาศาสตร์มาแล้วสักแค่ไหนก็ตามทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันออกมาจากต่าของคุณซึ่งก็ผ่านโลกจนเิยมาแล้วเช่นกันอํานาจพระคุณที่ผมเคยพบมากับตาตนเองยิ่งทําให้ผมเชื่อว่าไสยศาสตร์มนต์มืดนั้นเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยอํานาจลึกลับในสิ่งที่ดีงามยังสัมเดงปรากฏตการได้ทําไมอํานาจลึกลับของสิ่งชั่วร้ายจะสแสดงปฏิหารบ้างไม่ได้ แต่ก็ดีเหมือนกันนะผมก็อยากจะให้ฝรั่งพวกนั้นโดนกับตัวเองเสียบ้างจะได้สริมสร้างในสิ่งที่เขาไม่เคยเชื่อถือมาก่อนเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ทาเอาทั้งสี่คนนั่นแทบจะเป็นบ้าไปทีเดียวแหละว่าแต่คุณจะบอกความจริงอะไรในสิธิที่คุณยังไม่ได้บอกฝรั่งพวกนั้นที่ผมรู้ไว้ก่อนบ้างได้ไหมเหตุการณ์เมื่อคืนนี้มันเป็นยังไงกันแน่ ลพินอึง้งไปครู่ใหญ่มองหน้าเชิดพุธเหมือนจะช่างใจรับรองได้ไหมว่าคุณจะไม่นําเรื่องนี้ไปได้พวกนั้นฟังก่อนรู้ไว้เฉพาะตัวคุณเองก่อนเท่านั้นผมยังไม่ต้องการที่ไปอะไรพวกเขาฟังเพราะแน่ละมันจะเต็มไปด้วยคําถาม ท, าที่ติดตามมาอีกมากมายเหลือเกินซึ่งผมยังไม่พร้อมที่จะพูดให้พวกเขาเข้าใจจนกว่าเหตุการณ์มันจะค่อยๆ ค, ค ล, ค ล, คลี่คลายตัวของมันเองออกมาแทนคําตอบเชิดพุธกำพร้าเครื่องที่ห้อยคอไว้ชูขึ้นประกอบคําพูดผมสาบานต่อหน้าหลวงพอ่อทวด ว่าจะปฏิบัติตามคําสั่งของคุณตัวคุณเองก็เหมือนกันถ้าพอจะทราบอะไรเป็นราวราบ้างแล้วก็อย่าตกใจอย่าขวนเสียคุณมีเครื่องรางอย่างดีคุ้มครองตัวเองอยู่แล้วอย่าพลันพึงกับมันไม่ว่าคุณจะอยู่ใกล้ผมหรือว่ามีเหตุอันเป็นไปจะต้อง พ, พลัดพรากแยกกันไปพลัดทางก็ตามคําพูดของจอมกุเทศทําให้เชิดพุท ผ, ผลลูกเกลียวขึ้นมาอย่างประหลาดแต่พยายามปรับกําลังใจให้เข้มแข็งมั่นคงขึ้นยิบออกมาเรื่อยเรื่ย ถ้าอยู่ใกล้คุณผมไม่หวั่นกับอะไรเลยสักอย่างไม่ว่าจะมาในรูปไหนแต่ถ้าจาเป็นจะต้องพลัดพลาจากคุณไปเมื่อไหร่ผมก็ยังมีหลวงพ่อองค์นี้เป็นสลำนละ คิดได้อย่างนี้ก็ดีแล้วอะไรนะผมจะเปิดเผยให้คุณทราบเพียงคร่าวๆก่อนเท่าที่ผมพบเห็นกับตาตนเองและจากการค้าขคะเนส่วนเรื่องอะไรที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นสิ่งที่เราต้องค้นหาความจริงกันออกไปในอนาคตข้างหน้าพวกผมก็กาลังปรึกษาหารือกันอยู่ในเรื่องนี้แหละก่อนที่คุณจะเข้ามาร่วมวงแล้วราพินภัยวันก็ตัดสินใจเล่าความจริงให้เชิดุททราบเกี่ยวกับทราบมัมมี่โบราณคนันเอายุไขของมันไม่ได้ ที่เขาและบุญคำไปพบมันนั่งอยู่ในซอกขินระหว่างที่ตามไล่ยิงโพงช้างไปเมื่อบ่ายวานนี้การหันกลับไปที่ซากของมันอีกครั้งหนึ่งโดยการสังหารของบุญคำเพื่อเอาสายสินไปวงล้อมสร้างมันไว้แต่ปรากฏว่าซากได้อันตรายหายไปแล้วอย่างปราจากร่องรอยก่อนที่เขาและบุญคำจะย้อนกลับไปถึงที่เก่าและไอซ่าอุบานั่นเองที่ย้อมเข้ามาได้งานลูกหากเสียชีวิตสองชีวิตระหว่างที่ตัวเขาเองจับค่ายอยู่ แล้วยิงกวากมือเรียกเบลจนสเตอรี่และผู้ควบคุอื่นๆตื่นขึ้นมาเห็นเหตุการณ์เสียก่อนสกัดกั้นขัดขวางไว้ทันพร้อมทั้งคริสได้ยิงไล่หลังมันไปจนกระทั่งบุญคำและจันทรได้สาวรอยพบว่ามันหายเข้าไปในโครงชักไอ้งาดําที่ยืนรอรับอยู่ก่อนแล้วเหตุการณ์ระยะดางๆเป็นเหตุการณ์ที่เชิดพุธได้รับทราบอยู่ก่อนแล้วโดยเฉพาะเมื่อตอนเกิดเหตุกรียุกขึ้นกลางตึกแก่คณะทุกคน นายทหารหนุ่มนั่งฟังชนิดลืมตาโพรงตะลงึลงทึงเคลื่อไปช่วงขณะผมนึกออกแล้วในที่สุดบุตรชายของท่านในพลที่มาด้วยกันกับคณะก็พูดขึ้นเสียงไม่ดังเกินกระซิบตอนที่คุณตามยิงช้างเงียบหายไปเมื่อบ่ายวันนี้และทางด้านนี้ที่เรียกคุณต่อมาคุณก็ขอพูดกับคุณคำ คุณคำพูดกับคุณในวิทยุและประสาความกับเป็นภาษาเกาหยงนั่นใช่ไหมครับตอนนั้นแหละที่ผมพบซากของมันนั่งอยู่ในซอกหินเหนือลํำห้วยผมสั่งให้บุญคำตามไปดูด้วยตอนนั้นพานของผมอีกสาคนนี้ยังไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิน้นผมสั่งให้บุญคำปิดทุกคนไว้ก่อนเป็นความรับภาษาเกาหลีที่คุณสั่งความกับบุญคำทำชุดนั่นแหละที่พวกฝรังนั้นได้ยินอยู่ด้วยและเกิดความสงสัยอยู่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ว่าคุณพูดอะไรกับบุญคำโดยเฉพาะคริสตั้งข้อสงสัยมากที่สุด ผมรู้ครับว่าพวกนั้นสงสัยแต่ก็ไม่ทราบจะบอกความจริงกับเขาได้อย่างไรเกี่ยวกับไอ้ซาบมัมมี่ที่ผมไปเห็นนั่งแข็งโดอยู่นั้นขณะที่ผมเห็นผมก็ตัดสินใจไม่ถูกว่ามันจะเป็นอะไรมาจากไหนและมันนั่งอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่เดาไม่ถูกอีกด้วยว่ามันจะก่อเหตุยุ่งยากอะไรให้แก่คณะของเราหรือไม่ตอนที่บุณคามาชวนผมกลับไปที่ซาบนั้นอีกครั้งหนึ่งขณะนั้นฝนกําลังจะตกหนักคุณคงจําได้ ครับผมจำได้แล้วรู้ด้วยว่าคริสกระเบลสงสัยคุณกับคุณคำเต็มที่ได้รับคำสั่งจากสเตลลี่ให้ติดตามคุณไปดูเหมือนจะไปให้จันเป็นคนนำทางไปไม่ใช่หรือ สองคนนั่นสะกดหลังผมกับบุญคำไปครับโดยให้จันออกสาวลอยแต่มันก็พอดีกับที่ผมและบุญคำเดินกลับจากตำห น, นัก น, นั้นแล้วเราสวนทางกันภายหลังจากที่ผมและบุญคำย้อนกลับมาอย่างลําห้วยฝั่งนี้แล้วทั้งเบลและคริสก็เลยไม่ทราบว่าผมกับบุญคำไปไหนซึ่งผมก็บอกว่าออกมาสำรวจดูที่ลําห้วยเกรงว่าน้ําจะท่วมเพราะฝนกาลังตกหนักผมเอาเบลกับคริสกลับมาถึงแคมป์โดยที่ทั้งสองคนไม่รู้อะไรทั้งสิ้นนอกจากสงสัยอยู่ทช่นั้นว่าผมไปไหนกันมาในตอนนั้น เชิดวิตกับริป่าแน่นหัวคิ้วขมวดเสียดายเหลือเกินที่เรากําลังจะเตรียมตัวออกเดินทางกันเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นผมจะให้คุณพาผมไปดูกับตาในตำแหน่งที่ไอ้มัมมี่ตัวนั้นนั่งอยู่ในซอกหินตรงที่คุณพบไปดูตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วครับเพราะมันเคลื่อนที่ไปแล้วอย่างดีก็เห็นรอยมีดที่ผมขีดไว้เป็นแนวตามลําตัวของมันที่นั่งพิงก้อนหินอยู่เท่านั้นเอน่าอาศาัศจรรย์ใจเหลือเกินว่าแต่คุณแน่ใจหรือว่าขณะที่คุณไปพบนั้นมันเป็นซากที่ปราศจากวิญญาณ ขนาดนั้นน่ะมันเป็นเพียงแค่วัตถุเท่านั้นครับเหมือนเง้าไม้เก่าๆที่เหนียวแน่นและแข่งไปทั้งตัวขนาดผมทดลองเอามีดโบวีคแคะแรงๆลงไปที่หน้าแข้งของมันมีดยังกระเด้งผึงขึ้นมาแต่เป็นซากที่สมบูรณ์เรียบร้อยดีที่สุดไม่มีส่วนใดบุกพังเปื่อยชำรุดเลยเสื้อผ้าของมันเกลื่อนสน็จอยู่กับผิวหนังมองไม่ผิดอะไรกับการแกะสลักด้วยหิน หรือท่อนไม้ตลอดทั้งตัวเป็นสีน้ําตาลคล้าจัดและไม่มีรอยมดปลวกหรือแมลงเจาะไขเลยร่องรอยของการมานั่งพิงอยู่ตรงนั้นก็ค้นไม่พบ ว, ว่ามาโดยวิธีไหนเพราะตอนนั้นพื้นมันยังแห้งสนิทฝนยังไม่ตกแต่รู้สึกว่าจะมานั่งอยู่ตรงนั้นไม่นานนักเพราะภายหลังจากที่ผมและคุณคําผลกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งนั้นมันก็หายไปเสียแล้วไม่ปรากฏว่ามีร่องรอยว่าซาดนั้นมาตั้งไว้นานเลยเพราะถ้าอยู่ตรงนั้นนานลมเนือมาก่อนก็จะต้องปรากฏรอยที่มันนั่งพิงอยู่ที่พื้นหิน ผมไม่ได้เล่าเรื่องนี้ใครฟังเลยนอกจากคุณคาที่ร่วมเห็นด้วยกันในครั้งนั้น่านของผมอีกสามคนนี่ก็เพิ่งจะมาทราบความจริงได้ไร่กับที่ผมเล่าให้คุณฟังนี่แหละครับคุณมีเหตุผลอะไรหรือที่ไม่บอกเรื่องนี้พวกเราฟังทั้งหมดขณะที่คุณเข้าไปพบเชิญพูดถามผมเห็นว่ายังไม่มีประโยน์อะไรที่จะบอกความจริงเรื่องนี้ผมพิจารณามันเป็นเพียงวัตถุชนิดหนึ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังเท่านั้นไม่เชื่อมาก่อนว่ามันจะเป็นต้นเหตุร้ายที่จะดอยเข้ามาเล่นงานพวกเราในคืนนี้ แต่ก็คิดว่ามันคงเป็นซากเก่าแก่โบราณซากหนึ่งเท่านั้นไม่น่าจะมีพิษสง์อะไรเป็นพิเศษกับคณะของเราถ้าผมนําอามาร่าคณะในเจ้าฟังทุกคนก็อยากจะไปดูและจะเกิดปัญหาถามมากมายทําให้เสียเวลาเป็นปเปล่าและเมื่อไม่ได้รับความจริงที่ผมไปพบซากมันมาก่อนแล้วพอตกกลางคืนมันก็เข้ามาอารวาสในแคมป์ของเราซึ่งผมแน่ใจว่าเป็นไอซากเวนนั้นแน่นอนผมก็ยิ่งไม่ทราบที่จะบอกความจริงได้อย่างไร เพราะท่านนํามาเล่าว่าผมไปพบก่อนแล้วนั่งอยู่ตรงศอกหินเหนือลำถ้วยนายจ้าทุกคนก็ถามผมว่าทําไมจะไม่บอกให้รู้ก่อนสรุปก็คือผมทายเหตุการณ์ลงหน้าไม่ถูกไม่นําซ้ํำยังเชื่อมั่นแน่ใจเองว่าผมอยู่ในแคมป์นี้ทั้งคนด้วยแล้วเรื่องร้ายมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรจะว่าเป็นความประมาทของผมเองผมก็ยอมรับนายทหารหนุ่มหอไล่ลงอย่างสยดสยองเขาหน้าของเขาปั้นยากที่สุดคุณพอจะบอกได้ไหมว่าทราบจคนพบมีสภาพไม่ผิดอะไรกับท่านไม้หรือท่อนหิน แต่มันลุกขึ้นมาเดินได้อย่างไรพอรับหลังคุณไปแล้วไม่ใช่เดินเฉยเฉยด้วยนะอย่างเสือเข้ามาเล่นงานพวกเรากลางดึกอย่างเมื่อคืนนี้อีกด้วยซ้ายังฝักดมูเรียกเบลล์อยู่หยอกๆกตอนที่พวกนั้นตื่นขึ้นมาเห็นพอดีหักคอคนของเราสองคนเสียแล้วยังขึ้นคอช้างขี่นี้หายไปเฉเฉยอย่างนั้นแหละโอ้โหขนลุกเลยนี่แหะครับเป็นปัญหาปวดกระโหลกที่สุดสําหรับผมขนาดนี้ แต่จากประสบการณ์ที่ผมเคยไปชิญมาแล้วอย่างอยากจะสันนิษฐานว่ามีวิญญาณหรือกิตยาอาคมร้ายเข้ามาสิงอยู่ในล่างนั้นชั่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นมันต้องการจะเข้ามาสิงพอวิญญาณเข้าสิงสภาพของมันก็กลายเป็นผีตีบสามารถเคลื่อนไหวได้ทันทีและถ้าวิญญาณถอดออกมันก็จะแปลสภาพเป็นซากตามเดิมเป็นเรื่องของสายเวทมนต์มืดที่พิสูจน์ไม่ได้มันเป็นพลังงานอันลึกลึกเหนือธรรมชาติและเป็นพลังงานชนิดเดียว ที่เข้ามาควบคุมวงการโขงช้างในไอ้งาดํานั่นด้วยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือพฤติการของมันประกาศตัวเป็นศัตรูกับคณะของเราโดยตรงนิดตามลากตามจองเวรตามลา่าตามจองเวรเชิดพุทธคลังออกมาป ร, ราดใจเหลือที่จะกล่าวเราไปทําอะไรให้กับมันละ่ะหรือไปขัดผลประโยชน์อะไรของมันเหรอละเพินไพรวันถอนใจออกมาอย่างอึดอัดเขาไม่ทราบอธิบายอะไรเชิดพุธฟังเข้าใจได้โดยละเอียดในเวลาอันสั้นๆ มันก็มีอยู่สองข้อครับสําหรับอันตรายลึกลับที่เรากําลังเผชิญหน้ากับมันอยู่ในขณะนี้ข้อที่หนึ่งปลาใหญ่ไพราอาถันปิดทางสําหรับเราไม่ต้องการที่จะให้เราคืบหน้าต่อไปเหมือนจะขับไล่ให้กลับเพื่อให้เราเลิกล้มแผนการเดินทางทั้งหมดเพราะดินแดนที่เราจะบุกต่อไปนี้เป็นดินแดนห่วงห้ามของพู้ผีร้ายที่ครอบครองอยู่ส่วนที่สองตัวผมเองเคยมีบาดมีเวรอยู่กับสิ่งลี้ลับอาถันนี้มาก่อนผมเคยไปทําลายล้างก่อความอาฆาตไว้กับมัน ในสมัยที่เคยเดินทางผ่านแดนของมันในคราวนั้นมันก็เลยถูกใจอาฆาตย้อนกลับมาสแสดงรทธิ์เดชลองดีกับผมอีกครั้ง้าทางก่อกวนเปบียดเปีย น, ยนหรือท้าทายผมทุกคนที่มากับผมนี่ก็รวนตกอยู่ในความรับผิดชอบของผมทั้งสิน้นถ้ายังทําอันตรายใดๆกับผมโดยตรงไม่ได้มันก็สร้างเหตุร้ายรา ว, วีริดรอนบุคคลในส่วนรับผิดชอบของผมไปเรื่อยๆเป็นการแก้แค้นผมลักษณะนี้มันเป็นการประกาศศึกกันโดยตรงนั่นแหละครับ อีกฝ่ายหนึ่งยิ่งงงๆจับเพื่อนผมไม่เข้าใจที่คุณพูดเลยนัลลพินคุณว่าคุณเคยไปทําลายล้างมันมาก่อนเคยมีบาไม่เวนอยู่กับมันแล้วมันก็หวนกลับมาค่าจองเวงกับคุณมันในที่นี้หมายถึงใครและคุณเคยได้ก่อความเจ็บแค้นอะไรไว้กับมันในลักษณะไหนจอมพรามมีสิหน้าแซงความยุ่งยากใจเหลือที่จะกล่าวนิ่งเงินไปบนคําพราะคุณพามาว่าโทษนาย นายไม่น่าจะพูดอะไรให้นายทหารเชิดฟุฒิฟังเลยแกไม่มีวันเข้าใจได้หรอกในเมื่อแกไม่ได้บกเทือกเขาพัสิวะร่วมกับเราในครั้งนั้นและลงท่าแย้มออกไปแบบนี้แล้วนายก็ต้องถูกซักถามจนอธิบายกันไม่ถูกเดี่ยวไปไป ม, ามานายเองนั่นแหละจะต้องถูกเผาเพื่อเจอเป็นบ้าไปใครที่ไม่ได้เดินทางมาพบมาเห็นร่วมกับเราในครั้งนั้นจะมาเข้าใจกับเราได้ยังไงกันนี่ยังดีนะว่าเป็นนายทหารเชิดวุดินะถ้านายพูดเรื่องนี้กับนายฝรั่งทั้งหลายแล้วก็นายถูกดา่าคว้าแดงแน่แน ลุงคำกับพวกเราทุกคนนี่แหละเชิญพูดพูดด้วน้ำเสียงจริงจังไปทางกานขึ้นเมือทงทั้งหลาย ขอให้รู้ไว้ถือว่าฉันไม่เคยคิดว่าคุณละพินหรือพวกของลุงคําจะพูดเท็จอะไรทั้งสิ้นและพร้อมที่จะรับฟังเสมอไม่ว่าเรื่องราวนั้นมันจะพิสดารพิลึกกือสักเพียงไหนฉันรู้ว่าเหตุการณ์เมื่อคืนนี้มันจะต้องมีที่มาและมีเบื้องหลังอย่างแน่นอนและรู้ด้วยว่าคุณละพินและพวกลุงคําพยายามจะปิดบังเอาไว้ไม่ยอมพูดเพื่อให้ฉันกับฝรั่งพวกนั้นเจอเข้ากับตัวเองเสียก่อนโปรดจะคิดว่าฉันเป็นคนอื่นคิดเสียว่าเราเป็นฝ่ายเดียวกันดีกว่าฉันแน่ใจว่ามันจะต้องเป็นเหตุการณ์ ซับซ้อนที่สืบโยงต่อเนื่องมาจากการเดินทางครั้งล่าสุด ข, ของคุณละพินถ้ายิ่งปิดบังไว้มากเท่าไหร่ฝ่ายฉันก็จะยิ่งไม่เข้าใจและหาทางป้องกันตัวเองยากขึ้นเท่านั้นสู้บอกให้รู้ไว้ล่วงหน้าก่อนดีกว่าเราจะได้ร่วมมือกันระมัดระวังหรือเผชิญหน้ากับมันได้ถนัดขึ้นดีกว่าปล่อยให้เสื้อซ่าอยู่แบบนี้จอมามะโคเทศยกมือทั้งสองขึ้น ข, นขยี้ใบหน้าอยู่ไปมาในที่สุดก็ยิ้มให้นายทหารหนุ่มรุ่นน้องเอื้อมมือมาตบที่ไหลเบา เอาเถะครับคุณเชิดวุฒิถ้ามีโอกาสว่างๆสักนิดหนึ่งผมจะเล่าอะไรคุณฟังสำหรับเช้าวันนี้คงจะไม่มีเวลาเสร็จแล้วขณะ น, นี้ขอให้คุณรู้ไว้เฉพาะเท่าที่ผมเล่าให้ฟังก่อน ก, กน็แล้วกันแล้วอย่าลืมสัญญาในข้อที่ว่าอย่าพิ่งแ พ, พร่พลายอะไรให้อเมริกันพวกนั้นทราบเอาอย่างนี้ได้ไหมคุณละพินผมคงจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับคุณคาหรือลูกน้องของคุณสามคนนี้มากกว่าคุณในระหว่างเดินทางถ้าผมจะขอให้พวกนี้ไล่ผมฟังไปงพลางๆก่อนคุณจะอนุญาตไหม บุญคำจะเล่าให้คุณฟังได้ดีที่สุดครับพราะแกเข้าใจเรื่องนี้ดีแต่ก็ฟังหูไว้หูก่อนอย่าเพิ่งเชื่ออะไรนะักสงสัยอะไรก็ค่อยหาโอกาสถามผมทีหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะออกไปในแนวทางเรื่องสัมปชัญญะสีประดลอะไรแล้วก็ก็อย่าไปฟังแกตาห น, นี่เป็นคนละแกที่ลามกวิชาอาคมที่แกเล่าเรียนมาก็ถึงได้ไม่ค่อยจะคลังเท่าไหร่นักเพราะเรื่องปากสัม ป, ปดุญของแกนี่แหละอ้าวนายแงใส่คำใส่ใครบุญคำอย่างนั้นล่ะ ตาพานข้าวหรือตาโตร้องลั่นขนาดเดียวกันนั้นเสียงอ่อนพิチュทั้งเครื่องของรัพพินและเครื่องของเชิดวุฒิก็ดังเบียดขึ้นรัพินเพียงแต่หันไปมองทางกลุ่มในจ้างซึ่งขณะนี้รวมกลุ่มกันอยู่เชิดวุฒิเปิดเครื่องของตนเองทางนี้พร้อมแล้วที่จะออกเดินทางได้ทางน้นพร้อมหรือยังหรือมีปัญหาอะไรเสียงรเตอร์สเตอ ร, รี่ห้าออกมาจากลำโพงเรียบร้อยนะครับเราจะ อ, อเดินทางกันภายในห้านาทีนี้ ละพินชะ ง, งกงหน้าเข้าไปที่วิทยุของเชิดบุญแล้วกร อ, อกตอบลงไปกลุ่มที่นั่งน้องมงงกันอยู่นั้นยืนขึ้นทันทีเชิดบุญเดินกลับไปยอมริกันทั้งสี่ละพินร้องสั่งการกับคนของเขาและลูกหาบจากนั้นก็เรียกปุนคำกับจรรันซึ่งเป็นพานอาวุโส ท, ที่สุดเข้ามารับมอบปืนเออารหนึ่งห้าหรือเอ็มสิบหก แบบพลลมไปสบายไว้แนะนํากลไกปฏิบัติการของปืนให้เข้าใจชั่วอึดใจเดียวทสองก็เข้าใจตลอดซึ่งเชื่อได้แน่ว่าถ้าหากสงคราวจะเป็นขึ้นมาเมื่อใดก็ใช้งานได้ทันทีโดยไม่ถูกผลักเลืกงะอยู่ทุกสิ่ทุกอย่างพร้อมกองไฟดับสนิทแค่สําหรับที่จะหามกะเบียงบาดเจ็บไปด้วยก็ต่อเสร็จโดยวีมือของอุทาและพระโตเสอเอินถูกยก ข, ขึ้นไปนอนกระพริบตาเปลบเปออยู่ในแค่นั้นเรียบร้อยแล้ว นอแต่จะให้ถูกเพื่อนเกลือหามไปเท่า น, นั้นใจต่อมาระพินก็ถือไรฟฟ่เพื่อนก้าวศึเข้าไปอย่างคณะในแจ้งของเขาซึ่งรวมกลุ่มรอกันอยู่แล้วในขณะนั้นลําแสงของตะวันสายเริ่มแก่กล้าขึ้นมาจากจุดดวงที่สองรอดใบไผ่ลงมาเราควรจะถึงตะเคียนทองภายในเวลาไม่เกินบ่ายสองโมงของวันนี้เขาบอกกับทุกคนในคณะขณะที่ทิ้งก้นบุหรี่ลงกับพื้นใช้ปลายท็อปเดินป่าเพยายามพบหัวหน้าหมู่บ้านที่ชื่อโบมียะ และพวกชาวบ้านที่เหลือตายจากการรารวาสของโขลงช้างไอ้งาดําซึ่งอพยพหนีขึ้นไปอยู่บนถ้าบนไหล่เขาและดูเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งว่าจะเอาอยัางไงกันต่อไปเราจะมอบเสืเอ่อให้แก่พระพวกของเขาที่นั่นด้วยตกลงเอากันยังไงก็เอากันหัวหน้าคณะตอบง่ายๆแล้วหันไปทางหลุมศพของลูกหาบสองคนพร้อมกับถอนใจเบาๆรพินเข้าใจความรู้สึกของอเมริกันหัวหน้าคณะก็บอกว่าสําหรับลูกหาบที่ขาดกําลังไปสองคนไม่มีอะไรต้องกังวลหรอกครับ อูากับพโตบอกกับผมเมื่อกี้นี้เองว่าเขาสำนึกในบุญคุณและเคารพในน้ำใจของท่านทั้งหลายเป็นอย่างมากภายหลังจากส่งเพื่อนเขาให้พวกฟองที่ตะเคียนท้องเรียบร้อยแล้วเขายินดีที่จะทำหน้าที่ลูกหาบแทนสองคนที่ตายติดตามเราไปทุกคนทุกแข่งฝ่ายในจ้าทุกคนมีสีหน้าแสดงความปรลาดใจและยินดีอย่างเห็นได้ชัดอสเบลอุทานออกมาเบาเบาว่า ah. จริงหรือละพินคนป่าคนดอยพวกนี้น่ะถือสัจจะเสียยิ่งกว่าคนเจริญแล้วในเมืองสีอีครับ และมีความจริงใจอย่างบริสุทธิ์ตรงไปตรงมาปราจากเหลี่ยมคูชั้นเชิญใดๆทั้งสิ้นเมื่อเขาบอกว่าเขาจะไปกับเราเขาก็ต้องไปเว้นแต่เขาจะตายเสียก่อนเท่านั้นจอมพานหันไปกระดิกนิ้วเรียกอุทาและพรโตให้มายืนอยู่ตรงหน้าของอเมริกันทั้ง4คนซึ่งบัดนี้ต่างมองจับมาที่เกเลงทั้งสองอย่างชื่นชมยินดียิ่งเยลลพินหันไปหันไปส่งภาษาอะไรสั้นๆทั้งสองเกระเลงหนุ่มก็หันมายิ้มยิงควันให้ฝ่ายอเมริกันและพะยักหน้าเงือก พิเศษมากผมยังเป็นทุกข์อยู่ว่าเราขาดกําลังไปสองคนข้าวของก็มีมาเยอะแยะชนิดที่ขาดจำนวนคนที่เตรียมไว้แล้วไม่ได้เลยบอกเขาด้วยว่าเราจะข อ, ขอบใจเขาและยินดีต้อนรับเขาและจะให้รางวัลอย่างงามเมื่องานของเราเสําเร็จแล้วหันคณะกล่าว ข, ข, ข, ขึ้นมาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มและพินหทนไปบอกกับสองคนนั่นซึ่งไม่มีปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้นนอกจากอาการยิ้มเช่นเดิมเป็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์โดยแท้เหมือนรอยยิ้มของเด็กๆ ไม่มีสินจาน้างราวันใดๆที่คนพวกนี้ต้องการหรอกครับเราจะคบกับพวกเขาได้ก็ด้วยน้ำใจไมตรีเท่านั้นเป็นความสมัครใจข้อเสนอของเขาเองหรือว่าคุณขอร้องเขาคริสถามอย่างไม่แน่ใจนักผมไม่เคยขอร้องหรือบีบบังคับอะไรเขาเลยเป็นความสมัครใจของเขาเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาเห็นว่าเราขาดคนของเราไปสองคนบอกเขาหรือเปล่าว่าเส้นทางของเราเราไม่รู้อนาคตและเสี่ยงอันตรายมากคิถามขึ้นบ้าง เรื่องการเสียชีวิตเรื่องของอนาคตไม่มีความหมายสำหรับคนพวกนี้เมื่อเขาตกลงใจจะไปกับเราเขาก็ไปรับรองได้ว่าจะไม่มีการหันหลังกลับก่อนจนกว่าจะได้รับคำสั่งให้กลับแล้วพวกคุณจะได้เห็นเองว่าน้ำใจของคนพวกนี้น่ะมีแค่ไหนก็ไม่เสียผลหรอกครับที่พวกคุณอุตส่าห์เป็นภาระช่วยเหลือสะเอินไว้เราได้กเกลี่ยงสองคนนี้ไว้แล้วโดยที่ไม่ต้องจ้างต้องวานอะไรทั้งสิน้น ผมก็ไม่รู้มาก่อนเหมือนกันว่าสองคนนี้จะรับอาส า, าเป็นลูกหาให้เราแทนคนที่ตายไปเมื่อคืนเขาเพิ่งจะมาบอกผมเมื่อสักครู่นี้เองถึงเสอเอิญนั่นก็เหมือนกันถ้าเขาไม่บาดเจ็บต้องรักษาตัวอยู่เขาก็อาจจะไปกับเราด้วยพวกนี้มีน้ำใจที่น่ารักมากและเดี๋ยวนี้เราไม่มีอะไรสงสัยแล้วในข้อที่ว่าทำไมสาระทุกข์ติดของพวกเขาคุณจึงคอยเอาเป็นภาระดูแลอยู่เสมอสรุปก็คือคนในป่าทุกคนแล้วล้วนเป็นคนของคุณทั้งนั้น เบลผู้ ย, ยิ้มยิ้มตามมองจับที่มรุเทศนำทางเป็นประกายเริ่มใสด็เตอรี่หัวเราะออกมากว้างๆเดินตรงเข้าไปอบไรกระเหลือทั้งสองคนไว้พร้อมกับตกหนักๆพูดออกมาในภาษาของตนเองพูดบอยเธอทั้งสองคนมีน้ำใจเป็นลูกผู้ชายน่านับถือมากเอาหลาเป็นอันว่าเราจะไปด้วยกันร่วมเป็นร่วมตายด้วยกันสองเกลียงคงฟังไม่รู้เรื่องแต่ด้วยสัญชตาตญาณก็รู้ว่านั่นคือ น, น้ำเสียงของความปราณีเป็นมิตรและต้อนรับไว้ในขบวน แล้วอย่างไม่ทันรู้เนือ้อรู้ตัวหรือมีพิธีตรีตองอะไรทั้งสิ้นจอมพานหันไปบบกมือกับคนของเขาพวกลูกหักที่เข้าประจําที่อยู่แล้วก็ยกขาขึ้นบ่าออกเดินเป็นแถวผ่านหัวหน้าและนายจ้างไปทันทีเกิดและเสยอันตามปกติแล้วก็มีหน้าที่เป็นพลาประจําตัวของคณะเจ้านายบัดนี้เกิดความจําเป็นลูกหักสองคนมาเสียชีวิตลงเช่นนี้ก็เข้ารับหน้าที่แทนโดยการหาผาม โดยไม่จําเป็นจะต้องให้ออกคําสั่งอุทากพาพโตก็หามแค่คนเจ็บอันเป็นเพื่อนของเขาไปโดยเดินอยู่กลางขบวนของคนเหล่านั้นจนกระทังท่งทั้งขบวนพ้นผ่านไปเกือบจะรับแนวซุ่มไผ่หายไปแล้วคงเหลือแต่กลุ่มนายจ้างและมกุเทพนําทางเท่านั้นที่ยังยืนจับกลุ่มกันอยู่โดยเฉพาะอเมริกันทั้งสี่ทำหน้าตื่นตื่นมองกันเองไปมาแล้วก็พุ่งสายตาไปรวมจุดอยู่ที่ระพินเป็นตาเดียวกันเอ๊ะนี่ไปกันแล้วหรือนี่คริสอุทารเอามาเบาเบนหัวเราะ ว่จะรออะไรกันอยู่อีกหครับซากช้างพวกนี้กําลังจะขึ้นอืดส่งกลืนแล้วหรือว่าเราจะอยู่กันที่นี่ต่อไปอีกจนกว่าจะได้เป็นเน่าของช้างโอเอ๊ะรวดเร็วเงียบเชียบกันดีจริงๆอยู่ไม่อยู่พวกนั้นก็แบบของเดยไปเฉยๆโดยไม่บอกให้รู้เนื้อละตัวกันบ้างเลยอเอสพีเอลลออย่างขันขันไม่จําเป็นจะต้องเป่าแตรสัญญาณหรือว่าบรรเลงเพลงมสัสเสียก่อนหรอกครับสําหรับคนของผมทุกคนพ ย, ยักหน้ากันนึบเดียวเขาก็รู้ว่าควรจะเริ่มเดินหรือว่าหยุด ส่วนพวกคุณเองก็เหมือนกันผมคงไม่ต้องบอกกระมังครับว่าหน้าเดินเราพร้อมกันหมดแล้วนี่พูดจบไม่ทันจบประโยคน์รินไพั์วันก็ออกเดินผ่ไปในทันทีตามหลังขงบวนลูกหากที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วโดยไม่กล่าวชวนหรือหันมาดูเจ้าในคนใดทั้งสิ้นดตรสเตลลี่จึงพ ย, ยักหน้ากับพู้ควกให้เริ่มเคลื่อนที่ทุกคนมองจับไปยังด้านหลังของร่างสภาพหลุดพลซึ่งเดินดุ่มๆไปด้วยเท้าปกติธรรมดาห่างประมาณเจ็ดปลาเบื้องหน้าไม่ไวกึง่งชงวนกึง่งขันอยู่ในที กลัวใจจริงๆเลยให้ตายเถอะตาพรานคนนี้นี่เววสายหน้าช้าๆบทออกมาฉันคิดว่าเขาทําตลกแบบเงียบๆเสียมากกว่าคิดว่าคนหัวเราะนั่นไม่ใช่การทําตลกคริสติน่ากาลิฟิป่าตางางสีฟ้าของหลอนลีลงแต่เป็นวาจาอันลดเลี้ยงเราะชุดผ้าชันพวกเราอยู่ในส่วนลึกตามสัญดาณเติมของเขาคนคนนี้ไร้กา จ, จริงๆประโยคหลังหลอนอุบอิบอยู่ในลำคอแวลตาเป็นประกายแห่งความหมายอันเล่นลึก ทั้งหมดห้าคนของฝ่ายนายจ้างคงเดินเกาะกลุ่มล้างท้ายกระบวนอยู่เช่นนั้นและไม่มีอาการเร่งรีบใดๆทั้งสิน้นในระยะที่เริ่มต้นเคลื่อนที่นี้พรอบก็ยังสังเกตเห็นจอมากุเทพเดินนําอยู่เบื้องหน้าในลักษณะทัดน้ อ, นาานนองโดยไม่ทิ้งออกไปห่างนักเส้นทางเดินครั้งแรกก็เป็นทางด่านเส้นเดียวกับที่ได้สาวรอยของไอเจ้าของรอยตีนประหลาดไปในเมื่อตอนใกล้รุ่งทุกคนอดไม่ได้ที่จะก้มมองมองรอยเท้าขนาดใหญ่ที่ปรากฏอยู่แล้วนั้น แม้จะถูกพวกลูกค้าราคาพื้นเมืองที่วงหน้าไปก่อนแล้วเหยียบย่ำซาำลงไปเกือบหมดแล้วก็ตามแต่บางส่วนก็ยังพอเหลือให้เห็นได้เพราะว่าก็ช่วงระยะเดียวเท่านั้นขบวนทั้งหมดก็เพื่อนล่วงหน้าไปก่อนก็แยกปรับทางออกเส้นดานใหญ่ข้อมือโดยเฉียดผ่านบริเวณที่บุญธรรมจับจันทได้นำให้ไปพบรอยเท้าตำแหน่งสุดท้ายก่อนที่มันจะหาไปอย่างลึกลับทา่ากลางของช้างซึ่งการพิจารณากันมาก่อนแล้ว สองา้าค้างอานเป็นดงไผ่มีรอยของช้างโสงวิ่งชนพร ะ, ะไว้หักระเนระนาด น, นั่นคือร่องรอยพยายนหักฐานของเมื่อตอนเกิดของเือที่ผ่านมาแล้วขณะที่กองทัพช้างสำหรักอภิิหารเขย่าป่าทั้งป่ารอบ ด, ด้านที่พักจะเมือนหนึ่งจะเป็นการคุกคามขงฝันไม้ยืนต้นขนาดย่อๆหลายต้นถูกถอนหักล้ม โดยการศึกษาของพวกมันมากกว่าที่จะวิ่งเข้าไปชนกพราการแตกตู่นธรรมดาและแทบทุกตรางนิ้วรอยตีนของพวกมันย่าอยู่สับสนไม่อาจจะนับจำนวนได้ที่สุดได้แน่ชัดว่าพวกมันยกกันมาเป็นฟองทับจริงๆและมาซุ่มซื่ออยู่รายรอบอยู่เงียบเงียบอย่างนี้ได้ในก่อนที่จะเคลื่อนไหวทำลายป่าอ ย, อยทุดตรงภายหลังจากที่ฝันรถได้ระเบิดกระสุนนัดแลกขึ้นห่างไปไม่เกิน20หลาคนนำสกุลไทยวันคอไลอยเคล่นอยู่ในแขงซ้ายมือขวาคี้เบร่ เดินดุม่มๆมตามปกคลิกของเขาทางก็เรียวซ้ายแลขวาสังเกตดูร่องรอยของสองฝ้างวางทังด่านนั้นไปด้วยอาการปกตินั่นเป็นภาพที่ใสในเจ้าทั้งหมดซึ่งเดินดุ่มกันมาเบื้องหลังสังเกตเห็นจากอาการปริยาของเขาทุกคนอยากจะอาา่านความรู้สึกคิดของบุคคลผู้นั้นแต่ต่างก็หมดปัญญาที่จะคาดคะเนหรือเดาได้ถูกชายคนนั้นอ่านอะไรได้ยากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่เขาดเดินนําหน้าอยู่กลางป่าใหญ่ ไขควงที่แวดล้อมไปด้วยสารพัดอันตรายอาจจะจู่โจมเข้ามาถึงทัวเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าจะสังเกตทราบได้บ้างประจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็จะบอกได้เพียงว่าระยะนี้คงระยะที่ปลอดภัยพอสมควรถ้ามิฉะนั้นเขาคงจะไม่ทิ้งกลุ่มของพวกนายจ้างให้เดินกับซันนัมพั ง, งเป็ื้องหลังและก็ยังไม่แน่เหมือนกันว่าน่นจะมีการทดสอบอะไรหรือเปล่าาเป็นต้นว่าจะปล่อยทั้งชุดไว้ในหลังท้ายกระบวนแล้วรอดูว่ากลุ่มนั้นจะกวดไล่ทันเขาหรือเปล่า หรือว่าจะโอเอกันดูหรือว่าจะดูกันอีกทีหนึ่งก็เป็นการทดสอบใจของคนเหล่านั้นด้วยว่าจะมีความทั้งพล้อมหวาดกลัวอย่างไรบ้างหรือไม่ในเมื่อปราศจากการคุ้มกันเดินคุมกันอยู่ใกล้ๆดร์สเตรี่ผู้สรวจคุมและอวโสกว่าทุกคนในคณะยกมือขึ้นความหมายห้ามเมื่อเห็นว่าคิดเดวเชิดวุฒิรักทิดทำท่าจะเร่งสีเท้าเดินตามไปให้ทันไฟเขาไปก่อนอย่าเพิ่งตามเข้าไปประชันจิตเลยพวกเราเดินตามไปเรื่อยๆก็แล้วกัน แล้วดูสิว่าเมื่อไหรเขาจะหยุดรอเราหรือว่าส่งพวกพาขึ้นเมืองคนไหนให้ลงมาเดินร่วมอยู่กับพวกเราด้วยมารองกันดูสักวันลองอะไรคะอาจารย์คิดถามอย่างฉวนพยายามอ่านความคิดของหัวหน้า ง, งานวันนี้เราจะไม่ซักถามอะไรให้เป็นที่จุกจิกกวนใจเขาเลยเขาเงียบเราก็จะเงียบแล้วดูสิว่าเขาจะพูดอะไรกับเราบ้างตลอดเวลามาจะรู้สึกว่าพวกเราเป็นฝ่ายป้อนคําถามเข้ามากเกินไปคราวนี้เราจะพยายามไม่ถามละ ขอแต่เพียงให้พวกเราทุกคนระ ม, มัดระวังตัวเตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลาก็แล้วกันผมก็ว่ายอย่างนั้นแหละเชิดวัดสดุเหมือนมาเบาๆคุณเป็นคนฉลาดมากนะดรและผมคิดว่าคุณเริ่มจะรู้ในใิ ส, สัยสันดายของพานเดินทางาของเราคนนี้ได้ดีแล้วผมเองก็ไม่ชอบคนคุยโวหรือว่าพูดอะไรข้ามเพื่อนโดยไม่จําเป็นอยู่แล้วแต่สึ่งอย่างไรก็ตามใช้คนนั้นเงียบถึงเกินไปจนทําให้ผมอัดใจแต่ว่าให้ผมถามคุณดีกว่าว่าเมื่อกี้นี้ก่อนออกเดินทางผมส่งคุณเข้าไปคุยกับเขา เหนนั่งพูดกันอยู่เกือบ20นา ท, ทีได้ความม า, มาว่ายังไงมั่งประโยคหลังหัวหนาคณะถามในสถานหนุ่มก็ผิดหวังและเสียใจมากที่คนของเขาสองคนตายลงเชิ ว, วุฒิบลอกทุกคนพยายามเรียนไม่ยังไม่พูดความจริงอะไรที่เราพิดุล่าให้ฟังก่อนเป็นเราเราเป็นการคุยกันธรรมดาเขาก็ไม่ได้บอกอะไรผมเหมือนกันกำชับผมแต่เพียงว่าให้คอยตักเตือนพวกคุณไว้อย่าให้ประมาทเพราะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปอันตรายทุกทีก้าวยาก เขาไม่ได้บอกอะไรคุณเพิ่มเติมบ้างหรือเกี่ยวกับเจ้ามอนสเตอร์อรับตัวนั้นเบลถามแทนแทนักเกตคนซึ่งก็ต้องการจะถามประโยคนี้อยู่แล้วเชิญพุดยังไหลหวเราเบาๆผมถามเพื่ออย่างความเห็นของเขาเหมือนกันแต่รู้สึกว่าเขาจะยังไม่กล้าพูดอะไรออกมาให้ชัดเจนนก ตามได้ก็ตามที่ตัวเขาเองก็ยังไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรที่แท้จริงเราก็ไม่ลืมด้วยว่าขนาดที่เกิดเหตุ น, นั้นเขาไม่รู้สึกตัวเลยเพราะเราตาขาที่เห็นกันด้วยตาแต่เขาไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะลงความเห็นได้ดีมากกว่าเขามันคืออะไรแต่ฉันไม่เชื่อว่าระพินจะไม่รักแกรกาคารมาก่อนเกี่ยวกับเรื่องอันลี้ลับนี้เว้นแต่เขาไม่ยอมอบอกเราทุกนั้นคริกล่าวมาอย่างแจงถึงความคาดแค้นใจอย่างขีดสุด กือบชั่วโงเต็มเต็มที่ท่านขบวนเดินกำลังลักษณะเช่นนั้นแล้วก็หลุดพ้นจากบริเวณป่าภัยจะเข้าสู่ตรงดึกดาบันที่เห็นเมื่อตะมืนระหนึ่งสว่างประตูนรกฝังอยู่เบื้องหน้าโดยมีทุ่งหญ้าพระสูงแทบจะท่วมหัวกันอยู่ไม่กว้างไกลเกินไปนัะระหว่างตรงติดกับป่าภัยที่หลุดพ้นกันออกมาสามารถสังเกตเห็นหัวขบวนและพวกลูกหาที่แหวบพงหญ้าพารูปเป็นทางนํารถไปเบื้องหน้า เมื่อร่างโผล่ออกมาสู่ที่ร่องเพื่อจะมองเห็นท้องฟ้าได้เต็มตาทครั้งแรกก่อนจะเข้าสู่ดงทึกอีกครั้งก็พบว่าตะวันสายกำลังแผดแสงแรงร่าร้อนระอุอบอ้าท้องฟ้าเบื้องบนสว่งสางแจ่มใสพอมองเห็นถูงแรง้งร่อนอยู่สูงสูงเส้นทางที่ปกโพงพาหญ้าไปนั้นพวกที่ร่วงหน้าไปก่อนได้ใช้ดาบเดินป่าถางถางฟันเป็นช่องทางไว้ให้พวกที่เดินตามหลังผ่านไปได้สะดวกเสียงระเบียงตะโกนสั่งการอะไรไปยังพวกที่ร่วงหน้าไปก่อนเหมือนจะกำหนด คิดทางให้มุ่งหน้าไปในทางใดทางหนึ่งและเพิจะหันกลับมาดูฝ่ายไจา้าบเป็นครั้งแรกแต่ก็ไม่ได้หยุดรออะไรทั้งสิ้นเกี่ยวแต่โบกมือเป็นสัญญาณให้ตามมานอกจากดงดิบที่เห็นอยู่เบื้องหน้ารอบด้านทั้งซ้ายและขวามือเป็นทิวเขาใหญ่น้อยสูงสูงต่าต่แวดล้อมอยู่โดยรอบสลับซับซ้อนราวกับใครมาเขียนเป็นฉากกั้นไว้ภาพของป่าวแวดล้อมยามนี้มันบอกได้ทราชัดโดยภาษาสถาณและคนประเทศที่เห็นจากแหวนด้วยกันทั้ง4 เชิญวุดแล้วว่ามันเป็นตรงอันกว้างใหญ่ไพศาลและลึกล้ำํำมีเพิ่มขึ้นกว่าเท่าที่เคยเห็นมามากแล้วในช่วงแรกแรกมีเสียงกอรอไผ่ที่ขึ้นอยู่นาทือกไว้ลูกซ่าหางไกลออกไปรอบด้านนั่นคือการวิ่งเตลอยของสัตว์ป่าบางชนิดที่มองไม่เห็นตัวซึ่งสังเกตเห็นได้ระยะระยะไปภายในจ้าไม่อาจจะทราบได้ว่ามันเป็นสัตว์ประเภทใดเพราะความสูงของต้นหญ้าคาที่ปิดบังไว้รอบด้าน อย่างมากก็สกิปให้กันและกันดูเมื่อเห็นยอดหญ้าไหวเอ็นรูปไปตามทางนั้นมีประมาณสองร้ยหลาจะเข้าเขตดงดิบเป็นทุ่งของหญ้าแตกระบับบริเวณรอบด้านเป็นร้อนพื้นมีต้นมะหะและผระถางป้อมเตียเตี้ยเอียงเบี้รายอยู่เป็นระยะฝ่ายในเจ้าั้งหมดก็เห็นขบวนลูกขาา่าวความขยุ่นักเมียการลังเลและพูดจะอะไรกันถึงทำ บณคำกับการซึ่งดูเหมือนจะเป็นคนนำไปเบื้องหน้าของของบวนนั่นย้อยกลับมาอย่างพานใหญ่สุกทิบสครู่และการเดินก็หยุดชะงักชั่วขณะหนึ่งห่างออกไปประมาณ50ิบหลาระหว่างกลุ่มนายจ้างกับระพินพวกกำลังยืนพูดอะไรอยู่กับพานขึ้นเมืองของเขาทั้งสอง เอ๊ะนั่นเขาอยู่กันทำไมคิดยกมือขึ้นไปเหนือล้อออกมาเบาๆขนาดนั่นเองชื่อของทุกคนก็รัดออดเรียกขึ้นเสียงเรื่อจารพินนั่นเองรัตเตอร์สเตอี่เปิดเครื่องรับทันทีที่ดึงขึ้นมาจากเข็มขัดเห็บเอวมีอะไรหรือพินอเมริกาโน่โสกปล่อยคำพูดลงไปทันทีทุกคนโปรดจยุดอยู่ตรงนั้นก่อนนะครับผมจะเข้าไปหาเดี๋ยวนี้เสียงพูดปรากฏออกมาแค่นั้น แล้วก็เห็นพานใหญ่พูดอะไรกับคนของเขาทั้งสองบนคาตะจันยกมือยกไม้ชีโบชีเบอยู่อีกพักเดียวก็ดูเหมือนจะตกลงกับเจ้านายได้ขบวนลูกหาขบมดรวมทั้งแพทคนเจ็บที่หานกันมาเปลี่ยนทิศทางทันทีจากแนวเส้นตรงที่เห็นชัดๆว่าถ้าตัดทุ่งหญ้าระดับตรงไปอีกนิดเดียวก็จะถึงตรงเบื้องหน้าอยู่แล้วก็เริ่มแยกออกไปทางขวามือพากันเดินบุกแยกพาบายหน้าไปทางเหนือโดยมีบนคำตะจันทำหน้าที่ต้อยขบวนลูกหากลุมหน้ากลุมหลังไป จนตัวจอมกุฎเทพเองหันกลับเดินย้อนมายัางคณะนายจ้างซึ่งยังหยุดยืนรวมกลุ่มกันอยู่ตามคําสั่งนับตั้งแต่เลื่อออกเดินทางมาในสายวันนี้ทั้งหมดเพ้่เห็นคารานใหญ่ย้อนกลับมาสุดทุกตัวเป็นครั้งแรกหน้าเตรียมแข็งกระด้างอยู่เป็นเอกของเขามีรอยยิ้มให้เห็นระหว่างที่ทั้งหมดจีนรอและจ้องเพื่อจะรอฟังคําคสั่งอยู่ตรวจผู้นั้นก็เข้ามาหยุดจีนอยู่ตรงหน้าเมื่เกณฑ์ไหมครับถ้าเราจะเดินอ้อมกันสักสองสามไมล์เดยตัดไปทางเหนือก่อนที่จะตัดเข้าสู่ดง ข้างหน้าที่เห็นอยู่นั่นเป็นคําพูดสุภาพน่ารักแต่ไม่ประจักแม่ผมแดงโพรงออกมาก่อนใครทั้งสิ้นขณะนี้หล่อนเหนื่อยหายใจปกกระเพื่อนเป็นระรอกตาปกติอิสเปลเป็นคนที่มีอารมณ์รื่นเริงอยู่เป็นนิสแต่ขณะนี้หล่อนดูเหมือนจะบุบปิด ก, กว่างใครทั้งหมดจ้องหน้าแฟนใหอย่างเฉียวเฉียวท้าดงดิบข้างหน้าเป็นจุดหมายที่เราจะมุ่งเข้าไประยะก็เห็นอยู่แล้วว่าใกล้แค่นี้เองถ้าตัดตรงคุณนึกสนุกอะไรไม่ทราบที่จะให้พวกเราทั้งหมดเดินบุก ป่าย่าคาอ้อนไปอีกทั้งสองใหม่์ครสตามปกติเป็นคนที่มักจะใส่เข้าด้วยวาจาอันเผ็ดร้อนอยู่เสมอมากลับเป็นแ่ายนิ่งเฉยกรพิบตามองหน้าอยู่เฉยๆเซรีเอียมหูคอยสั่งครั้งว่าเขาจะพูดอะไรต่อไปเพราะแน่ใจว่าทันทีจะต้องมีอะไรผิดปกติพีคก็ปฏิบัติได้ตามข้อตกลงกันไว้คือไม่ทําอะไรทั้งสิ้นส่วนเชิดวดวดไล่เพื่นออกจากการสาไพรไล่ลงมาถือในมือและขยับลูกเพื่อนขึ้นหลับทันที ตลาดเวลามาคุณมีคนรุ่นเริงแต่วันนี้ดูเหมือนจะมีอารมณ์บุญไปมากนะเขาติ่งเบาๆคนหัวเราะใช่สิบกบปลาย่างคาทั้งแสบทั้งคันไปหมดทั้งตัวแล้วดีใจว่ามันจะพ้นออกมาเสียได้คุณก็จะพาบกเข้าไปอีกเตีวสวนมาทันทีเอามือเตาหยุดหีบไปตามแขนทั้งสองข้างและบริเวณหลังของซึ่งแดงเป็นผื่นไปหมดสมบัดอะไรอุบอิบต่อไปฟังไม่ได้สักผมจะโกหกพวกคุณว่าอย่างไรก็ย่อมได้ในการที่ ขอร้องให้ทนเดินอ้อมกันไปอีกสักนิดหนึ่งแต่ก็ไม่อยากจะโกหกหรอกบอกให้รู้ตามความจริงดีกว่าจอมพานพูดอ่อนโยนสีหน้าอย่างยิ้มๆอยู่เช่นนั้นถอดหมวกออกมาเป่าลมไล่อากาศร้อนอบอ้าวที่อยู่ภายในแล้วครอบลงบนตีสับดานเดิมห่างออกไปประมาณสามร้อยหลาบริเวณทุ่งหญ้าที่เราจะผ่านไปเยื่นไปทำด้านเหนือเล็กน้อยแาดใหญ่สตัวนอนเกลือกอยู่ในปรักผมคิดว่าพวกคุณคงจทราบดีอยู่แล้วว่าแรดเป็นสัตว์ปุถุรุบ้าดีเดือดโดยไม่มีเหตุผลไม่เคยกลัอะไร ประสาทตาอาจจะไม่ดีแต่ประสาทจมูกดีมากถ้าเราไม่เปลี่ยนเปลี่ยนทิศทางโดยเดินตัดเป็นเส้นตรงออกทุ่งโล่งไปข้างหน้านั้นเมื่อไหร่เราก็อยู่เหนือลงมาทันทีเมื่อนั้นและถ้าหลบมันได้เป็นผมคิดว่าไม่สนุกทั้งหลักครับสําหรับกระบวนของเราทั้งหมดที่มีลูกห่าแบบของหนักและมีคนเจ็บมาด้วยขณะนี้ผมสั่งให้ลูกห้าทั้งหมดพยายามเดินอ้อมลงทางใต้ลงแล้วเพื่อตัดปัญหาก็าเหลือแต่เฉพาะพวกเราหกคนเท่านั้นที่จะต้อง มาปาารึกษาหันเือกันดูว่าจะเดินอ้อมหรีอมันเสียโดยยอมเสียเวลาปกคงย่ากคาอีกเล็กน้อยหรือว่าต้องการจะตัดตรงไปตามเส้นทางเดิมแล้วก็รอดูปฏิกิริยาของไอ้รถถังหนังหนาสองตัวนั่นว่ามันจะทัดทายของเราอย่างไรดีคุณคงจะไม่บอกเรานะว่าคุณกลัวแรกบันชาร์ดในะส่น่ะเพรสกัวคอจากน้ำในปฏิกิรยมาคบเบาเรียบ ครับแรดชาร์จนะไม่เป็นไรหรอกแต่ผมไม่อยากจะให้พวกเราต้องฆ่าสัตว์นิดโดยที่ไม่จำเป็นถ้าหากยังมีทางหลีกเลี่ยงได้ผมเสียดายมันอยากจะให้มันมีอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปแทนที่มันจะสูญพันธุ์เสียก่อนเวลาอันสมควรทั้งที่ผมมีอาชีพดักสัตว์ตาขายและแรดมีราคาดีที่สุด ระยะหลังๆมานี้ผมไม่เคยจักมันเลยไม่ว่าจะเป็นหรือตายแตอย่างไรก็ตามผมข อ, อการตัดสินใจจากพวกคุณจะเอาอยัางไงก็สุดแล้วแต่เหตุวรผมเพียงแต่มาบอกให้ทราบตวงหน้าที่นั่นเองกะพินพวกเราอยากจะออกจากป่ายากานี้ให้เร็วที่สุดแต่อยากจะทราบว่าพวกเราห้าคนโดยไม่นับคุณด้วยจะมีการเสี่ยงถึงเท่าไหร่ถ้าหากมันบุกเข้ามาคุณน้าคณะถามถ้ากระสุนของผมไม่ได้าก็รับรองว่าไม่เสี่ยงโดยสัปอร์เซ็น์เดียวครับ งั้นก็ตัดตรงออกทุ่งญ้านนี้ไปเลยดีกว่าอย่าเสียเวลาเลยให้พวกนั้นอ้อมไปเป็นจบ ก, กับเราสี่หนักก็ได้คิดยืนยันมาอีกคนหนึ่งเพขณะนี้ตัวเขาเองก็กาเป็นเลงอยู่เหมือนกันเลือดออกซิมซิมตามแขนเนื่องจากไปยากคาบาดตกลงครับแต่มาทําความเข้าใจกันไว้ก่อนดีกว่าเราจะตัดทุ่งโรคออกไปด้วยกันพวกคุณเดินระวังตัวโดยหลีกให้หางผมออกไปทางด้านซ้ายมือให้มากที่สุด ผมจะเดินดักหน้ามันไว้เองถ้ามันไม่ได้เกินเราและไม่รุกขึ้นมาก็โชคดีของเราทั้ ง, งหมดแต่ถ้ามันถามเควด่ล้ายเข้ามาทุกคนไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นแต่ให้วิ่งไปที่ดงข้างหน้าเร็วที่สุดปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมเองมิฉะนั้นกระสุนเปืนของพวกคุณอาจจะถูกผมหรือไม่ก็เป็นปลวเลยไปถูกพวกลูกหาที่เดินถูกพงกันอยู่ในดงหญ้าข้างหน้าแปลว่า ไม่พวกเราใช้ปืนเลยนอกจากวิ่งอย่างเดียวเดลลี่ถามยังไม่แน่ใจนะักนั่นเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับผมและพวกลูกหาบทุกคนที่เดินแยกไปทางหน้านโน้นโอเคโคนกนาบอกง่ายๆตบไหลเขาหนักๆมะพินไม่กล่าวอะไรอีกบกมือเป็นสัญญาณให้ทั้งหมดเดินตามเขาไปในทันทีโดยมุ่งหน้าตัดออกสู่ทุ่งหญ้าที่มองเห็นอยู่ไม่ห่างนัก พเพน้นบริเวณป่าหญ้าคาทุกคนของฝ่ายในแจ้างก็พยายามมองค้นหาแต่ก็ยังไม่เห็นอะไรก็จะแจ้งขนัดตานักปพินชื่อมือแทนคําพูดให้ทั้ง5้าคนเดินแยกออกจากเขาตัดเฉียงทางออกไปทางด้านซ้ายมือส่วนตัวเองเดินแยกออกไปทางด้านขวาในลนักษณะปกติธรรมดาที่สุดสเตอรี่และคณะเดินเกาะกลุ่มกันและเล่งผีเท้าอย่างรีบด่วนเพื่อจะมุ่งไปให้ถึงตรงจิบเห็นอยู่เบื้องหน้าโดยเร็วส่วนตาก็มองกวาดค้นหาตลอดเวลา กลางที่ราบโล่งใต้ต้นไม้เล็กๆที่ยืนแผ่พุ่มเหมือนใครมาปักล้มเอาไว้บัดนี้ทั้งหมดมองเห็นเป้าหมายแล้วเจ้าสัตว์ซึ่งจัดอยู่ในประเภทสัตว์ใหญ่ทรหดดุร้ายรับบ้าดีเดือดที่สุดนอนชูพอตัวเป็นสีครนอยู่ในปักห่างจากตำแหน่งแนวทางเดินของพินประมาณ100ยหลาเท่านั้นเ ข, เขาพยายามเรียบใกล้มันเข้าไปให้มากที่สุดเพื่อทำหน้าที่สกัดกั้นเป็นด่านแรกสำหรับสายนายจ้าง ในกรณีที่มันอาจจะเกิดลุกขึ้นมาเพื่อคลาดเพราะได้กลิ่นหนอที่ใกล้จมูกบนด้านทั้งสองแม้จะเห็นในระยะไกลก็เห็นชัดว่าง ง, งแหลมยาวกว่าศอกตัวหนึ่งมองเห็นชัดเพราะศีรษะเงยอยู่กับขอบปลักส่วนอีกตัวหนึ่งเห็นแต่ลำตัวที่นอนตะแคงโผล่ขึ้นสูงขึ้นมาสองหูกระดิกอยู่เป็นระยะพร้อมกับอาการสะบัด ต, ตัวไร้มานที่ตอมอยู่หึ ง, หง ในเพินพายวันคงเดินด้วยฝีท้าปกติธรรมดาของเขาแต่ตาจับจุดที่เจ้าสัตว์ผู้มีอารมณ์ดีเตือดตามสัญญาณโดยสังเกตปฏิกิริยาของมันอยู่ตลอดเวลาแขนขวาคอไหล่เฟ้นไว้มือซ้ายก็ทําหน้าที่โบกสัญญาณกับพรกพวกเพื่อเร่งให้ผ่านทุ่งหญ้าแับนั้นไปโดยเร็วลมอ่อนๆโชยจากทางด้านมนุษย์ไปทางด้านมันเป็นระยะๆแต่รู้สึกว่ามันยังไม่กระากับกละ่่ายผิดปกติใดๆในขณะนี้ทั้งสิ้นคงนอนกล่งเกลือนปักอยู่อย่างสบายอารมณ์ตามธรรมชาตินิสัย ตะเพิยนเดินไปเรื่อยๆและรักษาระยะไว้โดยไม่ให้เข้าไปใกล้กับมันมากกว่าหนึ่งร้อยหลาในใจก็ขอภาวนาอย่าให้มันได้เคลื่อนไอของสิ่งแปลกปลอมที่แผ่นไปทางเหนือลมเลยตัวเขาเองผ่านตำแหน่งที่มันนอนใกล้าปากตรงเข้าไปแล้วแต่ฝ่ายในจ้างที่ยังเดินเป็นมุมเทียงซ้ายเพื่อหลีกตัวให้ห่างออกไปยังอยู่กลางใจทุ่งและบัดนันเองกระแสะลมก็พัดรูแปแรงขึ้นมาอย่างทันทัน